อ่าวันดีทุกท่านนมรสการเจ้าค่ะสบายดีทุกท่านสบนายดีเจ้าค่ะสาธุทุกท่าวันนี้เวลาเินามาก่อนเพื่อนเลยนะน้ำต่อเสียงอยู่อ่าเวลาเินาเชิญวันนี้คนแรกเลยก่อนมัสการถามวันนี้รีบมาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวกา คือยาวค่ะคิวยาวค่ะที่ <Yeah. S 2> จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรค่ะท่านพระอาจารย์ที่ผ่านมาที่ยมหยุดไปสีวันก็ได้ปฏิบัติ ด, ดีค่ะต่อเนื่องหยุดยามสี่วันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะหยุดอีกค่ะแล้วขอบนหยุดเพิ่มไปอีกวันนึงก็จะเป็นแบบลองวิเกนนะคะได้สี่วันก็จะได้ปฏิบัติอีกค่ะดีได้ปฏิบัติมากเท่าไหร่ยิ่งดีอ่ะแล้วพอเจริญจิต ได้แบบนานๆอะไรอย่างนี้ค่ะมันมันก็อาจจะไม่ต่อเนื่องทั้งวันแล้วก็นั่งภาวนาบ่อยๆะคะ่ะมันก็เข้าสมาธิได้ง่ายเข้าได้ไวขึ้ น, นะคะ่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องต่อสู้หนักหนาเหมือนเมื่อก่อนแล้วคะ่ะแสดงว่าสติเราเริ่มทํางานอย่างต่อเนื่องคนะ่ะก็พยายามให้มันต่อเนื่องทั้งวันแต่มันก็ไม่ได้คะ่ะท่านพระอาจารย์ถ้าต้องทํางานมันก็จะขาดจาก ความรู้สึกตัวไปอะค่ะมันเหมือนกับเราอยู่กับงานตลอดเป็นอย่างะค่ะก็ให้มีสติอยู่กับงานเวล า, าทํางานก็ใหมีสติอยู่ตรงงานค่ะแล้วเวลาไปนั่งมันก็จ ะ, จะจะดีค่ะรู้สึกดี<ม>อ่าโยมอยากจะถามท่านพระอาจารย์ก็คือถ้าอ่าเวลานั่งภาวนาค่ะ <c oughs> แล้วอยู่กับความเจ็บแล้วถ้าโยมไม่อยากจะเอาความรู้สึกตัวทั้งหมดไปเกาะไว้กับจิตนะคะ <c oughs> อยากจะลองอยู่กับเวทนาบ้าง เราควรจะต้องทํายังไงคะเหมือนกับใช้ปัญญาค่ะถ้าไปเกาะอยู่กับจิตเหมือนกับเราหลบนะค่ะท่านพระอาจารย์ในความศึกยมอะนะคะเออต้องดูว่ามันมันน่ากลัวตรงไหนเวทนาอก็มันก็อยู่มามันมามันก็อยู่ของมันไปเราก็อยู่ของเราไปมันก็ไม่มีปัญหาเลยปัญหาคือเราไปรังเกียจมันพองมันมาก็อยากจะหนีมันไม่อยากจะได้มันไปเหมือนเห็นหนูเห็นอะไรของที่เราไม่ชอบเนี่ย ใจแล้วก็ไปต้านพอไปต้านมันก็เกิดปัญหาความอยากอยากนี้อยากให้มันหายมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาลองถามใจดูว่าแล้วอยู่กับมันไม่ได้นด้ไงดูมันดูมันเฉยเฉยไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้มันจะมาจะไปมันก็เป็นเรื่องของมันแต่เราต้องอยู่กับมันเราต้องอยู่กับมัน ถ้าเราไปหนีมันไปต้านมันมันก็ทุกขเราใจเราต้องวุ่นวายไปเปล่ะคือที่ผ่านมายมจะยมจะเหมือนกับแบบอยู่กับจิตตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือน <c oughs> พออยู่กับจิต <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าแบบเข้าไปนิ่งรู้อยู่กับที่มันก็จะไม่เจ็บอะไรเงี้ยค่ะท่านทุกครั้งที่ผ่านมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังๆมนันพบเจอเราเริ่มเราหนีมันหรือเปล่าเรากลัวมันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเวลาเริ่มเจ็บก็จะเริ่มเกาะจิตทุกทีเลยค่ะท่าน ก็ลองอย่ากอดลองดูลองอยู่เชฉยๆดูดูว่าจะอยู่กับความเจยบได้ไหมแล้วถ้าถ้ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ก็ค้นหาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรเว่าเกิดจากทันหาความอยากเราอรวิภาวิจารณหาความอยากความอยากให้มันหายไปความอยากให้มันหายมันก็เลยทําให้ใจเราทุกข์ แต่ถ้าเราอยากให้มันอยู่เราก็จะไม่ชุกข์ทำไมเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้เราก็จะดีใจเราะฉั้น <Okay. S 1> เราปรับใจหรือว่าเน้นอยากให้มันอยู่ไม่ได้ทำไมต้องอยากให้มันไป <Okay. S 1> ไนด้วยเรามใช้ตรงนี้แก้ดูจากความ <Okay. S 1> อยากให้มันจากความอยากให้มันหายการเป็น อ, อยากให้มันอยู่ มันก็ของบาอย่างเนี่ยบางทีเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องอยู่กับมันและต้องทำกับมันเช่นงานบางอย่างเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องบังคับใจเราให้ทํามันพอเราทำกับมันได้มันก็อยู่กันได้อยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาเลยสมัยขึ้นไปประเทศเยอรมันใหม่ๆคนก็ไม่ไม่ชอบกินอาหารเยอรมันใช่ไหมคนก็ไม่มีอะไรอยากินงก็ต้องบังคับกินไปกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็ชินตอนนี้ก็มันชอบมัน เดี๋ยวกลับมาเมืองไทยก็คิดถึงอาหารเยอรมันนะั <c oughs> ด้ดการปรับใจปรับใจเราให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงอันนี้ความเป็นจริงมันเกิดทุกขเวทนานใจเราก็ต้องอย่าไปหนีมันอย่าก็อยากให้มันหายวิธีก็คือต้องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้ให้มันอยู่เฉยๆ เราดูที่ว่ามันน่ากลัวตรงไหนมันมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวมันก็อยู่ของมันไปเดี๋ยวมันก็หายของมันเองมันเป็นอนิจจามิถนาอนิจจอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาของมันเองแล้วอยู่ดีๆเดี๋ยวมันก็ดับไปเปลี่ยนไปมันเปลี่นเป็นสามเมตนามันมีอยู่สามชนิดเป็นสุขเมตนา ทุกขเวทนาและไม่สุขไม่ทุกเวทนามันกนตอนเริ่มหน้าใหม่ๆมันก็ไม่สุขไม่ทุกเนี่ยเฉยๆเดี๋ยวพอเล่าวิริยะทุกขเวทนาก็โผลขึ้นมาสุขไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็หายไปเรามันเป็นอนัตตามันเป็นเหมือนธรรมชาติเปนของที่เราไปบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้แล้เรา ถัดทําใจอยู่มันได้เราอยู่ไปอยา่าดูที่ความอยากอย่าให้มันอยากอย่าไปอยากนี้มันให้อยากไปอยากให้มันหายให้หยุดลองนั่งนานๆดูค่ะแล้วให้มันเกิดเวทนาแล้วลองดูวา่าตัวเองจะรับมือไหวไหมค่ะวันนี้ยมไม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเพื่อ ม, มีโดยล้อรอบสองค่ะสมมุติว่ามันเป็นเหมือนฝนตกแดดออกเนี่ย เราไปห้ามมันได้เปล่าฝนมันจะตกแดดจะออกอากาศมันจะหนาวหรือจะร้อนเราไปห้ามมันได้เาเราก็ปรับใจเราอยู่กันไปนาวก็อยู่กับมันไปร้อนก็อยู่กับมันไปเวทนาก็เหมือนกันสุขก็อยู่กับมันไปทุกข์ก็อยู่กับมันไปนะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเวทนาแล้ว อ้ารารูว่ามันก็ท่านั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในในมโนภาพของเราในใจของเราการเดี๋ยมันก็ดับไปมันไม่สามารถทําลายใจได้ค่ะค่ะอ๋ขอขออีกนิดค่ะท่านอาจารย์ค่ ะ, <อ>ะที่ท่านพระอาจารย์เคยเอพูดกระยมไว้นานๆแล้วเหมือนกันนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราจิตเรามีกําลังพอแล้วมันจะเริ่มดึง พวกร่างกายไม่ใช่เรามันเป็นธาตุสี่อะไรอย่างนี้ยค่ะมันจะดึงมาพิจารณาเองมันจะเห็นเองเนี่ยมันใช้เวลานานไหมคะท่านกว่าที่ผู้ปฏิบัติจะถึงขั้นนั้นได้อะคะนานไม่นานก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรานะปฏิบัติมากมันก็ไม่นานปฏิบัติน้อยมันก็นานค่ะอาจจะเป็นเพราะความอยากของตัวเองด้วยล่ะคะ่ะยมอยากให้มันเกิดมันก็มาเกิดสักทีค่ะพ ย, ยายามพยายามพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆ ดยูการรวมตัวของมันมองทางด้านธาตุเราธาตุเข้าร่างกายทุกวันใช่ไหมลมในกระทะหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็ธาตุลมเครื่องดื่มต่างต่างก็ธาตุน้ำอาหารที่กินเข้าไปก็ธาตุดินอาหารมันมาจากไหนข้าวมันมาจากดินไม่ใช่หรอผักมันก็มาจากดินนะมันเป็นธาตุดินนะพอมันเข้าไปในร่างกายมันก็ไปเปลี่ยนเป็น เสริมอาการ 3.2 ต่างปเอาไปทำเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันผมก็ยาวขึ้นใช่ไมทำลองทำลองนี้ดูว่ามันเป็นการเข้าออกของธาตุทั้งสี่นะแเดี๋ยวเวลาร่างกายหยุดหายใจธาตุลมก็ไม่เข้าแล้วมีแต่จะออกมาธาตุไฟก็ออกนะนั่งกายก็เย็น ก็เหลือแต่ท่าน้ำประท่านดินเหลือท่าน้ําก็แยกออกมาออกมาตามดูตามๆของร่างกายเดี๋ยวทิ้งไว้สักพังร่างกายมันก็แห้งกรอบใต้เป็นดินแปจำเมางี้จะเห็นชัดว่าร่างกายมันเป็นมันทำมาจากดินน้ําลงไปมันไม่มีตัวรู้ตัวรู้สึกอะไรผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นผมมันตัดผมออกมันก็ไม่เดือดร้อน ก่อนผมมันก็ไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนก็คือใจนี้ผู้รู้ที่มาเป็นเจ้าของมาครอบครองร่างกายแล้วก็ไปลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรา <c oughs> ผู้รู้ก็หาจเป็นผู้รู้เฉยๆรู้ว่าร่างกายเป็นเหมือ น, น, อนอร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นก็จะกลัวหัวเราก็ไม่เดือดร้อนอยังไงทำไมร่างกายที่เรามีอยู่นี่มันจะกลัวหัวเราเราจะไม่เดือดล้อนอมันเลย เวลาไปทําคีโมเดี๋ยผมก็ล่วงหมดเลยใช่คะ่ะเคยร่วงหมดแล้วคะ่ะทั้งหัวเลยเมันก็เป็นเรื่องของใหม่เราก็อยู่ของเรามันก็อยู่ของใหม่เราไป็นผู้รู้แค่ดูเฉยๆอย่าไปยึดไปติดมันแลเราจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นเราเป็นตัวเราอันนี่ต้องคิดอย่างนี้เมื่อไหร่เห็นภาพชัดนต้องคิดอยู่บ่อย ฟังเราพูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยต้องไปคิดเองเดี๋ยวสักวันนึงมันก็เล่าอ๋ออ๋อมันเป็นแค่ดินน้ําลงไปเป็นวัตถุกระดูกเนี่ยมันรด้กระดูกมันก็เป็นเหมือนไม้ท่อนอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาเหตุมันยังไม่พอค่ะมันยังไม่เป็นผลไม่มีเวลาคิดถึงไม่มีเวลาอันนี้ต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ออกจากสมาธิมาถึงจิตถึงอยู มีพลังที่นั่งคิดเป็นกิจลักษณะได้ถ้าไม่มีสมาธิออกมาทีแรกมันก็เดินไปคิดเรื่องหาเงินหาทองห า, หาความสุขไปคิดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรตา่างๆอีป่าทามันจะไม่ยอมให้เรามาคิดเรื่องเรื่องร่างกายว่าเป็นเนรื่องน้ำมันไฟอันนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางลองดูแล้วฝัน เวลาว่างตอนไหนมัรู้จะทําอะไรนอนคิดเรื่องร่างกายอยู่นริ่มทาสีค่ะถ้าเริ่มต้นจากทาน้ำสองหยดใช่้หมันรวมกันในทาน้ําก็มีทาดินผสมอยู่เวลาเข้ามาผสมเทียมก็น้ําของของพ่อของแม่มาคนละหยดเนี่ยมารวมกันแล้วเดี๋ยวมันก็ขยายตัวขึ้นแล้วก็เข้าไปในท้องแม่แม่ก็ เอาธาตุหยดน้ำลงไฟเติมเข้าไปทางผ่านทางซ้ายเสดฉยเลยนะเ<ะ>มื่อเป็นการสร้างสร้างร่างกายด้วยธาตุสีของแม่แม่เป็นคนเอาธาตุสีเข้าไปในร่างกายร่างกายก็ค่อยจะเติบโตขึ้นสร้างอา ว, วัยวะต่างๆสร้างอาการชารีสองขึ้นมาเราครบกิดข้อออกมา เอามาก็เติมธาตุต่อออกมาปั้งกหายใจก่อนอนะฮะหายใจแล้วก็ดิมน้ำนมอ่ะหิวน้ำหิวอาหารน้ำนมก็มปดินธาตุดินผสมอยู่นะพวกแร่ธาตุต่างๆมก็ธาตุดินนั่นเองะแคลเซียมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นธาตุดินนั่นองไม่เป็นอะไรแคลเซียมวิตามินเนี่ยมันเป็นธาตุดินน ผ ส, สมอยู่ในน้ำาล้ก็เลยกว่นน้ำนมกินเข้าไปในร่างกายมันก็ไปแปลงเป็นผมขนเล็กฟันท่านนั้นแหละก็มีเป็นเรื่องของทานต้น้อยนะร่างกายท่านดูดีเจ๋อเาหน้าได้ค่ะยกเวนตอบค่ะครับท่านต่อไปอาจารย์พรพิรายสบาดีนะ แบบพระอาจารย์ค่ะสบายดีค่ะพระอาจารย์สวัสดีครับวัววนนี้เพิ่งส่งลายกลับไปได้อ่านหรือยังยังไม่ได้เปิดเลยครับว่าวันนี้ฝนตกที่บ้านหนักมากเป็นพวงเจ้าเต่ า, าน้ําท่วมบ่อพระอาจารย์คะวันนี้อยากจะเรียนถามมาค่ะค่ัเชิญค่ะเออเวลาเราเราไปปฏิบัติธรรมเราไปปรีดวิเวกเนี่ยนะคะเราก็กายนวิเวกอยู่แล้วนะคะแต่ว่า จิตกวิเวกนะคะทีนี้อยากจะทําความเข้าใจกับว่าจิตวิเวกเนี่ยก็เป็นนําเอามาใช้หรือเอา wisdom นํามาใช้ก็จิตวิเวกเมื่อเรากลับมาหลังจากที่เราไปปรีกวิเวกเนี่ยนํามาใช้ในชีวิตประจําวันจิตวิเวกทำจิตเราให้ให้วิเวกให้มันว่างเปล่าจิตวิเวกก็ว่างเปล่าไม่ไม่วุ่นวายไม่ไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบเี่และจิตวิเวก ไม่ปรุงแต่งไม่เอาเรื่องคนนั้นคนนี้เข้ามาแบกให้หนักปกหนักใจแต่พอกลับมาอยู่ที่บ้านครับพอเห็นคนนั้นคนนี้ก็แบกเขาทันทีห่วงเขเกังวลเขาอะไรต่างกันม า, เ, า เ, เห็นบ้านก็กังวลเรื่องบ้านเห็นอะไรก็กังวลกย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้นคนนั้นคนนี้ไปไม่ว่างแไม่วิเวกนะเราต้องใช้สติคอยหยุดมันคอยเตือนสารว<ม>่าทุกอย่างมันไม่เ<ม><ม>ทียม ในที่สุดก็ต้องมีการพัดพกากกันไปในที่สุดไปโหวงไปกังวลก็ไปหยุดนั้นแต่เปิดความเป็นจริงนี้ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ปัญญามาในที่สุดเราก็ต้องอยู่คนเดียวเรามาตัวเปวล่าๆเนื้อเราก็ไปตัวเปวล่าๆเราก็อยู่ได้เราไปเป็ียนเรื่องเราก็อยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้เหมือนเดิมเอย อยู่ได้ดีด้วยค่ะไป็นปริวเวงเนี่ยสงบทีนี้เวลาเราเรากลับมาเจอเความจริงในโลกปกติเนี่ยแต่เราก็สามารถคือเราก็ปฏิบัติฝึกอยู่ในการที่จะใช้ปัญญามาที่ไม่ไม่ได้ตื่นตระหนกคือสงบมาเหมือนกับเหมือนกับคาว่าจิตวิเวกเนี่ยนะคะก็ใช้ได้ในในชีวิตประจําวันแล้วก็สอนตัวเราไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเป็นของเราออและอยู่ในความสงบอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆถ้ามันจะไปก็ให้มันไปเพราเราทดลองทําดูก็มันมันก็นิ่งนะนิ่งนิ่งมาใช้ในชีวิตประจำวันก็จะนิ่งเราจะเห็นความสําคัญว่าความสุขของเราอยู่ที่ความนิ่งของใจนี่แหละแล้วรักษาเอ่งหนึ่งล้วรักษาไม่ได้ แต่สิ่งที่เรารักษาได้ก็คือความสงบภูงิใจอะไรนี่ยิงยงย่งพายามยิ่พยายามไปรักษาอย่างอื่นยิ่งทุกข์วุ่นวายเพราะรักษาไม่ได้นะถ้าเขาจะไปเขาก็ไปถ้าเขาจะเสียเขาก็เสียแต่เรารักษาใจเราได้รักษาความสงบรักษาความเรามีความสงบแล้วก็มีความสุบทาการความวุ่นวายความสูญเสียอะไรต่าง เวามันจะเสียก็ห้ามมันไม่ได้แต่ใจเราไม่ต้องไปเสียสเสียกับการสูญเสียไม่ต้องไปเสียใจกับการสูญเสียได้เพราะพียงแต่รับรู้เฉยๆว่าเนี่ยอันนิจจังเป็นอย่างนี้อานันตตาเป็นอย่างนี้ต่อใจไหมต่อใจใจะไดเปลี่ยนต่อใจใช้อยู่ ค, ค่ะพยาปฏิบัติ<จ>อยู่เยอะๆเลยค่ะต่อไป จ, จะได้เปลี่ยนเป้าหมายของการดูแลว่าเราไม่ดูแลอะไรแล้วนอกจากใจเราคนเดียวนะครับ ใจเ ร, เราดูแลได้แล้วดูแลแล้วสัใจเรามีความสุขใจเราปลอดภัยแต่เราไปดูดูแลอย่างอื่นคนอื่นนี่ใจเราวุ่นวายใจเราเครียดทันทีแต่ก็ ไ, ไม่ได้หมายคามว่าไม่ปล่อยไม่ไม่ดูแลท่านดูแลได้ก็ดูแลคนอื่นช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาอะไรไปแต่ถ้ามันเสี่ยงคิดที่มันสุดวิสัยก็ต้องปลอ่อยก็นนดูดูแลทุกอย่า ตแต่ว่าด <ใจ S 2> ้วยใจที่สงบด้วยใจที่สงบถ้าถ้าใจไม่สงบแสดงว่าเราทำเกินเหตุแล้วอยากอยากเกินอยากเกินเกินความเป็นจริงแลมันก็เลยรู้น่ะคุณอาจารย์เป็นคนโอเคสอนคุณสอนเพื่อนนะ่สอนที่คนอยู่ใกล้เคียงแต่คนนี้่ไม่สนใจ คนเขาคนนี้ก็งเขเย็นอยู่แล้วนะเย็นเย็นมาตลอดพยายามวันนี้กำลังพยายามช่วยกันสอนต้องเล็ดโกบ้างนะวุ่นวายก็สอนปล่อยวางดีกว่านะเอาใจเราดีกว่าขอบคุณคุณอาจารย์โอเคนะท่านนี้ก่อนท่านต่อไปคุณหมอทศนาใช่คุณหมอกันนมัสการอาจารย์ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณบอยคุณชัยคุณหลานะคะก็ เดี The, วันนี้นะคะก็จะมาสรุปพระอาจารย์นะคะแล้วก็มีคามําถามอันนึงไว้นะคะพระอาจารย์นัคืออาทิตย์ที่แล้วที่ไปปีวิเวกที่เขาทีโอนะคะก็ก็ตั้งใจที่จะทําเรื่องของสติสมาธิปัญญาแล้วก็ดูเรื่องของความปวัความหลบก็ใช้เดินเดินจงกรมก็ถอดรองเท้าตลอดเลยก็คือรู้สึกว่าเราได้สัมผัสกับพื้นเท้ากับพวกกวางพวกลิงลิงนะคะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าตอนตอนที่ไปเนี่ยตั้งใจเราเรื่องสติคือกะว่าคืออยากจะให้สติเนี่ย แบบเต็มค่อนข้างจะเต็มร้อยก็เลยแล้วเราไปอยู่ที่นู่นตอนนั้นอยู่คนเดียวเลยนะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีใครไปก็อยู่คนเดียวในในในเขาก็จะได้กลิ่นคือตอนเนี้คือพอสติมันเต็มอ่ะกลิ่นเนมันจมูกมันก็จะได้กลิ่นคือได้กลิ่นกว้างคือมันจะระวังตัวแล้วก็แล้วก็ตาก็จะมองจะมองไปได้ไกลได้เห็นชัดแล้วก็หูอะอย่างเงี้ยคือมันมีความรู้สึกว่ามันมันมีสติกับตัวเองแล้วก็พอเราเดินผ่านเนี่ยเออลิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้เรา เราเราใช้พรมขนเล็บฟันแบบที่พระอาจารย์แนะนำค่ะก็เลยมันทำให้มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากับเขา่เหมือนกันเลยก็คือทั้งลิงทั้งกว้างอ่ะมันไม่มันก็เลยไม่คราวนี้มันผ่านความมันไม่มีความความรู้สึกอะไรเลยนะคะมันก็เหมือนกับเขาเป็นเพื่อนเือเป็นเพื่อนร่วมโวกจริงๆเหมือนสเปซัตา์จริงๆแล้วรู้สึกว่าเราเดินไปอ่ะ กลาเป็นกวางเขากลัวเราเราก็รู้สึกเกรงใจเฮ้ยเราเดินหลายรอบเขาก็แบบจะจิงย่าเขาก็ต้องหนีเราแต่ว่าก็พยายามแบบเดินก็คือไม่ความกลัวเนี่ยไม่ไม่ไ ม, มีแล้วพระอาจารย์แล้วก็ลิงเนี่ยรู้สึกว่าเขานหลักกับเขาหลบดูเราคือเขาคแอบดูเรานะแล้วเขาก็ไว้ใจตอนหลังเนี่ยเดินเฉียดใกล้แม่ลูกลิงเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรก็เลยรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยผ่านพระอาจารย์ก็คือผ่านตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาปัญญาก็พิจารณา ทางเรื่องของความปริกูลเขามไม่เที่ยงเะไ ย, ย่งี้ก็ก็รู้สึกว่ามันมันได้ได้มันทําได้ตลอดแล้วก็ตื่นตีสามมาแล้วก็แต่ว่านอนเร็วนิดนึงเพราะว่าเดินเดินหนักมากว่าอาจารย์จะแบบเลื่อยขาด่านอนประมาณสักสามทุ่มค่ะก็สงบก็รู้สึกว่าแล้วก็กลับมาฟังซีดีฟังเทปกับฟังอาจารย์ต่ออรู้สึกว่าที่เราพิจารณาเรื่องของความพิจารณาเรื่องของความโรกความที่ ท, ที่ที่ในป่าเนี่ยที่ที่เราพิจารณา เรื стати, Savior, ่องของตัวพิจารณาเรื่องของของกวางลิงที่เราไม่ไม่กลัวแล้วเนี่ยถ้าเรากลับมาเนี่ยให้เราพิจารณาเรื่องของความโรคความโกรธความหลงเนี่ยเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นพวกลิงกวางคุณได้ใช่ไหมพระอาจารย์เชสติกจับว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีความโรคความโกรธความหลงเนี่ยให้เราก็คือทําใจปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้ได้เร็วนี่คือนี่คือกลับมาคือคิดเปรียบเทียบที่ไปนะพระอาจารย์ก็เลยเอากลับมาใช้กับที่ประจําที่ในในในปัจจุบันก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็พวกพี่ๆมากๆเลยเพราะว่ามันทําให้เราไม่เหมือนกับ ไปแล้วมันได้อะไรเยอะมากขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าเไม่คอนเฟิร์มเรื่องของความกลัวแล้วก็เรื่องของความหลงก็มันก็มองเห็นว่าจริงๆมันก็คือก็คือมันก็คือเหมือนกันเลยอ่ะก็จะเป็นเป็นเหมือนกับก้อนธาตุเหมือนกันทั้งสัตว์ทั้งคนแล้วก็ได้ได้อ่านของของหลวงตามหาบูวค่ะที่หลวงตาเขบอกว่าเอ้ยเราจะกลัวอะไรที่หลวงตาบอกว่าเสือก็มีฟันเหมือนกันมีเชี่ยวเหมือนกันมีขนเหมือนกันมีขนเหมือนกันแล้วก็ที่พระอาจารย์นั้นนาให้ท่องอันเนี้ยก็รู้สึกว่ามันใชใช้ ช่วยได้เดยมาก ๆ, ๆเลยอาจารย์นี่อันนี้เรื่ ป, ๆๆปัญญา <ๆ S 2> สอนใจเพื่อให้ใจอยู่ในความสงบไม่ให้ไปตื่นเต้นตกใจไม่ให้ไปโลภไปโกรธไปหลงอะไรกับใจให<ช>้รู้ว่าใจนี้อยู่ตามลำพังของมันได้โดยที่ไม่มีอะไรมีความสุขกว่าอยู่กับความว่างนี่มีความสุขว่าอยู่กับ ดีกว่ามีความสุขกับอยู่กับเงินล้านเงินแสนเงินหมื่นอยู่กับตําแหน่งอยู่กับยอดอะไรต่างๆอยู่กับความว่างสบายเพราะความว่าไม่มีวันจากเ้าไปแตถ้าเงินแสนเงินหมื่นเดียววันนึงก็ต้องจักเราไปตําแหน่งยอดต่างๆวันหนึ่งก็ต้องจักออกไปความที่ยังไม่จากล้วก็หัวหัวขังวนนไม่มีแล้วไม่มีอะไรห่วงไม่มีอะไรหัวไม่มีอะไรขังวน ถึงแม้ว่าจะกลับมาอยู่กับสิ่งต่างๆก็คิดเสียว่ามันเหม่ก็ว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นของเราแล้วมันจะไปเ ม, มื่ไหลได้เหมนไปเราอยู่กับความว่างได้มราอยกับใจที่ว่างที่สบบงบเท่านั้นพอแล้วเห็นอีกกันหนึ่งค่ะพระอาจารย์เห็นทุกข์กิริยศาสตรใ์ในในของสัตว์โลกด้วยคือเห็นเลยว่าเออเฮ้ คือจริสตว์โลกเา ก, ก็ต้องเกิดมาแล้วเขาก็ต้องแบบระวังตัวเองแล้วต้องหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เองก็มีควรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคือจะไม่ให้เกิดจุกเริยศัสตร์แล้วก็ต้องทําจุลูไทยให้ได้คือตัดตัญหาความอยากเราจะได้ไม่ต้องมาเกิด <c oughs> คือรู้สึกว่ามันได้อะไรเยอะแค่สองวันนะแต่ว่ามันพอเราตั้งใจจริงๆอ่ะมันสัมผัสตรงนี้ได้ค่ะอาจารย์เรื่องจุกเริยศัสตร์ <c oughs> คือมันมันเข้าไปอยู่ในใจได้เลยะอาจารย์ก็เลยกลับมาแล้ตั้งใจค่ะอาจารย์มีอะไรให้มีอะไรทําต่อกพยายามลดความอยากอยู่แบบมากน้อยสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิดการจะดีกับเราก็โอเคเขาจะไม่ดีกับเราก็โอเคเราจะบ่นก็ปล่อยก็าบ่นไปเขาจะชมก็ปล่อยเขาชมไปไม่บนนะ่นอะไรเลยเขาจะตามมาด้วยเนะี่ยเขาก็บอกไม่ค่ออยากเกิดอะไรเหมือนกันก็พยายามเนี่ยจันด์ดอฝึกใจให้ยินดีตามสภาพมับน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็น มีเท่าที่จําเป็นก็พอประจายสี่นอกนั้นก็ไม่ต้องไปมีมันถ้าไม่จําเป็นจะต้องหนีแล้วเดี๋ยวเชาวหน้าเนี่ยกะว่าจะไปห้าวันเดือนหน้าพระอาจารย์ได้ไหมคะกะจะที่ยันไปห้าวตัวเราถามตัวเราสิมาถามเราถามเราได้ยังไงไม่ขออนยญาตพระอาจารย์จะไปห้าวันเดือนหนึ่งเพรรู้สึกว่ามันไปแล้วมันมันสงบแล้วมันอัพ มันอัปเลเวลขึ้นมาแล้วอาจารย์มันมันมันมันได้อยู่ตัวเองทั้งวันชอบมากเลยคระอาจารย์ถ้าแม่จะอยากจะขออยู่สักครึ่งเดือนก็ได้มันมีสติแบบดีมากเลยค่ะพระอาจารย์มึงเอาแล้วกลับมาใช้ในโลกในในปัจจุบันได้เพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยบางที่พระอาจารย์เคยบอกตอนนั้นตอนนั้นไม่เข้าใจที่พระอาจารย์บอกก็อยู่ในบ้านก็ได้เหมือนกันแล้วก็ทำแล้วก็ขยันแต่อพอเราไปอยู่คือมันสติจริงๆอยู่ในบ้านมันไม่ได้สติจริงๆเพราะว่าในบ้านมันปลอดภัยต้องอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์เข้าใจก็เลยอยากจะไปวัน กจับเวลาแล้วพ่อจันเองจะลองถทำปะปงดูนะเขาเปรียบเทียบเหมือนกับไก่บ้านกับไก่ป่านี่เหมือนกันไก่บ้านนี่มันจะไม่ค่อยระมัดระวังเหมือนไก่ป่าไก่ป่านี่มันจะระวังมากกว่าเพราะภัยมันรอบด้านไก่บ้านมันรู้มันอยู่ที่ปลอดภัยยี่ต้องไปอยู่ใกล้ป่ามันจะได้ฝึกสติมีความตื่นตัวความระมัดระวัง รอบด้านนี้ไม่นู่มจะมีอะไรเข้ามาจะเจออะไรบ้างดีพยายามปฏิบัติใจกับน่าใจไม่ทุกกับอะไรปล่อยวางได้ินดนเฉพ<ร>าะแันห้างของเราร่ า, างก า, า, ายของเราเวทนาของเราเวทนานี้โอเคอีกนิดนึงพร่อาจารย์คือครั้งพอก่อนจะกลับสุดท้ายเนี่ยเดินจงกรมเดินจงกรมแ้ตอนงนนคือน่ก็เจอกวาง ตอนที่กลัวครั้งแรกเนี่ยคือตัวใหญ่ใช่ไหมแต่เป็นตัวเมียแต่คราวนี้เจอกวางตัวใหญ่มากๆแล้วเป็นตัวผู้ที่มีเขาอะ่ะรู้สึกว่าเอาสงบมากเลยคือมันไม่เหมือนครั้งแรกที่เจอก็รู้สึกว่ า, อาโอเคมากเลยอาจารย์ครั้งต่อเนย์มากปฏิบัติต่อไปนะผลอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การคาดเดานั่งคิดอต้องเจอเขาจริงอาเ น, นื้สัตว์เป็นของจริงทุกต้องทุกจริงๆ นิโรจน์จเื่นหญ่ก็จะเป็นนิโรจจริงๆอาจารย์โอเคไปที่ท่านต่อไปคุณเอกจากเชียงรายเป็นยังไงบ้างครับการมาสักการพระอาจารย์ครับก็วันี้ก็ไม่มีคําถามอะไรครับพระอาจารย์ผมก็อยู่ในการปฏิบัติอยู่ทุกวันนะครับทุกเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับพระอาจารย์<า>ก็เขามารับควาสติ เป็นตัวนํานะเข้ามาก็เอาสติต่อเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เอรู้สึกว่ามันจะสงบง่ายเข้าง่ายครับอาจารย์คือมาสติดีแต่มันไหลแก๊กหนึ่งก็นิ่งเลยครับอาจารย์ก็สุขสงบเย็นไปจนกระทั่งมีเอเกิดอาการก็เกิดไอเวทนาขึ้นมาก็ก็อยู่กับมันก็อยู่ได้ครับอาจารย์อยู่ได้จนครบอะฮะ เดี๋ยวครบชั่วโมงแต่แต่มันเวทนามันก็ไม่หายครับอาจารย์มันก็อยู่อยู่กับมันได้ครับแต่ก็ไม่ค่อยทรมานใจสักเท่าไหร่นะครับอย่าไปอยากให้มันหายมันทรมานก็อยากให้มันหายครับอยากต้องอยากให้มันอยู่แล้วจะไม่ทรมานเออมันอยู่กับกูนะเป็นเพื่อนกูนะครับก็ก็บางวันก็คิดว่าเออก็เจอกันเร็วๆหน่อยก็ดีอยู่มันหลังจากที่สงบอ่ะก็มาเจอก็ก็อยู่อยู่กับเขาครับอยู่ประเวทนาก็พยายามจะ พยายามจะแยกจะแยกเวทนาอยู่ว่าอา๋อนี่นี่เป็นรูปนะนี้เวทนานะก็บอกใจสนใจตัวเองไว้อย่างเงี้ครับอาจารย์ร่างกายก็เป็นว่าถูเหมือนกระดูกมันไม่ร่างกายมันไม่ปวดไม่เจ็บนะครับครับแล้วที่เจ็บก็คือตัวเวทนาเองเวทนามันก็ไม่ได้ไปทมอะไรให้ใครเสียายยายก็ไปผู้รับรู้ควรู้ไปเฉยๆโอครับครั ทางก <ผม S 1> ารงานหน้าที่ของตัวเองอ๋อเพราะผมอาจจะติดตรงที่ว่าบางบางทีว่ า, า จ, จะติดตรงที่ว่าพระอาจารย์ติดที่ว่าเาเวทนากับใจเวทนากับใจใจมันเป็นเวทนาหรือเปล่าทําไมใจไม่เจ็บกับเวทนาเราเราคนแยกมันว่าไอ้นี้<ม>เวทนาอันนี้ใจแต่ใจไม่ไปไปทุกข์กับมันใช่ไหมครับอาจารย์เพราะร่างกายยังไงมันก็เป็นเป็นของมันอยู่แล้วมันไม่รับรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนต้นไม้อะร่างกายมันถึงเหมือนต้นไม้ กระดูกมันเนี่ยมันเป็นรู้อะไรหรือเปล่าเวลาเวลาเขาเอากระดูกหมูกระดูกไก่มาต้มเนี่ยมันรู้รู้เรื่องหรือเปล่ามันไม่รู้หลักกระดูกก็ไปนะครับโอผมผมติดตรงที่เวทนากับใจที่มันใจมันไปคิดว่าเวทนากับใจเดียวกันคนละอันใจใจเป็นผู้รู้เวทนาเป็นผู้ปรากฏขึ้นมาในจอใจให้รับรู้ ครับครับโอ้ oh, เป็นคนใจแล้วครับอาจารย์ใจเป็นเหมือนคนดูหนังเวทนาเป็นเหมือนตัวที่อยู่บนจอนครับใจก็ดูหนังไปไม่ต้องไปตืนแต้นหวาดเสียวกับสิ่งที่อยู่บนจอที่มันดิ้นในจอไม่ต้องไปสนใจมันใช่ไหมมันจะในจอมันจะเป็นยังไงเราก็ดูเฉยเฉยไปแต่วันที่เราเผ ล, ลอเราก็ไปดีใจเสียใจกับเอตุการณบนจอได้ถ้าไม่มีสีิดูหน้าไปบางทีก็น้าําตาเขไหลไป วนรอบขีกขามไปกับราการมูลจอครับผมครับผมหรหวาดเสียวหวาดกลัวไปก่อนหายการอยู่บนจอนองทั้งที่เราไม่ได้อยู่ในจอเท่าไหร่เหมือนกันใจล้วก็ไปหวาดเสียวกับไปทุกข์ไปกับความเจ็บอะไรขึ้นมาน้องทั้งที่ใจก็เป็นเพีงแต่ผู้รับรู้เั้เองท่านท่าอย่างนี้อย่างนี้ผม เราทำ okay, ใจให้ก็ทําใจให้เป็นเหมือนกับจอจอจอจอภาพยนตร์จอภายอพา ย, นยนต์ร์ก็จะดิงยิงกันตูมตามไฟม่วงไฟไม้จากจอมันก็ไม่ได้ไหมต้ตามโอครับครับผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาผมเข้าใจละเหมือนกับว่านจนเจ็บจะป่วดยังไงมันก็ไม่ได้ทําให้ใจเจ็บชายปวดไปด้วยครั บ, รบใจไปเจ็บไปปวดเพราะความอยากให้มันหายนั่นเองในตัวความอยากเนี่ยมันทําให้ใจทุกข์ใจเจ็บใจทรมาน ไม่ใช่ตัวเวชนาตัวความเจ็บของร่างกายอือครับครับก็ก็เหมือนที่เราบางทีเราไปดูแม่น้ําใช่ไหมครับอนเศษมันไหลมาเราก็ไหลไปแล้วก็ดูไปใจเราก็เฉยๆกับมันใช่ไหมครับไม่ดัน จ, จ, จ, จะไปจะไปจะไปดึงมันกลับมันไปแล้วมันมันไม่กลับมาแล้วเวลามันยังไม่ไปอยากให้มันหายไปมันมันก็กลาเป็อารมณวุ่นวายขึ้นมาครับดูมันเฉยๆครับผม บางอย่างเป็นหมนกระแสน้ํามันไหลมาก็ไหลไปสิ่งนี้ไหลมาก็กระแสน้ําก็ไหลไปครับสุขก็เวทนามาแล้วก็ไปไม่สุขไม่ทุกเวทนามาแล้วก็ไปทุกเวทนามาแล้วก็ไปก็ไปอย่างนี้หน้าประโยชน์ใจเป็นทูนดูก็ดูไปเฉยๆครับผมครับผมกับขอบุญพระอาจารย์มากเลยแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็จะติด ถ้าเวศสุกเวทนามาก็จะยืด<ม>จะติดจะเด้งว่าอยาบวชอย่าไปสุกนานต่อไปก็โชก เ, ออกกกกเนีอยากให้กลับมาออไม่กลับมาก็ร้องโหยร้องไห้เห็นไหมเวลาสนเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปเนี่ยเศร้าสุขเสียใจอย่าให้กลับมาครับผมไม่กลับมาก็โอยกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะหายก็หลายวันบางคนก็หลายเดือนถึงจะทําใจได้ ในที่สุดก็ต้องทาใจสูญเสียของที่เรารักขนาดนั้นมันไปแล้วมันก็ไปแล้วแหละแต่ใจมันไม่ยมันไม่ยอมมันก็ทรมานมันก็เศร้าโศกเสียใจไปภาคหนึ่งการทำในที่สุดมันก็หยุด่งเองยอมรับความจริงถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็หยุดมันได้ทันทีไม่ต้องรอให้เวลามาเป็นผู้หยุดให้เรา ครับผมพระอาจารย์ครับกับขอคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมน้อมไปปฏิบัติทำครับครับครับผมสาธุครับคุณแนนเชิญเลยคุณแนนเุเใช่ไหมคุณแนกลับสมัชการค่ะอยู่ดอค่ะอ่ดะ<า> ไ, ไม<า>วันนี้ไม่มีค่ะมาร่วมรับฟังธรรมค่ะโอเคไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างเลยปฏิ บ, า บ, าบัติ้ากรากก็เริ่มปฏิบัติก็ได้ดีค่ะ พอดีร่วมรับฟังธรรมแล้วมีตัวอย่างพี่ยติทานท่านหนึ่งที่ทําวันพุธเป็นวันพ้าค่ ะ, ะหนูก็เลยเริ่มทําด้วยการไปใส่บาตรทุกวันพุธเลยค่ะแล้วก็มาฟังธรรมวันพุธค่ะก็ทําทมาได้หลายเดือนแล้วค่ ะ, ะเราต้องกําหนดเวลาการมาเดือถ้าเราไม่กําหนดมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆไม่ว่ามันติดธุระบ้างอะไรบ้างถ้าเรา ถ er ground, so er it, so ้ากรากำหนดเวลาแล้วแต่ทีนี่จะว่างไม่ว่างเราก็ต้องทำนะค่ะใช่ค่ะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะให้ใจสงบค่ะพยายามสร้างเวลาการปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะค่ะสช่ถูกค่ะโอเคเชิญคุณอดีตออีจักรนากฤษภัติยาเชิญเลยอาจารย์อาจารย์ยังไงหลายหน้าไปหลายหลายวิ่งกัน ไม่ได้เข้ามาในซูมค่ะแต่ว่าฟังอยู่ข้างนอกที่เฟสแหละคะ่ะเห็นคุณเยอะมากอย่างอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกยังเหลืออีกสองหน้าหนูฟังไปแล้วช่วงหนึ่งแล้วบอกพระอาจารย์บอกยังเหลืออีกสองหน้าเลยไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้ามาในซูมเลยคิวเยอะมากอันนี้สี่สิบเจ็ดคนค่ะก็ก็ฟังเป็นช่วงๆ ว, วันนี้เมาาื่อเช้าหนูลืมไปวัดลืมไปใส่บาตรลืมวันพระได้เนั่<อ>นงปฏิบัติธรรมลยมวันพระได้ อาจารย์เาไม่มีสติสตังเลยวะ่ะใช่ใช่ใช่ช่วงนี้สติขาดค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวหนูจะต้องกลับมารวบรวมสติใหม่เดี๋ยวตั้งต้นใหม่ค่ะพระอาจารย์วันพระยัยนนงลืมได้เอาหนูตื่นมาเอ้าเจ็ดมงเอ้ามันดูปฏิทินเอ้าวันนี้วันพระตายแล้วหนูลืมไม่ปกติหนูไม่เคยลืมนะปกติวันพระหนูต้องไปใส่บัไม่ได้ต้อมันต้องเตรียมใจใไว้ก่อนวันพระแล้วเราต้องรู้ว่าพรุ่งนี้วันพระแล้วเนี่ยต้อง ค่ะสติค่ะสสแสดงว่าเสือไม่เคยคิดถึงวัดเลยช่วงนี้วุ่นวายไปกับเรื่องต่างๆกลับมาใหม่ค่ะกลับมาใหม่ค่ะเดี๋ยวหนูต้องตั้งสติตั้งต้นใหม่ค่ะพระอาจารย์หนูไม่ทิ้งทางนี้เด็ดขาดค่ะโอเค <c oughs> ไม่มีอะไรใช่ั้ยค่ะหรือรอไปฉีดวัคซีนหนูวันนั้นฟังพระอาจารย์ในซูมพระอาจารย์บอกฉีด อเดือนหน้ามันที่เจ็ดหนูได้ขี่วันเดียวกับพระอาจารย์เลยค่ะที่โรงพยาบาลบางละมุงบางละมุงเราที่น่าเกลือไม่ได้เราที่วัญญาณโรงพยาบาลวัญญาค่ะก็ก็คงจะเแอสตาเจเนก้าเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คงอย่างนั้นน้องคงอย่างนั้นนี่เจ็ดสิบบาแล้วเขาเขาก็เลยให้ขีดแอสตาค่ะค่ะหรือยังไงเดี๋ยววันพระหน้าหนูค่อยไปใส่บาทพระอาจารย์นะคะ ได้จ้ะโอเคอคุณริสต่ออะคุณริจากระยองใช่ไหมคุณริสไทเจ้าค่ะกับมาจากนอกชาติการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่ามันนี้มีอะไรไหมเออไม่แบบนี้ก็ไม่มีคําถามค่ะแต่รู้สึกว่าสมาธิมันเปลี่ยนไปตามงจะชอบอากาศเจ้าค่ะพาอาจารย์เหมือนแบบถ้ามันร้อนมันก็อากาศร้อนมันสง บ, บ มันขั้นยากอะค่ะพระอาวุย์ออากาศดีมันสมมงบง่ายได้ง่ายกว่าใช่ อ, อากาศก็มีส่วนเรียกว่าศัพทปลายะผู้ปฏิบัติตา่างทีต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะกับตนบางคนชอบอากาศร้อนก็ไปอยู่ที่อากาศร้อนบางคนชอบอากาศหนาวก็ไปอยู่ที่อากาศหนาวแล้วการภาวนามันก็จะมีผลทําให้สนับสนุนหรอต่อต้านการปฏิบัติของเราได้ มีมีอยู่สีห้าอย่างที่เรียกสัปพายะอาหารสัพพายะก็เหมือนกันก็ต้องกินอาหารที่ที่ถูกกับเราถ้ากินอาหารที่ไม่ถูกกับเรามันก็กินไม่อิ่มไม่พอมันก็อาจจะกลายเป็นนิวรันขึ้นมาได้กลายเป็นอุปสรรคบุคคลสัปพายะก็ถ้าไปอยู่กับกลุ่มของคนที่เขาไม่ปฏิบัติมั น, มนก็ะเขามันก็ชวนเราไปดูหนังฟังเพลงยี้น เราก็ต้องเลือกกลุ่มคนที่ชวนเราไปปฏิบัตินคนสั ป, ปะยะสถานที่สั ป, ปะยะเลยที่สงบหรือไม่สงบม่เวงหรืไม่เวงเนี่ยที่บ้านใช่ไหมกับที่ที่วัดที่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมมันต่างกันไหมสั ป, ปะยะ่านเป็นอากาศสั ป, ปะยะนี่อย่งสี่ห้าอย่างนี่เขาเรียกสั ป, ปะยะที่ผู้ปฏิบัติก็ต้องพิจารณา เพราะว่ามันมีส่วนมีผลกระทบต่อการปฏิบัติของเราเพราะเพราะว่าแบบเหมือนถ้าอากาศร้อนมากที่เป็นเหมือนฝืนเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่ลง เ, เลยนะถ้ามีแอร์ก็เปิดไปได้ไม่เป็นไรนะ เ, เปิดแอร์ก็ได้เราไม่ได้เปิดเพื่อความสบายทางทางกิเลสเราปฏิบัติเปิดเพื่อความสบายทางปฏิบัติทำก็เหมือนกัว่าเราเปลี่ยนอากาศได้ก็เปลี่ยนเหเปลี่ยนให้มันเป็นหน้าหนาวหน้า น่าสงสารแต่ถ้าเกิดแอร์พันเสียก็ต้องทําใจให้ได้นะครับ เ, เสียก็ต้องปฏิบัติได้เหมือกันปฏิบัติกับความร้อนก็ได้ไม่อย่าไปยึดติดกับแอรพอเกิดแอรเสียก็ปฏิบัติไม่ได้ก็ผิดเองไม่ถูกแต่ถ้าไม่เปิดได้ก็ยิ่งดีป้ายอยู่กับธรรมธรรมธรรมชาติร้อนก็ให้มันร้อนไปเหนื่อตายก็ให้มันแตกไป เดี๋ยวเราก็หาหน้าใหม่ได้กะค่ะก็ไม่มีคําถามก็ค่ะมีเท่านี้นะคะ่ะอันนไปที่ท่านต่อไปคุณพัฒน์อยากร้รองเพลงอันนี้อยู่บ้านเหรอไม่ต้วไปอยู่ที่วัดครับกตสมสการครับอยู่บ้านครับอบ้านครับปฏิบัติที่บ้านก็ได้ไหมครับปฏิบัติที่บ้านได้ครับอครับก็เอ่อ ทิตที่ผ่านมาปฏิบัติได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับในขณะที่อยู่ที่บ้านนะอยู่ที่ว้าครับอยู่ที่บ้านครับอก็ดีพยายามปฏิบัติให้เต็มน้อยเลยไม่เอาไม่เอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นอะมาปฏิบัติทําอย่างเดียวก็หักหักแบบคิดว่ามันมีวันหนึง่งน่าจะทานอาหารน้อยแล้วก็ทานเช้าไปเนี้ยครับ พอมาช่วงใบใบเย็นเย็นก็รู้สึกว่าท้องมันว่างหิวนี่อความอยากมันก็เลยเอากันใหญ่นะครับต้องต้องกินน้ําชาไปหลายแก้วเลยครับอไม่กินไม่เกินปฏิกูลบ้างไม่ถึงอา่าที่ไม่น่ากินบ้งไหมถอาหารอ๋ออ๋อให้นึกถึงอาหารที่ไม่น่ากินใช่ไหมครับอาหารที่อยู่ในปากอาหารที่อยู่ใน ท, าาท้องเวลาทายออกม า, าเชี่ยนออกมาครับโอ คมันจะไม่อิ่วเลยแต่ไปกินเป็นอาหารที่อยู่ในจานน้ำลายก็ไหลครับเดินออกไปมีอาหารอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกำลังเปลีนแปลงข้าให้มันกลายเป็นอาหารในปากอาหารในท้องครับอาหารในโถส่วมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปไหนมันก็ไปที่โถส่วมมันเนื้ออาหารอร่อยขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนมันจะไปที่ไหนครับ ดูดูดูดูทางเดินของอาหารนะครับ <c oughs> อยากจานมันก็เข้าป า, ากจะเข้าปากมันก็เข้าท้องจะเข้าท้องมันเอ่ามาทางกล่นนะครับ <c oughs> ถ้าเป็จะดังางนี้แนละ้วความอยากในอาหารมันจะหายไหมครับ <c oughs> มีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีครับอาจารย์ เออจะถามพระ อ, อาจารย์ว่างี้เราปฏิบัติเป็นดับเบิลแบบคูณสองไปเลยดีไหมครับแต่กลัวว่าพลังใจมันไม่เข้มแข็งพอนี่ครับก็ทำ<อ>ไปสิทําไปดูกลัวตั้งเป้าร่อนพลาดเป้าครับอยากจะตั้งเออมันแบบไม่สูงมากแบบเพิ่มสักสามสิบอะไรเงี้ยครับก็ยังได้เงี้ยครับก็ดูกําลังของเราแาล้วนะก็ลองเพิ่มไปทีละเล็กทน้อยเป็นขั้นเป็นขีดขีดไปก่อนก็ได้ครับมันตอนเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นยี่สิบสามสิบอะไรไป หรือว่าจะหักดิบเพิ่มบาทีร้อยอะไรก็ได้ถ้าคิดว่ามีกำลังพอคิดว่าตอนนี้คงยังไม่พอครับเดี๋ยวค่อยๆทีละสิบยี่สิบสามสิบไปก่อนครับก็ถือสินแปดเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมันจะบังคับให้เราต้องปฏิบัติต้องมีสติปัญญามากขึ้นสู้กับความหิวความอยากครับสินแปดก็ได้ได้บริบูรณ์ทั้งเจ็ดวันนะครับ มีวันหนึ่งที่มันรู้สึกน่าจะทานตอประมาณเจ็ดโมงแล้วเราก็กินน้อยด้วยเนี่ยครับมันก็เลยรู้สึกหิวเพราะว่าเราเคยเคยทานเยอะกว่านี้ที่ที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังแล้วก็ไม่มีอุบายที่ไปพิจารณาตอนนั้นด้วยเนื่องจากความอยากเนี่ย ม, มันมากเนี่ยครับโอเคไม่มีอะไรนะครับผมครับกับนมัสกครับคุณสุภาพรต่อเลยสุภาพร พูดได้เลยค่ะในมรส ก, การค่ะอะจะตอบถามว่าอารมณ์ต่างๆที่เวลาจิตเราไปกระทบเนี่ยค่ะเราเรียกเวทนาทางใจใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามันเป็นอะไรมันก็เรียกว่าอารมณ์อจะเรียกว่าเราเราไม่รู้นะจะเรียกว่าเวทนาทางใจก็เป็นแบบว่าไปตามความเข้าใจของเรา คือเวทนาที่มันเกิดจากใจเวทนามนมามันมีแหล่งเกิดอยู่สองแหล่งเวทนาที่เกิดทางกายเกิดทางจากทางกายเช่นเวลาร่างกายหิวข้าวปวดท้องนี่มันก็เป็นเวทนาทางกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาทางใจก็เวลาที่เราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นคนนั้นคนนี้ก็เลยว่าเวทนาทางใจ เป็นอารมณ์ต่า ง, างๆเช่นอย่างเช่นว่าเราหงุดหงิดเอย้ยหรือว่าเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนั้นกรทุกหงุดหิดกระทุกังวักรทุกค่ะก็คือจ ะ, อะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลองลองออ่าเรู้สึกว่าพอเวลาที่เรากําลังจะมีอ่าอารมณ์ต่างๆเนี้ยเราก็สามารถอเห็นแล้วก็พอเราเหน็นปุ๊บ เราก็ไม่ได้คิดต่อไปค่ะมันจะหยุดคิดได้อ่ะถ้าเป็นความตกใจถ้ามันเกิ ด, ากดอารมณ์มันเกิดจากความคิดพอเราหยุดความคิดอารมณ์ก็หายไปมันก็จะหยุดได้ก็เอ่อบางอย่างก็จะพอเห็นปุ๊บ ก, ก็จะหยุดแล้วก็ไม่คิดต่อบางบางครั้งก็จะหยุดหยุดช้าไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเกิดขึ้นยืดยาวเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้หยุดด้วยจติ ต่อไปมันก็กลับมาใหม่ได้พอเราเพรสสติเมันก็กลับไปคิดใหม่ไนะถ้าจะหยุดด้วยถาวออยังต้องหยุดด้วยปัญญาคิดให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นตายรักมันก็จะหยุดคิดแทงสิ่งนั้นทันทีค่ะอย่างเช่นว่าอพอดีเออยู่กับลูกๆอะค่ะลูกๆ ก, ก็จะจะจะวุ่นวายแล้วก็จะ เวลาเขาได้อะไรแผงๆก็จะรู้สึกว่าจะหงุดหงิด น, นะคะ่ะแต่ก็หรือหรือตั้งที่อยู่คือสังเกตได้ว่ า, เ, าเราก็จะพยายามคิดได้ว่าเออเนอะเราก็คือบอกไปแล้วแต่ว่าจะทําไม่ทําอันนี้คือมันก็ขึ้นอยู่กับวินาทีนั้นเนี่ยเขาเขาจะทําหรือเปล่าซึ่งเราไปบังคับไม่ได้พอคิดได้แบบนี้เนี่ ย, ยมันก็หยุดเลยเขาเป็นนักเขาเป็นนักตาต่อไปเราก็จะไม่ปปนนไ ป, ไไปยุ่อะไรกับเขามาก เบอกก็บอกไปมันส่วนใหญ่เขาจะทําตามไม่ก็ไปเรื่องของคําค่ะอะคืออย่างคืออย่างเคสแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ๆเราเราจะเห็นได้เราจะมองเห็นได้แต่ถ้าเกิดว่าอเป็นอย่างเช่นว่า อ, อ, อัน น, น, นี้อันนี้อันนี้หยุดหยุดได้ก่อนนะคะพอดีจะต่อเรื่องอีกเรื่องนึ่งนะคะคือสงสัยว่าอาการความสงบ ที่เกิดอยู่ภายในตลอดเวลาเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นถือว่าเป็นเวทนาทางใจด้วยหรือเปล่าค่ะความสงบเหลอที่มันอยู่ในใจตลอดคือมันจะได้ยินเป็นเสียงสงบสงบในใจตลอดะค่ะก็เราเรียกว่าเป็นอารมณ์ในใจแล้วกัจะเป็นต้องเป็นทสนใจกับเวทนาแล้วตรงนี้เราต้องพิจารณาด้วยหรือเปล่าคะหรือไม่ต้องถ้ามันไม่ถูกถ้า<ท>มันไม่ทุกก็ไม่ต้องพิจารณาพิจารณาตัวที่มันเป็นตัญหากับใจ ตัวที่ใจเราวุ่นวายด้วยแล้วก็ต้องพิจารณาให้ใจไม่วุ่นวายหน้าที่ของเราไม่ได้อยู่ที่การรักษาอารมณ์หน้าที่ของเราอยู่ที่การรักษาใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเอเราก็มองไอ้ความสง บ, บสง บ, บที่มันอยู่ภายในใจก็คือก็คือมองเฉยๆใช่ไหมคะ ไ, ไม่ทําอะไรกับมันคือเราก็าจะเห็นว่าอารมณ์ต่างๆมันเกิดจากความไม่สง บ, บของใจ่ พอใจเราไม่คิดมันก็อารมณ์กับมันก็ไม่มีพอไปคิดอารมณ์มันก็ไหลขึ้นมาพอใจไหมค่ะค่ะโ <Okay. S 2> อเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเวลาที่เราต้องนั่งภาวนานานๆเ น, น, นี่ยเออมันต้องทําบ่อยไหยคะ่ะอ้าวยิ่งงานเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนกินข้าวยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเนี่ยยิได้อิ่ม แล้วมันต้องทําบ่อยแค่ไหนเองนะคะคือเพราะว่าการนั่งนานๆเนี่ยมันก็จะปวดปวดมันมันจะมันจะฝืนร่างกายไปหรือเปล่าค่ะอ๋อคือการนั่งนานๆมันมีสองเป้าหมายนะเป้าหมายแรกก็คือให้จิตมันสงบเวลามันสงบแล้วไม่ปวดหรอกถ้าจิตมันเข้าไปในสมาธิแล้วร่างกายมันจะไม่มันจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายอแล้ว อย่างที่สองที่ต้องการคือนั่งนานๆเพื่อถ้ามันไม่สงบก็ให้มันมีสติปัญญารับกับอาการเจ็บปวดของร่างกายได้โดยไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนนั้นเวลาที่เรายังฝึกอยู่บางทีเราก็ต้องนั่งนานๆถึงแม้มันจะเจ็บจะปวดก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางความเจ็บปวด น, นั้นให้ได้แล้วใจจะได้ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บปวดของร่างกายต่อไปก็จะไม่กลัวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย มันก็จะรู้จักวิธีอยู่กับความเจ็บป่วยอยู่กับความเจ็บป่วยของร่างกายได้พอจิตต้องนั่ง น, งนานๆ ใ, ให้เวทนามันเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นไปอย่าไปรู้อย่าไปนีอยู่กับมันไปย่การมันจะดับไปเองค่ะเท่านี้ค่ะแต่ถ้าถ้าเราทำได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องนั่งก็ได้ถ้าเราสามารถสอนใจให้ รับกับเวทนาทุกเวทนาได้นะก็ถ้าผ่านไปแล้วก็จะนั่งนั่งเดี๋ยวเดียวก็ได้ไม่นั่งเลยก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่เรารุ่นรุ่อยู่ในใจเราว่าต่อไปนี้เราไม่กลัวความเจ็บปวดของรนะ่างกายแล้วจะเจ็บปวดขนาดไหนเราก็อยู่กับมันได้ค่ ะ, อะอโอเคไม่มีคําถามอล้ค่ะแับนั้นค่ะไปที่คุณพระพรุดาต่อพระรุดา สถติคนเลยทางราการค่ะมายังไงก็วันนี้ขอรัฟังเหมือนเดิมค่ะโอเคแล้วยังถือศีลทุกวันพรดอยู่ใช่วันนี้ก็ถือศีลแปดนะวันน่าจะได้วันศุกร์อะค่ะอ๋อวันศุกร์วันนี้ได้วันศุกร์ค่ะก็ก็ยังสงบดีอยูค่ะยังปฏิบัติอยู่ทุกวันเน่ ทุกวันค่ะทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะมีเพิ่มที่ที่ตอนเที่สิบแปดค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีมีแบบบางบางเวลามันจะเหมือนมีดึงมีสติดึงมันไม่ให้คิดอย่างอื่นก็ดีค่ะก<ต>็เลยเริ่มเริ่มทํางานโดยไม่ที่ไม่ทำไปบังคับมันบางทีไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นก็มาอยู่กับที่เดิมเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า สงบดีค่ะให้มั น, ด, บบ น, นดิ่งเฉยๆสักต่ว่ารู้นะค่ะพระอาจารย์เดอโอเคขอบคุณค่ะคุณสอนดวงในนี้เป็นบอกสรแล้วนะตอนนี้อ่อนอ่านได้นะอดอไอสอนดวงพรมันอะไรสอนดวงได้ยินไหมสนดวงพรเด็ดพรเด็ดสอนดวงชนจากสวรรค์นเนขนอ่านพระอาจารย์ เป็นไรบ้างทางมาเมลารตอนนี้ระบาดกันเยอะไหมเออก็เยอะอยู่นะคะอาจารย์นีมีอะไรไหมเออเออการทานข้าวมื้อเดียวอะ่ะช่วยอะไรบ้างครับอ า, าจารย์หรือว่าก็ช่วยลดความอยากนีครับกิเลสความอยากในอาหารส่วนใหญ่เราจะกินมากเกินกว่าความต้องการของร่าง ก, กาย แล้วมันก็จะเป็นเหมือนติดยาเสพติดต้องกินเรื่อยๆมันจะเราบางครัง้งมันกินเมื่อเดียวได้มันก็จะตัดความอยากในอาหารได้ไปเยอะกินเท่าที่ต้องเท่าที่ร่างกายต้องการซึ่งมันละเมื่อก็พอเพียงประโยชน์ <จะ S 1> ได้เยอะได้หุ่นได้หุนร่างกายก็จะเป็นมีหุน่นเป็นเหมือนขวดไม่ได้เป็นเหมือนตรงคร่ะพระอาจารย์ แล้วก็วกไม่ง่วงนอนเวลาภาวนานั่งสมาธิเดินจยกมมันก็จะไม่หลับไม่ง่วงไม่ขี้เกียจอันนีน้ถ้าเราผู้ปฏิบัติต้องการตัวนี้ตัวที่ทำให้ไม่ง่วงเขาง่วงเหา ง, งเหาเอานอนนีเวลานั่งปั๊ปั้มปาัมเดียวสักประบอกนะหลักนะเข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วก็ สินแแต้องถือแบบให้ครบจริงๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ครบมันก็ไม่ครบแบบอันก็ต้องถือถือแบบว่าต้องไม่แตะต้องแบบพอไม่ถึงแบบอ๋อบางอย่างที่เขาเขาถือถือกันบางทีไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้เช่นเรื่องเรื่องแตะเนื้อต้องตัวกันบางทีกับเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรเงี้ยก็เหมือนไม่ไมนไม่มีปัญหาอะไร ที่เขไม่ต้องการให้แตกเนี่ยต้องตรวจกันก่อนเดี๋ยวจะเกิดกามมาลงขึ้นม า, า, าก็เลยป้องกันไว้ก่อนครับแล้วพวกโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ต้องปิดให้หมดเลยต้องการนอกจากถ้าเรายังทําธุรกิจมีมีความจำเป็นจะต้องใช้มันอยู่ก็ต้องใช้ไปแต่ไม่ได้ใช้เพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลิน มันที่อยู่ให้เฉยเปิดมันดูหน่อยสิวันนั้นกาลังว่าอะไรกันคนที่ด่าใครคนนั้นว่าไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องเรื่องไร้าสาระก็คื อ, อตัดตัดออกหมดเลยใช่ไหมเอาเวลามานั่งสมาธิในโยมกลมดีกว่าครับงั้นจะไม่มีเวลาปฏิบัติเไงแต่ต้องการดึงเอาเวลามาปฏิบัติแทนที่จะ เ, เวลาไปใช้กับของเงี้ยที่ไม่จะเป็น แต่ถ้าเป็นของจำเป็นเช่นต้องทํางานต้องทงาํามาหากินนต้อ ง, งต้องทำอยู่ก็เอาไปใช้มันได้แต่อย่าไปใช้กับเรื่องบันเทิงเรื่องบ่หอรอศพอะไรต่างรัาาาอาจารย์เข้าใจนะขอข้าใจนะคะก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมสงบตัวเย็นเบาเหมือนจะลอยเลยครับอาจารย์แบบ เย็นนะคะพระอาจารย์ดีทำใจเ ย, ย็นอย่าไปวุ่นวายกับอะไรไเห็นอะไรก็รสับรัข้ข่าพระอาจารย์ก็คือแบบว่าอ่าพูดๆไปแบบว่าสว่างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถูกใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกถ้าจุดเน้นจุดสงบ ส, สว่างก็ได้ไม่สวา่สวางก็ได้ไม่เป็นไรสว่างแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปอขอให้มันนิ่งไม่ไม่คิดปลูกแต่งกับเรื่องอะไรต่างๆ แต่แต่แต่ได้ยินเสียงรอบๆอย่างเงี้ยได้ได้ได้ยินเสียงแต่ไม่นำการไม่วนวียนไปจำงันก็นั่งไปเรื่อยๆก็มีเท่านี้ค่ะอาจารย์เกดสทุ่คุณชนิสาต่อเลยใช่ไหมชนิาหรืแบบคุณสุขีสาสุขีลาคุณสุขีลา กาบนมัสการตาพายจา์อยู่ที่ไหนรู้สึกจะเข้ามาครั้งแรกจาก้าครั้งแรกอยู่ที่กรุงเทพค่ะคกรุงเทพมีอะไรไหมมีอะไรจะถามไหมก็มาฟังธรรมส่วนมากก็ฟังทางไหนเพศุ๊ของพายจาย์อยู่แล้วค่ะ <c oughs> แต่ทีนี้ก็แฟนเป็นชาวต่างชาติกั่นะคะหนูไหวพาะสวดมนต์เลื่อย ประจำทุกวันแต่ทีนี้เขาเดินไม่ได้หนูก็เลยตั้งอธิษฐานว่าถ้าเขาดีขึ้นมาหนูก็จะขอถือศีลแปดแล้วหนูต้องทำอย่างไงมั่งคะแต่เขาก็ดีขึ้นแฟนเขาเดินได้ได้ปกติแล้วตอนนี้แต่หนูได้ลั่นวาจาที่ิฮงพัที่บ้านบอกว่า เราไปยืมเ ง, งนินเขาแล้วเราก็ต้องเอาเงินไปใช้กขาเลขอยืมมันเข<ต>้ามาแล้วว่าจะปเป็นก <ทำ S 2> <อ>็จะขอคแนาแนะน า, าจากผู้อาจารย์พ่อหนูไม่เคยไปปฏิบัติที่ไหนแต่ส่วนมากก็จะฟังธรรมะแล้วก็จะปฏิบัติอยู่ในบ้านก็ปฏิบัติที่บ้านก็ได้ถือศีลแปดที่บ้านก็ได้แล้วแล้วหนูต้องเตรียมตัวยังไงมั่งคะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเตรียมใจอย่างเดียวจ้ะ เย็นใจบอกว่าวันนี้จะรักษาศีลแปดในวันพระไม่กินข้าวเยน็นไม่ดูหนังฟังเพลงไม่นอนกับแฟนนอ น, น ก, กับเรก็ลองลองมาศีลแปดที่แล้วที่ฟังพระอาจารย์อยู่แล้วก็มามาวันนี้ออกจากยิ่งพระแล้วก็มานั่งรอรอรอคำอธิบายจากพระอาจารย์ค่ะเ <Okay. S 2> ข้าใจยังละ่ะเข้าใจค่ะ อ่าหรือศีลแปดล้วก็ตั้งอธิษฐานตั้งจิตและถือว่าวันนี้เป็นวันพระวันนี้จะขอถือศีลแปดตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานั้นหนึ่งวันกับหนึ่งคืนจ้ะแต่ว่าแล้วเข้าเวลานี้ไปลุ่งขึ้นเลยเหรอคะเริ่มต้นลวันจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนสว่างจ้ะแล้วก็จน ก, กว่าจะไปถึงวันใหม่พรุ่งนี้ถึงจะครบหนึ่งวันกับหนึ่งคืนจ้ะ <c oughs> แต่เข้าวอาหารก็รู้สึกว่าทําได้อสินที่แล้วนะคะศินแปดที่แล้วก็ไม่หิวเพราะว่าไม่ไม่มเพราะหนูพึ่งพึ่งทามันก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราถ้าตั้งใจยจะทำอะไรมันก็ ง, ง่ายถ้ามีตั้งใจมัน ก, ก็ยากขอบพระคนนุณมากค่ะเข้าใจแล้วนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะขอบพระ ค, คุณม า, คา ก, กค่ะสาธุค่ะ ไปที่อาจารย์สายทิพต่อาาอาจารย์อันี้อยู่คอนแก่นไม่อยู่สารคามถามนวัตการคะอาจารย์ต้องขามวันนี้อยู่สารคามค่ะกลั ม, มาสอนต้อเหรอวันนี้มาอยู่เวร้านยาค่ะก็เลยต้องมาตสารค่ะเป็นนานยาเลยออนไลน์ต่อถึงสิ้นเดือนเลยค่ะเภสัชกรของของคณะเภสัชค่ะอาจารย์ทุเรียนกันมาอยู่เวนปรีค่ะช่วยกันค่ะ วันนี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะได้ฉีดยาหรือย้ฉีดยาแล้วค่ะนุชฉีดแล้วเข็มเข็มแรกค่ะเป็นะเป็นเภสัชเขาฟาร์ให้ฉีดก่อนนะจริงๆเขาให้สิทธิ์ของคนที่พานิสิไปลาวบอดค่ะเราต้องพาเด็กเพสัชขึ้นไปดูคนไข้ด้วยเขาก็เลยให้สิทธิ์ก่อนบุ่มอาจารย์คลินิกค่ะของเภสัชคลินิก แล้วเข็มที่สองนี้รออีกกี่วันเดือนหน้าค่ะวันที่9มิถุนาค่ะใช่ค่ะชินแวทค่ะตอนนี้ก็คือบอกทุกคนว่าฉีดไปก่อนมีอะไรฉีดไปก่อนไม่รอค่ะไม่อยากรอค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันใกล้ตัวค่ะผลเป็นเยอะเลยแล้วมันช่วยระงับการระบาดด้วยค่ะ แต่วต่อไปเราจะได้อาจะได้อยู่กันเป็นปกติเสียทีค่ะตอนนี้ตอนนี้เงียบไปหมดเลยค่ะโอเคเด็ก็ไม่มีอะไรวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะมีก็รักษากายวาจาใจมีสติไม่ไม่ไปมีเขาเรียกอะไรไม่ค่อยก็รู้สึกใจสงบดีค่ะพระอาจารย์ไม่เคยไปยุ่งใครไม่เคยไปยุ่งอะไรกับใครมากมีมีคนแซวว่าเรา เป็นมนุษ <attractive> ย <him>, ์ถ้ำอาว่าเราเมื่อไหร่จะออกจากถ้ำแต่จริงก็ไปอยู่บ้านเฉยๆค่ะเราไม่ค่อยไม่ค่อยออกไปทําอะไรมากนะก็เลยโดนพระอาจารย์แซวว่าเป็นมนุษย์ถ้มค่ะก็ไม่เสียหายอะไรแล้วไม่ไปถ้าสนุกที่เราก็หัวรอดิเราก็หัวรอด้วยว่าเราก็เป็นอย่างนี้แหละเราไม่ชอบออกไปไหนแต่ว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยดินดีค่ะเพราะว่าออกมาแล้วมันวุ่นวายค่ะพระอาจารย์ถูกต้องโลกมันยุ่ง ออกมาแล้วเหนื่อยข้างในสงบข้างหน้าวุ่นวายค่ะออกมาแล้วเหนื่อยไม่ออกดีกว่าแต่ว่าถ้าต้อให้ออกก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอราก็ต้องใจสติคอยคุมใจไว้ด้วยอย่าไปวุ่นวายกัไปกับเขาค่ะก็ไม่ไม่ไปคาดหวังอะไรตักใครก็เลยสบายใจค่ะหมายถึงว่าใครจะเป็นอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเร า, เาไม่ยุง่งแต่เขา เขาอยากจะได้อะไรจากเราให้ได้ก็ให้ค่ะแต่เราไม่ได้อยากได้อะไรจากใครตัวแระตัวสํากันความไม่อยากได้เลยสบายค่ะโอเคเสียงกาดการหายแล้วครอาจารย์ตอนนี้ก็สงบดีค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะโอเคนะงั้นเอาท่านนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปท่านต่อไป คุณอ้อมจากวอวินเชิญคุณอ้อมในรดการค่ะอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีคําถามค่ะมาฟังค่ะเหมือนเดิมไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังว่าการปฏิบัติไปทางไหนบ้างก็ก็ดูลมได้ดีขึ้นค่ะอเวลาเหมือนมีอะไรมากระทบอย่างเงี้ยเราก็ดูลมค่ะก็ก็ชอบดูลมค่ะตอนนี้ก็ดีใจให้ว่างให้นิ่งเมื่อใดมีอะไรกับไครนะ ใครเขาจะพูดอะไรก็จไปเขาพูดไปค่ะค่ะถ้าอาจารย์คะคือถ้าอยากทําบุญนีออ้ส่งข้อความในเฟซบุ๊กเพื่อถามเลขบัญชีได้ไหมคะพระอาจารย์เดี๋ยวเจตตาคุณคุณล้ากแล้วกันียคุณลาเขาจะเป็นคนในในซูมนี่เลยใช่ไหมคะออในซูมนี่ก็ได้ย ค, คุณเดี๋ยวคุณล้าส่งข้อความไปให้ก็ได้ถาเวาเขาจะทําผ่านคุณคุณล้าแล้วก็จะโอนมาให้ทีค่ะ แชทเปิดแชทไปแล้ว น, นะฮะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะวันวันศุกร์ไปตากบาทค่ะพระ อ, อาจารย์โอเคสาธุะขอบคุณคุณไอโฟนหมอจุ๋มใช่ไหมคุณไอโฟนเชิญต้องเปิดไมโครโฟนก่อนนะยังไม่ได้เปิดไมคร เปิดราคาท่าอาจารย์ขากราบมัฑการค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างโยมก็โยมรู้สึกว่าโยมกลัวตายน้อยลงค่ะท่าอาจารย์มันมันไม่ได้เสแสร้งค่ะท่าอาจารย์เช่นโยมก็ตั้งใจเลยว่าโยมขออธิษฐานจิตว่าอยู่แค่หกสิปีค่ะท่าอาจารย์เพราะฉะนั้นโยมจะมีเวลาเหลือแค่เจ็ดปีแล้วแต่โยมคิดว่าระหว่างเจ็ปีเนี้ยถ้าโยมจะตายวันไหนเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะท่าอาจารย์แล้วโยมก็ลองดูใจค่ะ S <S <ม>แล้วก็ยมก็เกิดเหตุการณ์ที่เฉียดตายหลายครั้งพักหลังๆคะ่ะถ้าอาจารย์เช่นโยมขับรถแล้วก็เกิดหลับในบนทางด่วนอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์ขา <S 2> <S 2> <S แล้วมันก็หลับหายไปเลยคะ่ะจนกระทั่งเขามาเคาะกระจกเป็นต้นนะคะแล้ว ย, ยมก็ตกใจยมคิดว่าตัวเองอะ่ะขับรถไปเจอ เ, เกิดอุบัติเหตุะอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็หรือว่ามีหลายเหตุการณ์เช่นอย่างโ ย, ยมไปฉีดวัคซีนเข็มแรกคะ่คะท่านอาจารย์ข า, <S <S า, าแล้วก็ หลังจากฉีดมาสองวันโยมก็เริ่มลุกขึ้นแล้วก็เป็นลมล้มลงค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วมันก็เห็นใจที่แบบเต้นเร็วแล้วก็เห็นจมูกติ๊กอย่างเงี้ยค่ะแต่โยมก็ประคองพุทโธจนแบบมันไม่มันไม่เป็นลมค่ะท่านอาจารย์ค่ะมันก็ผ่านมาได้แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะวันละสองสามครั้งแล้วโยมก็ไม่ถามใครเพราะโยมก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอะไรจะเกิดก็เกิดจนกระทั่งบางวันเนี่ยมันมีแขนขากระตุกด้วยค่ะท่านอาจารย์ค่ะมันกระตุกแบบโยมก็เริ่ม หลืว่าเราแพ้วัคซีหรืออะไรเงี้ยค่ะยมก็เลยถามหมอแล้วก็แต่มันก็ไม่ได้กังวลมากนะคะท่านอาจารย์ก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็มันก็เหมือนท่านอาจารย์บอกนะค่ะก็บัญชีก็ออกใจเนี่ยมันส่งออกนอกในการช่วยคนนะคะทําของบริจาคช่วยตรงนู้นช่วยตรงนี้แล้วโยมก็มันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วค่ะท่านอาจารย์ถามแม้กระทั่งการทํากุศลนะคะที่มันจะต้องจิตมันจะต้องฟุ้งออกไปข้างนอกมันก็ยังหนักนะคะท่านอาจารย์ แล้วก็ยอมก็รู้สึกว่าก็ก็ไม่เป็นไรก็ทำตามหน้าที่เดี๋ยวจบแล้วก็คือจบแต่พองานยิ่งยิ่งทำยากพอยิ่งจบปุ๊บนะคะท่านอาจารย์มันอิ่มมันอิ่มแล้วมันก็จะกระโดดไปทำอย่างอื่นต่อแล้วจิตลึกๆก็จะสอนว่าเราไม่จำเป็นต้องช่วยใครมากค่ะจริงๆเราต้องช่วยตัวเองให้พ้นถูกค่ะานอาจารย์คือคือยอมจะรู้สึกว่าเวลาที่ยมทำอะไรออกไปอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับว่า นี่มันเรื่องโลกโลกจริงๆแล้วถ้าโยมอยากจบสังสารวัตรอะค่ะโยมต้องกลับมาทําเรื่องของใจโยมให้เยอะกว่านี้อย่างเงี้ยนะะท่าอาจารย์คือมันเหมือนกับมันมีเสียงลึกๆที่แบบมันเตือนตัวเองตลอดนะคะท่าอาจารย์คะ่ะ<ช>ว่ า, ามาดัแบบความทุกข์ต่างๆในใจของเราให้มันหมดไปค่ะแล้ว ก, แวก็แล้วก็จะคิดว่าเราไม่ใช่โพธิสัตว์บา ร, รมีเราไม่จำเป็นต้องทําขนาดนั้น mm hmm. หรือว่าบางทีอะต่อให้ความคิดปรุงอย่างเงี้ยโยมก็จะคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องขนสัตว์ออก mm hmm. เราจะต้องทําเรื่องของเราให้จบ สังสารวัฏเนี่ยมันยังยาวไกลมันก็จะเป็นเอ๊ะคำถามที่มันแปลกๆเนี้ยค่ะที่มันฝุดขึ้นมาในใจแล้วก็จะย้ําอย่างอย่างวันเนี้ยก็ก็รู้สึกว่ามันสงบขึ้นเลยท่านอาจารย์รู้สึกว่าแบบเอ่อแม้กระทั่งตอนเนี้ค่ะท่าอาจารย์พอหลังโควิดปุ๊บทุกคนก็จะต้องมีภาระงานเยอะแยะเราก็จะรู้สึกว่าเราอายุมากขึ้นแล้วสัญญาก็ไม่เที่ยงนะคะถ้าอาจารย์จําอะไรก็ไม่ค่อยได้บางทีใจก็จะคิดว่าเราจะต้องไปเรียนตรงนั้นเราจะต้องไปทําแบบนี้ให้มัน ให้มันแบบทันโลกให้มันเตรียมภาระงานสอนให้มันดีขึ้นจิตท่างหนมันก็จะบอกเลยว่าเหมือนท่านอาจารย์หมอบัณฑิตบอกไว้อะค่ะท่านอาจารย์หาโลกมันเรียนไม่มีทางจบนะคะท่านอาจารย์ถ้ายอมกลับไปเรียนต่ออะไรวันนี้ยอีกสองสามปีความรู้ที่ยมเข้าไปเรียนมันก็เก่าอีกแล้วยมก็ต้องกลับเข้าไปเรียนเรียนอะไรใหม่จริงๆยมต้องกลับมาเรียนไอ้เรื่องของใจโยอมให้มันจบอย่างนี้ค่ะแต่ยอมก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันก็เริ่มเหมือนกับ โยมก็เริ่ารล้วเราคิดจริงๆว่าจริงๆโยมควรจะต้องวางมือจริงๆหรือเปล่าว่าเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าบางทีคําว่าสู้แค่ตายค่ะท่านอาจารย์มันมใช่อย่างเงี้ยท่ า, านอาจารย์ขาจะลาออกจากงานเลิกทํางานยังทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่ได้ว่าสู้แค่ตายท่านอาจารย์จริงจมันต้องใจเด็ดว่ามันต้องหยุดลาออกภาวนาอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะน<า>นก็ก็รอรอใจที่มันเด็ดอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์หรือว่าบางทีเล่นกับหลานท่านอาจารย์ถามมีหลานแปดสองคนกําลังน่ารักอะค่ะ จิตข้างในมันบอกเลยค่ะท่านอาจารย์ว่ามันกำลังจะเป็นอย่างยืดเลยวนะเราควรจะไปบวช ด, ดีกว่าอย่างนี้คะอาจารย์มันมันเหลือใจที่เด็ดที่จะหันหลังกลับจริง ๆ, ๆเท่านัค่ะท่านอาจารย์อย่าไปรออย่าไปรอใจเด็ดมันไม่ ม, ม า, า <c oughs> เราต้องเราต้องบังคับมันว่าถึงเวล า, า แ, ลวแล้วเหลือเวลาไม่กี่ปีแล้วค<า>่ะจะไปทําอะไรทำโลกทำไมทางโน้น<า>ทำเทำ่าไหร่ก็ไม่มีวันจบค่ะยอมก็โยอมก็รู้สึกอย่างนี้เพราะว่า จริงๆถามว่าตอนนี้มันจืดไหมมันมันจืดไปหลายอย่างนะคะถ้าอาจารย์เรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องหลานมันเหลือแต่ใจที่ที่อย่างเงี้ยชันอาจารมันยังไม่เด็ดพออาจารย์ค่ะมันมันเหลือนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะมันยังกลัวความความความว่างกลัวอยู่คนเดียวอยู่ยังกลัวความหนาวอยู่ค่ะมัอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันเหมือนกับว่า เรายังอยู่ตรงนี้เราเราก็ชอบเหล่าตัวเองว่าเราก็ยังภาวนาได้แต่จริงโยมมีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนท่าอาจารย์บอกถ้าเราจะหันหลังให้จริงๆอ่ะมันต้องมันต้องตัดให้ได อ, อยู่นคนเดียวต้องอยู่คนเดียวค่ะค่ ะ, ะก็ะก็เหลือเหลือเหลือทําให้มันมากขึ้นค่ะพยายามทําให้มากขึ้นเพื่อมันจะได้มีกําลังที่จะจะได้ไปอยู่คนเดียวได้ค่ะนค่ะ ก็ฟังดูก็หมอก็พัฒนามาเยอะแยะแล้วริไม่กลัวตายแล้วก็ดีขึ้นเยอะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายนี่ก็ก็ไปได้ไกลค่ะแล้วก็แบบก็ไม่ได้ห่วงอะไรกับลูกแล้วอ่ะถ้าอาจารย์ก็ก็บอกเขาทุกวันก็ลาทุกวันบว่าไม่ไม่ต้องกังวลก็คือเราจะลากันทุกวันว่าแบบโยกตัวมันค่ะบอกว่าตัวใครตัวมันถ้าอาจารย์ค่ะ เขาไปจากวันแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้นะวันนี้ค่ะค่ะเพรา ก, ก็บอกเขาบอกว่าไม่ไม่อืมเขาก็บอกเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่จบก็สั่งสารวัตรนี้ก็คงต้องกลับมาเจอกันถ้ามีเหตุปัจจัยก็พยายามพยายามแบบมันก็มันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าใจมันจืดมากคะ่ะท่านอาจารย์ค่ะมันมแล้วก็ใจมันเหมือนกับ เหมือนเหมือนมองคนเสมอกันมากขึ้นคะ่ะอาจารย์ค่ะเวลาจะช่วยใครไม่ได้ช่วยเพราะว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานเราเรารู้สึกว่าเมตตามันเ<ต>สมอกันมโลกเพื่อนเก่าแก่เจ็บได้ด้วยกันค่ะค่ะใครทุกขยากเดินล่างก็พอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปค่ ะ, คะแต่ว่ามันก็ดีนะคะถ้าอาจารย์พอมันมีเรื่องโควิดมามันก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ที่เราคิดว่าใจมันนิ่งอ่ะจริงๆมันไม่ได้นิ่งนะอาจารย์มันยังมีอะไรที่ตะ ก, กรอนที่ฟุ้งขึ้นมาเวลาที่เราต้องเข้าไปช่วยใครแล้วมันไม่ได้ดังใจหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีตัวเตือนมาเลยว่าสแสดงว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในนั้นนะคะถ้าอาจารย์มันถึงไม่นิ่งคดินพ <ๆ S 2> ุสน<ห>มันก็หนักค่ะเรดินสมไทยความอยากค่ะก็ะะะต้องปล่อยวางพิจารณาเป็นอนัสตาไปพิจารณาเป็นอนิจจ์ไป ค่ะค่ะดาวค่ะเวลาก็ยุเวลาก็ไปปรีดวิเว้นะมีโอกาสจริงจริงตั้งใจว่าจะไปปรีกวิเว้ช่วงสงการแต่พอดีมันติดเรื่องข้อกําหนดของข้าราชการนะอาจารย์ถ้าเกิดยอมออกไปมันจะผิดระเบียบจริงๆยอมกะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทบาพ้นข้อบังคับนี้ก็จะไปไปปรีดวิเล right. ่เว้คานอาจารย์ค่ะค่ะโอเคค่ะกับขอบพระคุณค่ะสาธุจ้ะค่ะ คุณฟางว่าอะไรต่อเลยคุณฟางว่าอะไรกับราชาการค่ะมีอไรมีอะไรไหมมีเจ้าค่ะยมจะถามเรื่องความฝันเจ้าค่ะลมเคยฟังพิพั์อาจารย์พูดถึงเรื่องของความฝันก็คือการไปถ้าฝันดีก็คือก็คือมีพูดถึงวนถ้าฝันไม่ดีก็คือในเรื่องของการทําบาอาอันนี้หมายความว่า การที่เราฝันในแต่ละคืนเนะะียค่ะมันคือการชดใช้บาปชดใช้กรรมผลหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นแค่พระจอภาพที่พระอาจารย์เคยเป็นงตัวอย่างให้เราดูว่าเนี่ยมันเป็นผลบุญผลบาป ท, ที่เราจะไปเสวยตอนที่เราตายมันจะเป็นแบบนี้พอเวลาเราตายก็เหมือนเรานอนหลับใช่ไหมนอนหลับแล้วมันเรานังกายก็เหมือนนั่งกายตายพแต่ว่ามันตายชั่วคราวมันตายไม่กี่ชั่วโมง อะไรเหมือนดูหนังตัวอย่างอต่างหนังจีนยังหนังจีนหนังจีนมันยาววันนี้เป็นสิบสิบปีเป็นร้อยปีก็ได้ทีนี้คุณยายของโยมเขาก็เข า, เขาด้วยความที่ผู้ใหญ่ก็น่าจะสอนเด็กๆมาว่าถ้าตกนรกนะต้องไปตกกระทะทองแดงหรืออะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องเรื่องเรื่องด้จริงหรือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึง้นนะคะก็มันจะ เปรียบเทียบถึงความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นกับใจเราเหมืนก็นตบกระทะทงองแดงทุกทุกร้อนและทุกนอนใจค่ะเนี่ยเราจะฟันร้ายแล้วทําให้ใจเราร้อนขึ้นมาไปมีเรื่องเวลาของคนนั้นจะฆ่าจะฟันกันอะไรแต่โยมไม่เคยอะ่ะโยมโยมปัดว่าโยมโยมไปฟังธรรมโยมไปไหว้พระก็แสดง ว, ว่ามีบุญเยอะไม่ไปมีแต่ผลบุญส่ง ทำให้เราฝันดีแต่ยมว่าถ้าโยมฝันร้ายคือยมต้องมานั่งทํางานเหมือนทํางานกลางวันก็น ก, น ก, น ก, ก็ทําหนักอยู่แล้วพอกลางคืนมาฝันเรื่องงานต่อมันก็เลยเป็นไกลกลายเป็นเหมือนฝันร้ายถึงโยมอืมค่ะโอเคค่ะก็ะวันนี้ยมยมถือศีลแปดนะคะก็ตั้ง<ม>ใจไว้ว่าทุกวันครับถือศีลแปดเจ้าค่ะเดย์โอเคนะค่ะสาธุจาค่ะคุณศุภธ า, ารักษ์วินเชิญ เป็นยังไงบ้างา ก, การวัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงเออก็ของโยมก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นแล้วก็พยายามมีสติให้มากๆเจ้าค่ะกดี่อน ว, วันนี้วันนี้ได้ได้ฟังคำพระอาจารย์มีพี่พระอาจารย์มีเทศอยู่อันนึงบอกว่า ในการที่เราจะหยุดอยากเนี่ยบางอย่างในการเลือกเนี่ยมันต้องพิถีพิถันซึ่งซึ่งปกติเนี่ยเวลาเหยุดยาอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเลือกเนี่ยโยมก็จะเลือกว่าเอ้เราเร า, เราเลือกเราทําเพราะความอยากหรือเปล่าก็พิจารณาเหมือนกันพอดีพระอาจารย์มาพูดถึงเรื่องว่าความพิถีพิถันอันนี้หมายถึงว่าทําทําโดยอยากหรือว่าทําโดย มันมีความจําเป็นอันนี้ยคือคําพิธีพิหันของพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าคะก็การพิจารณาไหมว่าเราทํานี้ถ้ามันจําเป็นเราก็ต้องทํานี้ก็ไม่ใช่เป็นความอยากแต่ถ้าไม่จําเป็นจะต้องทําก็เราทําแล้วก็เป็นความอยากค่ะก็บางบางทีอง่อย่างช่วงเนี้ยที่บอกที่บอกว่าเออซื้อเสื้อผ้าเนี่ยก็จะซื้อเฉพาะที่เป็นชุดขาว อย่างชุดที่ใส่ประจําอยู่ที่บ้านเราก็จะใส่ของที่เรามีอยู่ก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มอันนี้ไม่ได้เป็นการการเพราะว่าซื้อเพราะความอยากใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คือถ้าของเก่ายัางใช้ได้อยู่ยังพอใช้ก็ไม่ไปซื้อของใหม่ค่ะถ้าไปซื้อของใหม่แสดงว่าอยากได้ของใหม่อมแต่ถ้ามันมีเมบรยบังคับว่าจะต้องไปอยู่วัดเขาให้บังคับให้ใส่ชุดเขา เราไม่มีชุดขาวเราก็ต้องไปซื้อชุดขาวมาใส่อย่างนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นความอยากมันเป็นคําเหตุการบังคับให้เราซื้อค่ะก็คือตอนนี้อย่างเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้แทบไม่ได้ซื้อเลยก็ถ้ามีซื้อใหม่ก็จะเป็นที่เขาเอาไปใช้ในวัดได้อะไรอย่างเงี้ยอ่หรือถ้าเราเปลี่ยนที่ทํางานแล้ว เ, เขาบังคับให้ใส่เครื่องแบบนี้เราก็ต้องซื้อเครื่องแบบมาใส่ ก็ค่ะก็พยายามพิจารณาตา ม, ตามที่อาจารย์พเศษก็คอย่างกินอาหารอย่างอื่น ก, กน็กินอาหารระหว่างมือ้อก็ถือว่าเป็นความอยากแต่ท่านถึงเวลากินแล้วกินตามตามเวลามันก็ไม่ได้เป็นความอยากค่ะเช่นเราถ้าเรากินเนื้อเดียวนี่เราก็กินถึงเวลากินก็กินว่หลังจากนั้นถ้าอยากกินก็เป็นความอยากนั่นแหะ จนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้จะกลกับมาทิ้นได้ครั้หนึ่งจ้ค่คะจ้ค่ะปอพยายามปฏิบัติอยู่จ้ะค่ะมากราวพระอาจารย์ด้วยจ้าค่ะสาธุสเจ้าคุณทวีศักดิสวิสเซอร์แลนด์แจนอันนี้วันพระอีกแล้วค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ อืมวันพระค่ะพระอาจารย์ตรงกับวันพระกินด้วยค่ะตรงกับวันพระดับเบิ้ลเลยค่ะแต่ไม่ได้อดครับพระอาจารย์ก็คือยังทานนิดเดียวค่ะพระอาจารย์จริงๆค่ะทานนิอเดียวเออยากเล่าถวบฉวพระอาจารย์ค่ะว่าสอบตกอีกแล้วสอบตกอาทิตย์ที่แล้วฉีดวัคซีนพระอาจารย์แล้วมีผลข้างเคียงพอเจอเหตุการณ์จริงเข้า กลัวตายค่ะพระอาจารย์ที่พิจนาเอามาใช้ไม่ได้เลยไม่ทันนะที่เหลนมันเร็วกว่คนะถ้าหากแสดงว่าเราไม่ได้มันพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าความตายเป็นธรรมดาเราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้มันคิดอยู่ไม่เรื่อยตอนตอนคิดก็เหมือนว่าตัวเองคือคิดว่าเออเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเรื่องธรรมดาแต่พอแบบ เจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่แบบมันมันจะตายจริงๆมันแบบ<ม>ว่ามันกลัวตายขึ้นมาเลยพระอาจารย์นนะ่หละมันก็ดีอะมันจะได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอ๋อเรายัางยั ง, งรู้ไม่จริงรู้ได้ ร, ร, ร, รู้แต่ไม่ปล่อยรู้แต่ไม่ยอมปล่อยใช่เค่ะต้องสงต้องปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็พิจารณาให้มากขึ้นแล้วเพราะว่าจดทั้งอาทิตย์เลยพระอาจารย์เอ่อคือเหตุการณ์มันผลข้างเคียงมันก็เยอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่า เอาตบซ้ําแล้วซ้ําเล่าก็เลยรู้เลยว่าตัวเองอีกไกลห่างไกลมากจะต้องมันจะเป็นเพราะสมาธิเราไม่พอก็ได้โมเบกคามันน้อยไปพยายามฝึกสมาธิให้มากๆค่ะให้จิตมันเข้าไปในฌานให้ได้แล้วต่อไปเวลามันมันจะเป็นอะไรมันจะเฉยได้ค่ะป้าจ๊<น>ะค่ะปัญญาเรามีแล้วแต่สมาธิโม เ, เบคามันไม่ค่อยมี ใจไม่หพอมีอะไรมากระทบหน่อยก็ปวดขึ้นมาทันทีค่ะก็ะเลยแบบก็เลยบอกว่าใจเราเจอแบบเจอของจริงให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้เล ย, เยก็เลยแบบยกใหญ่เล ย, เยก็เลยว่าเออแต่แต่หลังจากหายแล้วก็เ อ, อ้อมาคิดใหม่ว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้นะแต่พอมันเกิดขึ้นอีกมันก็ยังกลัวอีกเหมือนเดิมอะค่ะพระจันทร์ก็ยังแบบว่า เหตุการณ์ขึ้นีกก็เลยเหมือนเหมือนคิดว่าเออเราต้องปฏิบัติให้เหมือนที่พระอาจารย์พูดนะคะว่าจะต้องทำโอเบคค่ะพยายามทําอเบคค่ะมากๆแล้วต่อไปมันจะเฉยค่ะก็เลยทราบว่าว่าตัวเองจะต้องเพิ่มตรงนี้มากขึ้นการปฏิบัติไปแล้วมันก็จะรู้เองว่าขาดอะไรเกินอะไรนะค่ะพระอาจารย์ค่ะพอมันจะรู้ว่าถ้ามันยังทุกข์อยู่วแสดงว่ามันต้องมันยังธรรมะของเรายังไม่พอ ค่าพระอาจารย์ใช่ค่ะก็เลยก็เลยรู้ตัวว่าอืมมันต้องตรงนี้นะอะไรอย่างงี้นะค่ะก็จะพยายามเพิ่มมากขึ้นคือเพิ่มให้มากขึ้นกว่าเดิมรู้ว่าห ย, ย่ะนหยบที่ผ่านมาเรายังไม่ได้อะไรเลยนะ่นเนี่ยก็เลยว่าโอเคเพิ่มมากขึ <laughs> ้นกับพระอาจารย์ก็พยายามทํำใหม่เดี๋ยวทําต่อไปนะน้องพยายามพิสูจน์ดูทั้งต่อไปถ้าจะมีอะไรเกิด ไปเจอไปเจอโรคอะไรเข้าจะว่าอย่างไรครับอาจารย์วันนี้ก็ไป MRI ครับอาจารย์ตรวจที่เขา่ะไม่ไม่ค่ะคือที่ที่ผลของข้างเคียงของวัคซีนเนี่ยค่ะพระอาจาย์ก็เลยเมื่อวันที่แล้วอะไรนะคบพระอาจารย์มีผลกระทบอะไรรึเปล่าแบาว่าร่างกายคือ เขายังวินิจฉัยไม่ได้ไม่ได้อะค่ะพอาจารย์ก็คือตรวจมาตั้งแต่ที่แล้วหลังจากฉีดสองวันก็มีผลมาก็เขาก็เขาก็ไล่เช็คหมดเลยครับทุกอย่างผ่านมาวันนี้เขาก็เลยให้ไป MRI ที่ปอดอีกรอบหนึ่งใหญ่ค่ะพระอาจารย์ฉีดยีอะไรไฟเซอร์ไฟเอร์ค่ะพระอจารย์แล้วอาการเป็นยังไงที่อาการแท้เป็น ออของโยมจะเป็นแบบว่าอยู่อยู่ความดันตกค่ะพระอาจารย์แล้วก็หายใจเต้นแรงมากเหมือนจะแบบว่าขาดใจอะค่ะพระอาจารย์เป็นวันไม่เนิ่นเป็นนานไม่ไเนิ่นเป็นหลังหลังฉีดเ อ, อหลังฉีดมาสิบห้านาทีความดันตกแต่ยังไม่มีหายใจเต้นแรงหลังจากนั้นสองชั่วโมงครึ่งค่ะพระอาจารย์ก็จะความดันตกวูบแล้วก็เวียนแล้วก็หายใจเต้นแรงเหมือนหายใจไม่ออกเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นมาก็ เกิดวันแล้วประมาณหนึ่งครั้งสองครั้งแต่แบบมันจะแบบอยู่ๆเราไม่ได้ทําอะไรคือมันก็อยู่ๆมันก็ขึ้นมาเองเลยค่ะพระอาจารย์ออมันก็จะฟื้เราก็เลยแล้วก็เขาบอกถ้ามีอย่างนี้นิดๆแล้วเขาไปหาหมอ เ, เขาก็เลยเช็คใหญ่ให้เราตุกตุ๊ตุกตุกเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นนะคะพระอาจารย์ออก็เลยอันนี้ก็วันนี้ก็รอหม อ, อโทรมาอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็เลยอกว่าเออตอนฉีดตอนเป็นมันก็กลัวแต่พอตอนเนี้มัน เจ็บไข้ได้เปื่อยมันธรรมดาแต่เหมือนดูเบกขาสมาธิเรายังไม่พอยังไม่ตั้งมั่นไงคะพระอาจารย์ก็เลยว่าอืมแต่เรากต็ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่เละตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่คือตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะคะพระอาจารย์ตนนแต่วิแต่มันกังวลนิดนึงแต่ว่าคือมันมีกังวลตรงที่ว่าอย่างเงี้ยพระอาจารย์คือแบาเรายังไปไม่ถึงไหนเลยเราจะตายแล้วเหรออย่างเงี้ยว่ะอาจารย์มันหลอกเราใช่ไหมคะพระอาจารย์ แล้วเราบอกว่านี่ยเรากำลทำข้อสอบเปนกังวลอะไรดืดทำข้อสอบไม่ได้ตายเป็นตายไม่ใช่ตัว <Okay. S 1> รเราเองเราโอเคใช่ไหมตอนนี้กำลัะทำข้อสอบเนี่ยเป็นกังวลเกี่ยวกับอะไรไงพยายามทาให้มันได้โ <Okay. Okay. S 1> อเคค่ะพอาจารย์ค่ะเราทาใจให้สงบได้ต้องทำใจให้รับกรรมันได้ได้ค่ะพระจารอือ ก็พยายามทำก็เลยแบบโอเคขอให้ขอให้กลับมาเป็นปกติน่าอาจจะวันสองวันมันก็อาจจะมันก็อาจจะหดนทิ์้ค่ะเขาก็ว่าอย่างนั้นดูคิดว่าโอเคเรายังมีงานอีกเรายังยังมีงานอีกถ้าเกิดมันที่พระอาจารย์บอกเอาใหม่เอาวะกกำลังทำข้อสอบอยู่ไปก็ไปอย่าไปยึดมันอย่าไปห่วงมัน แต่เวลาไปก็ไปเลยเราไม่ได้ตายก็อย่างนีตัวนั่งการไม่ต้องโานเราค่ะค่ะโอเคนะค่ะ ข, ขอบคุณค่ะพระจางา ไ, ปไปมูลไปมูลครับเชิญแล้วก็สัการะหง่ออยู่ที่ไหนสามเณรครับอยู่พิษณุโลกครับ มีอะไรไหม้วอยากจะถามหลพ่อเรื่องตอนตอนนั่งสมาธิครับมันรู้สึกเหมือนเมื่อขาแล้วมันก็เหมือนกับมันพยายามฝืนแล้วมันก็จะปิดปิดที่แขนั่นนะครับตรงขาจะไปสนใจมันจะไปพลางมั่วขาดิพุทโธพุทโธช่างพุทโธพุทโธไปผมอยากอยากสนใจครับนั่งตอนั่งต่อนี่ไป พยายามพูดโทรไปอย่าไปสนใจมันจะด้วยเอนที่ทวัดนี้มีอยากไปหาที่สงบัสงบปฏิบัติที่วัดหน่อยก็ทถาบ้านมีกว่าแถวแาวนั้นมีหาวัดบววันป่าแถวที่บ้านใกล้ๆใกล้ๆมจะม่ใจปที่วัดวัดที่เขาปฏิบัติ ปัญญาไม่ค่ก็ดีเลยไม่ได้ยินเสียงมัขาดขาหายหายปัญญาเหนกนะครับก็ <Okay. S 2> อยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทําก็ดึกนะครับกว่าจะกว่าจะได้เข้าห้องพักก็มืดแล้วเขต้องรอเด็กๆกขาหลับกันแล้วก็ ม, มันก็จะมีห้องนอนแล้วครับก็เลยไม่ค่อยมีส<อ>มาธิตอนนี้ก็ทำที่บ้านก่อ น, น, นว่าที่บ้านเขาปิดกันหมดเขาไม่เปิดรับแสงข้างนอก แต่แต่ถ้าปกตินี่ก็ที่วัดมีให้ให้ไปแบบช่ไก็ไปได้แต่แต่บางที่เขาเขาก็อาจจะไม่รับทันทีเขาอาจจะต้องดูเราก่อนว่าเราไปอยู่ได้หรือเปล่าอ้าวโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมคอ้านะพลเชินะพลตอบอยู่เชแต่ไม่มาแล้ววันนี้ กนีแฟนเขาติดสายนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงตามเข้ามาครับ <ๆ S 2> ก็ในเรื่อง ก, การปฏิบัติก็ไม่มีมีปัญหาอะไรครับก็ทำได้ปกติครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มีคำถามอะไรมีจะกราบเรียนถามเรื่องแกนไปไปไปใส่บาทนะครับก็ท่านดูตามแผนที่เดิมในในใน a c e b o o กก็ยังเป็นเส้นทางเดิมใช่ไหมเดิมอยู่บ้านบ้านเธ อ, อมาืมานชุมชนบ้านเธอ ใช่น่สญญาสนใจแล้วก็เริ่มตั้งแต่กีโมโ น, นะครับอาจารย์วันนี้วันทันี้เราเริ่มประมาณตีห้าสี่สิบห้าีห้าสี่สิบห้าแล้วก็เสร็จประมาณหกโงครึ่งหกมงึ่งหกมงสี่บห้าวันนี้มันก็เลยยะช้าหน่อยหมงสี่ห้าบชั่วโมงวันนี้แต่คนธรรมดาคนน้อยก็ยจะหกมงึก็เสร็จครับแต่สามารถรับรดตามมาได้ ถ้าเรามาลากผ้าเริ่มเดินแล้วเราขับรถมาดักข้างหน้า่าตามเส้นทางที่เราแสดงไว้พระอาจารย์พอดีเราสองคนฉีดวัคซีนคบสองเข็มแล้วจ้าก็เลยนัดกันว่าเสร็จวัคซีนแล้วเราไปเราไปใส่บาตกันดีกว่า่ทีนี้พอค่ะเป็นแพทย์หรือเป็นอะไรทันเชีดได้ก่อนนะหรือเป็น คือเผอิญว่าในพื้นที่นี่ก่อนหน้านี้เขามีมีระบาดด้วยล่ะครับเขาก็เลยมีมีให้มีฉีดด้วยครับได้ชอได้ฉีดอะไรเชโนแบคไหมเชโนแบคเชโนแบไม่มีอาการข้างเคียงอะไรโอเข็มแรกก็จะไม่มีอะไรนะครับเข็มสองก็อาจจะมีเมื่อยๆบ้างอะไรนะครับแต่โดยรวมก็ไม่มีอะไรครับเอฉีดแล้วนี่เขาจะให้เราไปตรวจแอนติบอดีแล้วถาจะได้รู้ว่ามีมี คือทางทางโรงพยาบาลแจ้งว่าให้เราไปเข้าแอปที่เป็นเป็นจากเดิมเนี่ยมันเป็นไลน์เป็นไลน์หมอพร้อมตอนนี้เขาให้เปลี่ยนเป็นแอปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแจ้งข่าวมาชานี้อีกทีนึ่งอ่ะเขาจะมีครับเขาจะเอาเรื่องไปตรวจดูเพ่ให้ได้ว่าเป็นมีอันที่ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งมานะครับทางเราเขาไม่ได้แจ้งหลังจากฉีดเข็ที่สองก็ไม่ได้นัไม่ได้นัดหมายเพราะตันจะดีเด่นนี่ ฉีดร้อยคนนี้อาจจะมีบางคนที่ไม่ไม่มีไม่มีคุณไม่เรียนตัวยืนะเนื่องับอ๋อค่ะครับครับอ่ามันอย่าเราลองถามหมอดูอีกทีหนึ่งจะลองไปถามที่ทางโรงพยาบาลถือว่าเขาไม่บังคับเขาไม่เรียกให้ต้องไปตรวจถือว่าถือว่าไม่ได้แจ้งเลยหรอไม่ฉีดเจ็ดเข็มสองก็ไม่ได้แจ้งม่นัดหมายอะไรเพิ่มเติมครับอ่าเขาคงเขาคงจะกันได้ว่า มาว่าว่าเพื่อให้นเลยครับไม่เก็ฉีดได้ก็ก็ก็ฉีดนะครับจะมีอะไรมันก็มีมันก็ต้องมีอ่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปประมาามันไม่ต้องไปคิดอะไรมากบางไหมประเด็ฉีดแล้วสบายใจนะจะยังไม่ประม่าใช่ไหมไปไหนมาไหนไปยังใส่หน้ากากก็ยังใส่ใช่ค่ะประเด็นก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะมีภูมิขึ้นมาแต่ว่าเราก็ยังเป็นพาหะได้เพราะฉนั้นก็ยังต้องระวังกับ ก็ยังต้องระวังอยู่ครับเพนแต่ใ้เช่อคนอยได้อรอ่ใช่ครับครับอ่าอย่างนั้นต้องควรเรียนถามอาจารย์หนึ่งนิดนึงครับคือคือหลังจากที่ที่เราเราใส่บาทอาจารย์ถ้าตามไปที่ที่วัดด้วยนี่อาจารย์ยังมีแสดงธรรมยุ่หรือเปล่าเจ้าคะช่ น, นี้ไม่ได้แสดงนายังยังไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยมีแต่เป็นบาทอย่างเดียวแล้วก็ Blessing, s <S แล้วก็ซูนเพะฉะนั้นถ้าอยากจะคืนธรรมะม็ต้องรอข้ามันซูงหรือว่าถ้าดูถ่ายทอดสบทุกวันตอนบ่ายสองโมงน่ะจะเอาของเก่ามามาถ่ายทดสดมาดูกันง่าครับพระอาจารย์ไปสะดวกที่จะกพูเรียนสองสักสองครับค่ะพอเพื่อนๆรู้ว่าจะไปใส่บาตรพระอาจารย์หลายคนอยากไปด้วยเจ้า่ะ ช่อมงินไปได้ต้องออกตั้แต่ี่สามออกทีสี่ก็พอไหวนะก็ที่สามแล้วี่สามพระพระอาจารย์ไม่ไม่ทราบว่าฉันทุกอย่างไม่ถึงว่าเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่างนะขอให้มันใช่โยมกินได้แล้วกินได้โอเคท่าก็ไม่ต้องกังวลโยมกินะไรด้ก็คำตาขนมโยมก็ อาจารย์เจ้าคะขอถามเรื่องหนึ่งได้ไหมเจ้าคะการที่เ อ, อเราใช้เส้นสายเนี่ยคะ่ออะอพอดีมีคนอยากจะให้ฝากไปเรื่องวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเ อ, อหนูรู้สึกว่าการใช้เส้นสายเนี่ยมันเป็นบาปแล้วก็เลยบอกเพื่อนว่าจะลองถามให้แต่ว่าถ้าใช้เส้นอ่ะมันบาปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ถ้าเขาถามกับ มาว่าบาปยังไงหรือว่าตอบไม่ถูกอะ่ะก็อยู่ที่ว่าการใช้เส้นสา ย, สายาเราไปทาให้คนหนึ่งเขาเดือดร้อนกเแบบถ้าเขาไม่เดือดร้อนนี่ก็เดือดร้อนจาการเชืสอซื่อ ส, สัตยนไม่เป็นกันถ้ายขาใช้เชื่อซื่อสัตย์เขาจะไัโยาบาลเขาก็ให้ภาพกรเือดร <laughs> แต่คนอื่นเ้เาก็ไม่เดือดา้อนคนหนึ่งก็ว่าอันนี้มันไม่ไนะ โอเคเจค่ะเจ้ค่ะอยางนั้ไม่มีเจ้าะาค่ะไม่มีเจ้าค่ะอย่าอย่าให้มันผิดกฎหมายอย่าให้มันผิดศีลละทางละทางเสนสจค่ะก็ไม่บาปแต่ถ้าจะใช้เส้นสายแล้วมันทําม่ไปทแบบนี้เย่าไปทาผิดกฎหมายนี่ก็ไม่ถูกนี่บาปเ้าค่ะแ กลับดาเจ้าค่ะสาธุคุณจาติแก้วเชิญแก้วอยู่ที่ไหนค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะจักพิสนโลกคุณกลับมาท่านแรกภาพนเลยถ้าพระอาจารย์ที่บนเขาชีโอนค่ะมีอะไรไ่มวันนี้ ก็หลังจากที่ฟังทำมานานแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะจะทดลองปฏิบัติรรมจริงๆอะค่ะช่วงนี้ก็พยายามฝึกนั่งสมาธิอยู่ะค่ะพระอาจารย์อยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์สําหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่ค่ะเริ่มพยายามฝึกสติให้บ่อยๆก่อนที่จะมานั่งแล้วแต่เรียนตาขึ้นมาถ้าท่องพุทโธพุทโธได้ก็ท่องพุทโธไ อยาก่อยให้ใจไปคิดเรื่องั้นเร่นี้หรือถ้าไม่พูดโทรก็ดูว่าเรากำลทำอะไรปลยเ้าดูการกระทำของร่างกายสามน้ำก็อยู่การอาบน้าน้ําหน้าแปรงปันก็อยู่กับการน้ําหน้าแปรงฟันนั่งประทานอาหารก็อยู่กับงานนังนั่งเาจะมีสติตอนนั่งก็ถ้านังแล้วดูลมได้ก็ดูลมแล้วจะพูดโทรไปก็ได้อย่าดอย่างนี่ ถ้ายังยังฟื้้าอยู่ก็สวดมูตไปกอนนะนั่งหลับตาสวมนไปก่อนจนกล้บบ า, ลลาใจจะจะไม่ฟื้นแล้วก็มาดูรวมต่อได้ก็ยันพูดโต่อได้ก็พุดโปก็มีท่านนี้นะ่ะตัว น, น้อัชก็คือสติข้งางในฝึกบ่อยๆฝึานั่งพาก็การดันมันจะนันได้ง่ายสมอได้แรง เวลาสงบก็ไม่ต้องทําอะไรแห่มันสบนงบเป็นนานเวลาหน้ามีอะไรเข้ามามาค่อบวรัวก็วอยา่ารูสวนใจให้อยู่กับลมไปให้อยู่กับทิศท า, างได้อย่างอาจารย์นะ ไ, ได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะทดลองปฏิบัติบูค่ะแล้วเดีด๋ยว ถ, ถ้าเกิดว่าได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็เดี๋ยวจะเข้ามาทางซูมอีกครั้งค่ะดูทำมันลองทําไ ป, ลาไปแล้วมัน มันก็จะเข้าใจขึ้นไปตามลำดับเองถ้าเวลาเป็นแบบดับพูดลำดับถามมันก็ยังไม่ไมันเข้าใจดูเช่าออกับกาปรปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วมันก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้ว่าต้องทําอะไรอย่างไรเป้าหมายของการปฏิบัติก็ให้ใจเย็นให้ใจสงบไม่ให้ใจวุน่นวะายนะค่ะพระอาจารย์อาจารนี่เหรอ ค่ะกลาวขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะเดี๋ยวถ้าหมดโควิดยังไงก็เดี๋ยวจะไปกลาวพระอาจารย์อีกครั้งค่ะใชเด้าม่สเจจเมเดกลาวนมัสการลหลวงพ่อครับมีอะไรไหมมีครับลหลวงพ่อเอ๊ะอันสงสัยสิสงสัยเกี่ยวกับทางโลก ค, ครับถ้าด้านทางธรรมเราปฏิบัติไปเราค่อยแจมแจ้ ง, งเรื่อยๆแต่ทางโลก เราจะใช้หลักอะไรในการหางานที่เหมาะสมกับตัวเราอะครับหลวงพ่องานที่เหมาะสมตัวเาราก็อยู่ที่ว่าหาได้หรือไม่ได้ถ้ามาหาไม่ได้ก็ทำอะไรก็เอาก่อนเพื่อความอยู่รอดอย่าไปเลือกมากอย่าเลือกมากว่าไม่มี ง, งานทำเราจะอดตาย แต่มันคือไดงานดีไดงานทีไม่ไม่เหมากับกเราแต่มันมีรายได้ก็ทําทไปต่อครับที่เมื่อกี้ที่โยมท่านหนึ่งบอกว่าอะไรอ่ะหาเส้นสายอะไรอย่างงี้นึกถึงคุณพ่อผมเลยครับตอนนั้นที่ไปปึกตอนนั้นหางานอยู่ปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกสมัยนี้หางานยากก็ต้องมีเส้นมีสายแล้วพ่อผมก็เลยบไปไปรู้จักผู้ใหญ่เออคือได้งานเลยเออคิดถึงตอนนั้นเลยครับหลวงพ่อที่ปัจจุบันที่คุณพ่อผมทำงานอยู่ เหมือนผู้ใหญ่ก็ช่วยแล้ว ก, ก็อีกอันนึ่งคือการอยู่ร่วมในสังคมนอกจากสีมห้าแล้วอะไรเห็นอะไรคือรองธรมขันธ์ีครมเาไม่หันสูเมตตาตุลาบุรีดาวเสีขาเมตตาก็คือให้เป็นเมื่ากับทุกคนอย่าปเป็นศัตรูกันนะตุณาก็ช่วยแล้วกันเวลาใครเจ็บป่วก็ช่วย บุร so ิษาระแสดความดีเวลาเสนอเขาได้ดีย่เสียเฉลี่ยหรือเสียตูเบนาก็ทําใจฟงว่ามันคือโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงมันท่าบางทีก็เป็นนัตาแล้วก็เป็นสา่งมันไม่ได้ไปทํามันไม่ได้เช่นคนเสียคนที่เราลากไปแล้วก็ห้ามไม่ได้ฉนัไม่ได้ก็ทำใจเป็นนักเป็นตูเบนะเป็นกรรมของเขาไปแล้วถ้าคนมาทําแบบ ทำผิดกฎหมายหรืออย่างเช่นเห็นเพื่อนร่วม ง, งานเขาทําอย่างเช่นยากยอกเงินบริษัทอย่างนี้เราฟ้องเจ้านายอย่างนี้ถือว่าเราทํากรรมไหมครับหลวงพ่อหรือไม่ครับก็เป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าพอหน้าที่ตั้งงานที่ดีเวลาก็ต้องให้มันถูกต้องเพิ่มก็เป็นหน้าที่อยู่กันใช่ไหมครับมันก็ได้ได้อย่างเสียอย่างก็ได้ทำหน้าที่แต่ก็ได้สร้างศัตรูขึ้นมาครับแล้วก็ที่ยังมีศัตรูหรืเปล่า อมท่านเราคิดว่าเราเป็นเจ้า ข, ของบริษัทเราก็อยากให้พนักงานช่วยกันดูแลบริษัทแบบนั้นคิดอย่างไงแต่ใช่แต่คนที่ก็ถูกฟางก็จะโกรธเอาแน่แน่นอนแน่นอนต้องโกรธแน่ น, นเขาต้องยอมนะว่าเขาต้องโกรธครับจะมางานเรา ก, ก็ได้ แต่มันไม่ถือว่าผิดศีลใช่ไหมครับหลวงพ่ออะไรแบบถ้าสมมุติเราทำอย่างนี้แเข า, เาวพูดความจริงพูดความจริงเขาไม่ผิดศีลแต่ถ้ า, าไปใส่ความเขา้องพูดไป่จริงเลยไปใส่ความอันนี้ผิดศีลพูดโกงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กวนคือแบบถ้าสมมุติเราเห็นถน น, นะมีมดเราไม่สามารถเรียกมันได้เราควรวางจิตยังไงครับหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นกรรมของมดจะั่งกันวางจิตอยงั้นเลยนะครับอ่ามันจะไง โอเคคำแบบโอ้ยวเหยียบโอ้ตรงไปเลยนะแล้วเราก็ต้องย้อนกลับมาวันดีเก็ดีดามแจะอาจจะถูกช้างเหยียบก็ได้ครับโแล้ววันนี้ก็ได้ทราบเตอนที่ผมไปบวชทิพย์ ด, ด้วยกันบวชพร้อมกันเอาโมระนภาพไปแล้วโอ้ยมันทั้งๆัที่แบบเออมันไม่มันไม่เที่ยงจริงครับแล้วเําทําใจดันหนูเลยช่วยไม่ได้อยากไปจุกตอกเขา ครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณหลวงพ่อาครับครับุณประสิท น, นะประสิทครับสมัชการครับเพิ่งจากการุงเทพครับเพิ่งเข้ามาครา้งแรครับมีอะไรไหมมีอะไราถามไม่มีอะไรครับไทําไม่เฉนะได้ครับครับ้นก็ําต่อไปนะจะได้ไป่ว้านต่อไปนะ ใช่ครั บ, บคุครับคุณยศใช่คุณยศคุณยศพูดได้เลยครับอาจารย์สวัสดีครับอ่ยู่ใช่ไหนอยู่ที่บางแสนครับอาจารย์มีอะไรไหมมีมีความความเครียดครับอาจารย์แบบกังวลคือคือผมจะเป็นคนที่ชอบถือศีลวัวสดทุกวันพ้าอยู่แล้วครับอาจารย์แต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเวลาผมเกิดปัญหาจริงๆเหมือนเหมือนผมเป็นคนที่คิดเยอะฟุ้งซ่านแบบแบบเอาเถอนสินอย่างเดียวที่ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนเรื่องความฟุ้งซ่านนะต้องออต้องจเจรจาจิตต้องมันพุทธพุทธไปดเนี่ยเหมืนอนเขาพุทธพุทธไปถ้าใ<พ>ยังไม่ฟื้นก็คือว่าก่อนนอนทุกคืนผมจะนั่งสมาธิแต่มันได้ประมาณสิบนาที ไ, ไม้ถึงต้องพูดโทรทั้งวันไม่ใช่หรเฉพาะตอนที่นั่งกื<อ>เช้าไปมากลืตนตาของพุดโธพุโธไปไหแล้วใจจะไม่คงต้องเป็นพุดโธไปทิงไว้ถ้าเราไม่ชอบพูดโทรแล้วมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันตกตู้ไปไหน<อ>ให้พยายามลอง้องฝึกพูดโทรหนึ่งลองฝึดพูดโทรแล้วความกุ้งจานจะลดน้อยถอยลงไปตาม เ ข, ข้าใจัหเข้าใจครับเข้าใจสิ่งแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องความคิดตึแต่อยู่มันไม่ได้ได้วยสิ่แต่นสิแต่มันอยู่ให้เราไม่ไปทำสิ่งต่างๆไปเที่ยวไปเล่นเปดูน้ำตังเพลงอะไรต่างๆแต่มไม่อยู่ความคิดต้นานนะเข้าใจสติฝึกสติผ่นข้ามพุทธพุโทโธไปเรื่อ้ คือเหมือนผมชอบฟังธรรมะเยอะเกินไปแ ล, แล้วมันเลยทำให้ฟุ้งซ่านอันนี้มันเกี่ยวกันไหมครับก็มีส่วน า, าฟังแล้วามาคิดคิดไปคิดมาควบคุมได้ฟังทําือให้รู้ว่าาฟังเพื่อมาอยู่ความคิดไม่ใช่ฟังแล้วเอาไปคิดให้มันวุ่นวายใจไม่ถูกฟังธรรเพื่อให้รู้วิธีควบคุมใจว่าควบคุมอย่างไร ทัวสูงเรียพุโทโธเนี่ยทำสุนโพุโทพโธไปนะอาจารยมันจะไม่โอเคนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากคุณออกเหรอในยเคนชอนอฟอย่ที่ไหนกรุงเทพคะ่ะ okay. ไปมาไปเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งอะคะ่ะ อ, อันนี้คร<ๆ>ั้่ก็ ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมมาค่ะ ม, มันมีอยู่เมื่อสองสามวันนะคะพระอาจารย์แบบว่าโมโหเพื่อนเรื่องงานนะคะแล้วมันแลบบ้วก็บ้าเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วพอสักสองชั่วโมงก็มานั่งคิดว่าไม่น่าทําเลยทีเนี้ยตอนที่จิตมันเกิดมันมันไม่ทันนะคะพระอาจารย์สี่เรานียันน้อยอยู่ยแล้เลาตื่ต้ต่อไป ส, สายามเหมือนช่องพุโทโธพุโทโธไป ไปพวบกุมใจแล้วต่อไปวามมันจะเริ่มแสดงอาการมีนก็จะเริ่มพัฒมันไม่เห็นตอนมันเกิดนะค ะ, ะมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉนั้นเราไม่ได้ดูใจเนาก็ราดูคนที่เราปวดใช่แล้วพอผ่านเวลาไปก็สองชั่วโมงก็อ้าวไม่น่าทําอย่างนั้นเลยอล ย, ะะย่างเงี้ยค่ะยังยังยังมีจะดีดูว่าเออไม่ไม่น่าจะทำเอาหน้าจะได้เอาเอาเท่านี้เป็นบทเรียนสอนใจอ่า ต่อไปเรต้องระวังวเวลาเาเจอใครพูดกัาใครรุ่มกใครพยายามลดามอยาน้อยากไปวงอะจากเขาแล้วความปวดก็ดจะน้อยทํา เ, เกิดเกิดความหวังามอยากอางเราบอกไม่ก็ทำอย่างนั้นอากก็ทำอย่างนี้พอไม่ทำา็มันต้องเป็นค่ะแล้วก็ช่วงนี้ทาไมแบบมันเหมือนแบบฝันทุกวันเลยพระอาจารย์ไม่อยากจะฝันเลย ต้ก็คิดมากนะไม่ยอมหยุดไม่ยอมฝุดสติไม่ยอมหยุ ด, ย ด, ยยดความคิดนอนหลับแล้วความคิดแคบบ่มันก็คิดต่อเพรฝันก็คือความคิดนี่แหละค่ะฝันทุกฝันเลยล อ, องฝุดสติไปลองนัน่งสมาธิไปแล้วต่อไปความฝันมันจะน้อยลงใชะที่ผ่านมาสามสี่วันไม่ได้นั่งเลยพระอาจารย์นอนขี้เกียจลุกะอะค่ะอแต่ก่อนนะํา แต่ก่อนปฏิบัตินะคะแล้วก็ไม่ค่อยฝันนานๆจะฝันแต่พอแบบขี้เกียจลุกนอนได้นอนดีเลยพระอาจารย์บอกว่าช่วยไม่ได้มันจะพาให้เราทุกข์นะความขี้เกียจจะทาให้เราทุกใช่คามประยัดยังทำให้เราทุกข์เน<บ>ี<บ>่ยพ้นแต่ทำได้ด้วยความเพียรเดี๋ยวโยมเริ่มใหม่แล้วอย่ามาเล่าค่ะอาจารย์ฟังว่จะฝันอีกหมคะ เพราะยังฝันอยู่หรอกมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกมันยังต้องทุกขมันจะเห็นผลจริงแต่ถ้าพยายามทำให้ได้เรื่องนี้ก็จะดีเป็นไปตามลังศักดค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเวลาเราดูลมหายใจอะค่ะพระอาจารย์บางทีเนี่ยหล้างจานอยู่ดีๆบางทีมันว่างอ่ะค่ะว่างจนไม่รู้จะคิดอะไรเอะค่ะก็ดีก็ดีแต่เราก็ถามตัวเองว่าไม่คิดอะไรหรอทําไมมันว่างอย่างเงี้ยมันจะงทก็ดี ไกล้รู้เฉยๆเลยทำอะไรก็ทําแปในทำสอดไปได้ะัวนิว่างแปว่างเามันสบายมันเบาใช่ไหมครับอาจารยจะมีจุดหนึ่งที่เรามองเห็นจิตเราแบบว่ามันว่างไม่รู้จะคิดอะไรมันไม่มีอะไรเข้ามาแทรกค่ะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้นานนะคะอาจารย์มันก็จะมีความทันทีกับสมาธิแต่สักพักความคิดจอนมันก็จะแวบเข้ามาค่ะ ก็พูดโชว์หแล้วรื่องวิชาตีงานที่เราทำเพื่ก็ว่างไดให้ดูลงเลยและ อ, อีกสุดท้ายเลยนะคะพระาจารย์บางทีเราดูเฉยๆหรืออาบน้าหรืออะไรเงี้ยทาไมบางทีสิ่งมันชอบคิดเรื่องอกุศลแว บ, บเข้าม า, มาอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันเปสายจิตมันจะคิดอยู่าแล้วจะแก้ยังไงอะค่ะก็ ร, รู้ทันมันรู้ว่ามันเกิดแล้วก็พอข้าต่อไปถ้อย่าไปคิดเราต้องสอนมันค่ะสอนนว่าอย่าไปคิดที่เรื่องนี้ไม่ดี มันมันจะมันจะเดิมมันจะคิดจะใช้สติใช้พุทโธหยุดควาให้มันคิดแต่เรารู้ทันมันใช่ไหมคะใช่รู้ทันมันแล้วก็สอนมันใช่ไหมคะสอนมันแล้วก็หยุดมันด้วยไม่หยุดมันได้หถ้ามันไม่ถ้าเราไม่ยอมหยุดเาก็ต้องหยุดมันจริงมันหยุดพทโธหยุดมันควายันคต่อไปถ้าเราควบคันได้ต่อไปมันก็ไม่ชิดหยค่ะหมดคำถามแล้วค่ะ รที่ดานต่อไปคุณป้าชมน์คุณป้าชมน์เชิญอยู่ที่ไหนอันยูมกรพลนขังปมันยูไหมโมงการา่าอ่าาวธรรมารพอาจารย์ค่ะรู้อยู่ทางทจะกอพระอาจารย์ที่ไหนนะ ตอนทองเจ้าค่ะตอนดุลีเจ้าค่ะได้ยินไหมคะอ่อความอางทองใช่ไหมอะไรทองนะทาทานทองเจ้าค่ะทานองเห็นไหมเห็นนะเแต่ก่อนก็ไปกราบผ้าการบนเขาอยู่เนืองแล้วก็ไม่ใส่บาตรเนืองแต่โควิดไม่ได้ไปไกลค่ะอ่าไม่เป็นก็เข้ามากราบในสุปนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็หนูเข้ามาคือวันนี้วันแรกเห็นหลายวันแล้วจากไมกล้าเข้ามาเจ้าค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอก แล้วก็แ ล, วกแล้วก็ยังอยู่บ้านเหมือนเดิมนี้เจ้าค่ะก็อยู่หนูก็ปฏิบัติพอดีว่าคือหนูอันนินฐานจิตปฏิบัติไปตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเจ็ดก็คือสามชั่วโมงพอดีว่ามีคนถามอาจารย์พอดีว่าการปฏิบัติเรงนามดีไหมอย่างนี้ค่ะทีนี้อาการที่หนูปฏิบะะัติค่ะก็คือว่าอ่ ว่าอยู่แบบทุกเวทนาได้แต่มันก็จะมีความคิดหนูก็สงสัยอยู่ว่าการปฏิบัติของหนูเนี่ยคือก้าวหน้าไหมพระอาจารย์ก็คือว่ามันจะมีความคิดแล้วมันก็จะรู้ว่าเอากําลังคิดหนูก็กลับมาคุมลมพอเราคุมลมทีนี้มันก็จะเกิดอาการเบาแต่สิ่งที่หนูเนี่าคือตั้งแต่ตลอดเวลาที่หนูปฏิบัตินานะคะ ก็หนูไม่เคยเห็นนิมิตอะไรที่เขาบอกว่าจะมีแสงนู่นนี่นั่นเลยหนูจะเห็นแค่อยู่ในกายของตัวเองทุกเวทนาเกิดแล้วเราก็พิจารณาอยู่กับความเจ็บปวดได้ไม่ทุกข์ทนคือไม่กระวลกระวลไม่กระสับกระส่ายแต่หนูก็ได้ได้ถามมาคุณพอาจารย์นี่ท่านปฏิบัติบอกว่าท่านบอกว่าการที่จิตจะสงบจริงๆอ่ะต้องเกิดิมิต อันนี้มันยังไงครับพ่อจมไม่จริงอ่ะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นตัวที่ทำให้จุดสงบความจริงไม่ไม่เน่ยเป็นตัวขวางความสงดเนี่ยไม่เราไปกําวลกับนี้พวเราเป็นสติอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมไปทําให้ใจหยุดคิดให้ได้แล้วมันก็จะได้สมาธิก็มันก็จะมีชิด้างชิดบ้างแล้วก็ไม่คิดอย่างเงี้ยค่ะพอในขณะที่ที่เวลามันไม่คิดมันก็จะคุมลม มันก็จะอยู่กับเราได้ครัพระอาจารย์แล้วก็จะพิจารณาก็คืออยู่กับกายเวท น, นาเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นเวทนาแต่เราก็มไม่เข้าใจตอนนี้ยังไม่ไม่ควรพิจารณาให้อยู่กับลมอย่างเดียวกับลมกับเดียวอ่ให้มันนิ่งถ้านั่งสมาธิให้มันนิ่งนี้ต้อยู่กับเรื่องเดียวอย่าไปคิดหลายเรื่องถ้าคิดหลายเรื่องมันมันจะไม่สมงบมันจะเป็นวิปัสสนาไปซึ่งตอนนี้ยังไม่มีกําลังที่จะไปทํำวิปัสสนาได้เลยครับ ทำสมาธิก่อนอยู่กับลมอย่างเดียวอยู่กับลงอย่างเดียวความคิดจะมาก็อย่าไปสนใจไม่ต้องไปตามมันรัางใจเวรทำงานจะเกิดก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับลงไปที่จุดเดียวที่ปลายจมูกหรือที่กลางเน่าก็ได้นะแต่ที่เราจะเลือกเราแล้วเวลาในการปฏิบัติสัพพาจา์จําเป็นไหมว่าเราต้องปฏิบัติสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือยังคือปฏิบัติยิ่งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้ผลเยอะ ใช่แต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ก็ปฏิบัติชท่าที่เ ร, เราปฏิบัติได้ตามกำลังของเราเองครอบแล้วก็สิ่งที่หนูทําอยู่ก็คือว่าหนูก็จะรับธรรมาโอวาทคาของอูหลวงตาท่านบอกว่าการกินอาหารจะทําให้เราภาวนาได้ดีปฏิบัติได้ดีหนูก็ได้ทํามาเนี่ยอาจารย์แต่บางทีมันก็มีิเลี่ยว่าคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูตอนนี้หนูก็คือทํานันละมือ้อแต่ถ้าเกิดว่า กนข้างกายก็ทานยืดก็จะเป็นสองมืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ใช่เป็นมากมันจะชื่อเกียยภาวนาถ้าเกินน้อยมันจะขยันภาวนาครับแล้วก็พอดีว่าแฟน อ, อ๋อก็คือว่าอแฟนหนูว่าค่ะเขาปฏิบัติแล้วเขาจะปฏิบัติข้ามทุก เ, เวทนาไม่ได้อาจารย์แล้วก็จะมีคุณ อ, อาจารย์แนะนําว่า การเจ็บเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเจ็บเนี่ยมันมันคือกุศล น, นะคะเขาก็เลยสงสัยในคำนี้นะคะก็มันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นทิศปัญญานียพอมันเจ็บเราก็ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่สติดพอใช้สติดมันก็นผ่านไม่เวทนาได้หรือใช้ปัญญาไม่ผ่านไมีเนาได้ถ้าไม่มีเวทนาเราก็จะไม่ใช้สสพไม่ใช้ปัญญา ปัญญาเราพจานณาเวทนามันไม่เที่ยงมันเกิดจากขอมันเองอนั้นตาเราไปสังมันไม่ได้มันจะเกิดก็ปัญญาเกิดมันจะไม่ดับก็ปัญาไม่ดับมันจะดับก็ปัญมันดับไปแค่นั้นเองก็ถือว่าทุกเวทนานี้เป็นกุศลใช่ไหมเจ้าคะก็มันจะเรียกว่าเป็นกุศลก็ได้มันเป็นเห็นนับปัญญาเห็นชินรับนี่ถ้าไม่ทุกความีปัญญาบอกเกิด เรามีคำพูดอะไรมารเรามีบารามีบอกเกิดเวลามีมามีมามารังความเนี่ยมันต้องมีบารามีขั้นติบารามีถึงจะอยู่ถึงจะสู้เขาได้เวลามีทุกข์เราก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเราถึงจะอยู่กับทุกข์ไปนานาจ้าเพราะว่าคำที่เขาก็ท้อในการปฏิบัติว่าเขาไม่สามารถที่จะก้าวคำ ๆๆเพราะสติเรามีกำนังน้อยก็พยันท่องพุทโธอยู่นั่นเเวลาทุกขเวทนาเราเย่าไปสนใจทุกขเวทนาให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธก็ติดกับพุทโธไปเหมือนเหมือนเป็นที่พึ่งของเราเลยถ้าเดี๋ยวมันก็จะข้ามเวทนาไปได้ลองทำดูแล้วอีกเรื่องหนึง่งพ่ะอาจารย์ฉันดูเขาจะติดสุดนะคะก็คือถ้าปฏิบัติก็ต้อง อยู่ในห้องแอร์แล้วก็ที่สําคัญเวลาเขาร้อนท็ อ, อะไรก็จะทนไม่ไหได้แล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องอาหารเขาไม่สามารถที่จะรลงับความชิ้ความอยากในการเชี่ยวได้อย่างเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่ยากเหรอถ้าอย่างนั้นก็คิอว่าภาวนานก็ก็ลําบากเพราะว่ามันการภาวนานี่มันเกิดจิ้ให้รับปรับรสภาพให้ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ ถ้าอาศัยสูงอย่างเดียวไปเจอทุกมันก็แพ้จริงลงเงินลงหน้าก็หนูก็พยายามให้กําลังใจแล้วก็คอยกระตุ้นเตือนบอกว่าถ้าเราอ่ะไม่ยอมอยู่กับความทุกข์อยู่กับความลําบากแล้ววันหนึงอ่ะถ้าเกิดเราเจ็บป่วยอ่ะเราอ่ะจะลำบากผมก็พยายามบอกแล้วก็ให้กำลังใจถูกต้องเพราะมันทีวิตเรา ม, มันไม่สูงไปตลอดนะแล้ววันดีะะเปนดีมันก็ต้อเจอความทุกข์ขึ้นมา มันจะไปติดคุกติดสารไหมล่ะไม่มีห้องแอร์ให้เรานั่งสบายที่นี่ครับอาจารย์อาจารย์นะคะไม่มีคําถามแต่วันนี้ก็คือปลื้มใจมากเลยเพราะว่าในคําถามที่มันอยากจะรู้แล้วก็เพื่อนๆกันเลยยังไม่เมีได้ถามพอาจารย์แล้วก็ได้ความรู้อย่างมากมายเลยเจ้าตากแล้วก็ถามน้อม อนุโมทนาต่ทุกท่านแล้วก็จากพร้อมจากสาธุนะครับติดตามฟังต่อไปนะแล้วขอให้การนราชการนะคะไปคืคุณพ่อต่อเลยคุณพ่อจากจากแคลิฟอร์เนียอยู่ตอนดหนคะอยค่ะได้ยินหมคะได้ยินเออะไรคะอยู่แคลิฟอร์เนียเอ่อมอนทรีอลค่ะ มันจอรียกอย่งไรนั้นคือ s n o ม m a ค่ะลืมไป snowma snowma แ้วแม่ก้าวกับซันฟานเลยนะเป็นกับสันฟานส n o ม m a นะคะ bluetooth ันึ่งโอเคคืวันหัวเราสบายไหมสบายเย้เย้ สบายยิ่งกว่าสบายไข้ขึ้นเลยหลวงพ่ออ<ภ>า ก, กาศมันหนาวอยูอ่ๆมันก็จะหนาวมันก็หนาวนะหนูก็ไม่ไม่ไม่ไมนสนใจเขาอ่ะค่ะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเข้ากรรมฐานออนไลน์ของวัดมาเหยงหลวงพ่อตั้งแต่เข้ามาซูมของหลวงพ่อสุชาตินี่คือเหมือนระดับเหมือนหลวงพ่อปรับปัญหาที่หนูติดมาเป็นเวลายาวนานมากเลยอะค่ะหลวงพ่อแล้วพอเจอหลวงพ่อ ก็คือปรับที่มันติดในเรื่องของสมาธิคือสายพระป่าท่านให้หนูตั้งสมาธิให้ดีกว่านี้แต่หนูทำไม่ได้อะค่ะจนเจอหลวงพ่อสุชาติแล้วก็ก็คือาซาบซึ้งและปิติเพราะหลวงพ่อต่อตรงนั้นให้หนูได้แล้วก็หนูรู้สึกว่ามันเป็นไปมันมันก็มันก็เหมือนกับ การพัฒนาของด้านสมาธินี้ไปได้ไกลเลยค่ะพอไปต่อกันหลวงพ่อสุรศักดิ์ที่วัดมเหยงคือท่านมันไปอีกขั้นหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ได้รู้สึกว่าซาบซึ้งถึงพรัฒนาตรัยในการที่เรามีเวลามาปฏิบัติแม้กระทั่งเป็นโรคระบาดเนี้ยค่ะหนูก็สุขภาพหนูก็มีปัญหาอยู่แล้ว ถึงจะมีโควิดไม่มีโควิดหนูก็หนูก็มีปัญหาของมันมันเป็นร่างกายอะค่ะหลวงพ่อแล้วคันนี้มันกลับให้เรามาพิจารณาร่างกายมันมันก็สักแต่ร่างกายแล้วก็ความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นของธรรมดาตามเข้าสูตรของพระธรรมเลยแล้วก็คันนี้มันมันพิจารณาหนักขึ้นพอพอเจอหลวงพ่อสุชาติต่อเรื่องสมาธิแล้วไปต่อหลวงพ่อสุรศักดิ์คือมัน ปัญญามันเกิดภายในเลยค่ะหลวงพ่อหนูเห็นเห็นพระธรรมตรงนั้นเลยแล้วก็ก็หนูขอเม้าล่ะค่ะ <c oughs> ขอเม้าละค่ับผมจอมคือหนูได้แล้วเนี่ยหลวงพ่ อ, อปฏิปทานภาษาอังกฤษของหลวงปู่บ้านไปไปทาบุญที่ที่หลวงปู่ชาวัดวัดป่าหนองประพง์วัดภัยคิลีนะค่ะ แล้วก็เข้าไปเจอหนังสือดีก็เลยเอามาอ่านแล้วก็ฟังภาษาไทยด้วยใน youtube ที่คุณพี่คนหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ให้เข้าไปฟังก็ฟังภาษาไทยแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษได้สงภาษาแล้วหนูจะขอแบ่งปันนะคะหลวงพ่อประสบการณ์ที่เข้ากรรมฐ า, านออนไลน์อยู่ที่บ้านถือศีลแปดนะคะถ้ามีเวลาพ อ, อ, อคือหนูก็ปรับ ปรับทุกอย่างเอามาเอามาใช้เทคนิคทุกอย่างทั้งที่ครูบาอาจารย์สอนมาตั้งแต่เริ่มต้นจนจนนาปัจจุบันก็คือว่า ม, มีมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างได้ใช้การหมดเลยเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าวิชาวิทยาศาสร์วิชาคณิตศาศสตรศาสตร์ของครูบาอาจารย์ท่านจะจะสอนเราตาม ความถนัดของท่านแต่มันเอามาใช้เป็นตัวเราได้หมดเวลาเราเจอประสบสภาวะ ร, รมแล้วก็หนูเจ็ดวันเจ็ดเอ่อเคาเรียกเจ็ดคืนแปดวันนะคะในการทําที่บ้านเนี่ยคือท่านให้เอาวิปัสสนาคือท่านให้เอาสติเข้ารู้หมดทุกอย่างเหมือนเราอยู่ที่วัดป่าอะค่ะที่หนูปฏิบัติที่วัดอภัยคดีหนูก็เขาท่านก็ ครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้เป็นเริ่มอะไรที่เราไม่ชอบหนูไม่ชอบเข้าครัวท่านก็บอกไปแต่เข้าครัวนะวันเนี้ยเราเข้าครัวหนูไม่เผาหนูไม่เผากระถางไม่ก็ก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็คือตายที่สุดแล้วก็ผ่านไปได้แล้วก็มาทําให้เราพอเราปฏิบัติที่บ้านเรา เกิดตัญหาทยานอยากในการปฏิบัติอะคะ่ะหลวงพ่อกระทะหนูก็ผัดอยู่มือก็อยู่ตรงนี้แต่ใจมันออกไปนั่งทําไมไม่เดินไม่นั่งแล้วก็หนูก็เห็นเผาอย่างนั้นนะคะแล้วก็ก็เห็นแล้วก็วางแล้วก็ภายที่สุดคือมีจิตสภาวะผู้รู้แล้วก็รูปรูปรูปนามแล้วก็อุปทานที่จิตอะ่ะเราไปยึดว่าเป็นตัวของเราทั้งที่ค่ะหลวงพ่อ พอแนะมีอะไรจะถามไหมมีค่ะคือว่าเอ่อการที่เราเห็นตัวทุกข์เนี่ยค่ะหลวงพ่อคือจิตอะมันเห็นทำแล้วว่ามันดับไปอะ่ะทํายังไงมันก็ไม่ปล่อยอะค่ะหลวงพ่อหนูจะต่อต่อยังไงดีคะ่ะให้ให้มันให้มันคือไปต่อได้ค่ะหลวงพ่อก็เวลาเห็นทุกก็ต้องหาหเหตุที่ทำให้จดกด <c oughs> เด็กของความเปิดชุกก็ ค, คือความอยากค่ะแ ล, ะและ้วนราไปลดความอยากลงแล้วความต้องการจะหาค่ะหลวงพอ่อคือหนูกินกินข้าวมื้อดีแล้วก็นาำตาลก <c oughs> ็ไม่ไม่ไม่ดื่มโดยดื่มแต่น้ําอะค่ะหลวงพอ่อตรงนั้นมันจะจะลดความอยากได้เพื่อเพื่อวิปัสสนาเพื่อเคร่งโอ้เราเลยความอยากไร้อ ย, อยาก น, นี่ก็ความอยากจุกจิกเป็นตัวทําให้ใจเราทุก ในเวลา<ค>ใจเราจบเราต้องพูดหาให้เจอว่าเป็นความอยากตัวไหนว่าเป็นความอยากนั่นอ๋่าหลวงพ่อจะแนะนำน่อ่าจะดาตรงนี้ไปปฏิบัติต่อค่ะหลวงพ่อสาธุนนาค่ะหลวงพ่อโคตรเยอะค่ะค่ะ่หลวงพ่อสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะคุณลอยคุณลยใจลย อยู่ที่จังหวัดเยเหรยังไมได้ใส่ไได้ยินหรื อ, อยังครับได้ยินแล้วดได้อ๋ออยู่ใต้บันครับหลวงพว่ออยูใต้บันครับเครื่องมายนะนั้นน้องกับนรมัศการหลวงพ่อครับมีอะไรไ้ยวันนี้วันนี้ก็ ก, ก็ก็มีแต่ ก็เวลาเวลานั่งไปเราก็ลมหายใจหยุดนะครับลมหายใจหยุดแล้วก็ไม่ค่อยมีสติครับแล้วก็ถ้าใจเราไม่ได้เลองพุบโท่ครันหน่อยนะทุบเท่ากันครับทุบเทากาาานันหน่อนว่าใจไม่ไม่หยุดจะทุบเท่น ถ้าเราไลือดร้อใจนูนไม่งทร้ ย, ยครั บ, บหลวงพ่อนะครับนอนช่มครับหลวงพอ่อช่วงนี้มันโควิดระบาดแล้วก็ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่ครับอยู่ไทเปครับไม่ยอมมาเข้ า, นนน า, า, าไม่ยอมนั่งไม่อมานพระควิดานรู้หน้าครับหลวงพอ่อ คุณผู้ชมจุติอาจาอกแนะนักทันตแพทย์ก่อกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีได้เดือดร้อนท่านพี่อะไอย่างออาทิตย์สุดท้ายของเดือนเนี้ยเจ้าค่ะสาทิตย์สุดท้ายก็มันเป็นความน่าละอายเจ้าค่ะแบาวันแบบทำโทษตัวเองถึงครึ่งปีเลยแบบเคยเตือนสติตลอดเจ้าค่ะว่ามันโอ้ยตายแล้ว ตั้งครึ่งปีแล้วค่ะก็กควบคุมได้อยู่เจ้าค่ะลูกมีะ อ, ะอ่าจะรายงา น, นว่ากันศุขนี้สามีกับลูกจะไปฉีดวัคซีนแล้วนะเจ้าค่ะของ <c oughs> ไฟเซอร์ไม่้ทำไมตัดสินใจฉีดมคือพอดีบอกว่าอยากให้ที่บ้านที่เมืองไทยฉีดนะเจ้าค่ะทีนี้เราก็แบบเอ๊บอกให้เขาฉีดแล้วตัวเราไม่ฉีดมันก็ เ ป, เป็นก็ไม่ดีอะแล้วค่ะก็เลยตัดสินใ จ, จ ง, งั้นถ้าเขาจะฉีดเราก็รีบไปฉีดก่อนดีกว่าเพื่อจะได้แบบเกิดอะไรขึ้นก็จะได้บอกเขาได้แล้วค่ะใช่คนฉีดยังเป็นร้านเนาะ เลยกลายวเป็นเอาา่าค่ะเราก็คุยกันว่าเอ๊ะเราออกจากบ้านเนี่ยเดือนหนึ่งก็มาแค่สองครั้งสามครั้งคือเราไม่ได้ออกเยอะออกไปจ่ายของเฉยๆนะเจ้าค่ะเอ๊ะจะฉีดดีไหมแต่พอที่บ้านจะฉีดลูกก็เลยตัดสินใจงั้นเราไปฉีดก่อนเลยดีกว่าคือเป็นทดลอให้เขาก่อนจะได้บอกเขาได้เจ้าค่ะใช่ฉีดก่อแล้ววันเป็นประโยชน์ตลอดไปอ่ะ พอฟังต <unlucky. S 1> <Wasn 't S 2> ัวอย่างแล้วก็เริ่มเริ่มว่าเราจะมีแบบทดสอบหรือเปล่าเราจะโดนสอบก็ดีเลยได้มีข้อสอบเจ้าค่ะก็นึกถึงคําของภา้อาจารย์อย่างเดียวเจ้าค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดถ้ามาก็เป็นแบบทดสอบแล้วกันจะได้วัดจะได้วัดไปเลยเราไม่จะต้องเจอฟังตายต้องันใดวันนึ่งนะนั่นเราไม่เรื่องเราไม่ได้ด้วยมันเป็นไฟบังคับัะ ไปบเจ้าค่ะตั้งแต่ลูกเอ่อท่องสติปัฏฐานสูตรที่พระอาจารย์แนะนํา ม, มาค่ะลูกสวดทุกคืนนะคะแล้วก็พีนี้ก็ท่องขึ้นใจได้มากขึ้นทําให้รู้สึกว่ามันมีความเอ่อรู้สึกตัวเองแบบมีความหนักแน่นมากขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอะไรก็เออมันก็อย่างนี้แหละมันก็อย่างนี้แหละเจ้าค่ะท่องท่องภาษาไทยและภาษาจีน ภาษาไทยเจ้าค่ะภาษาไทยเขาเหมือนกับว่าเอาแบบสติปัญญาทุกคืนนะเจ้าค่ะก็เจ้าทองค่ะก็ให้รู้ว่าสักแต่ว่ารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แค่อาศัยระลึกได้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยพอเกิดอะไรขึ้นก็อ่ะสักแต่ว่ารู้ระลึกได้เท่านั้นอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอะไรจะตาเราไควบคุมมมันไม่ได้ เ้ค่ะแล้วเดี๋ ย, Formula Formula. ว, ยว ว, วันพุธหน้าลูกจะมารายงานว่าผลข้างเคียงเป็นยังไงนะเจ้าค่ะสาธุค่ะเจ้าชายค่ะผะคัพธ์เวลาทำไม่ามลลัพธเวลาเจ้าฟัเอกกบรมตการจะขาคพระอาจารย์ถามเลยวันนี้วันนี้ไม่ถามจะขาคฟังเยเหมือนเดิมจ้ะเือจเป็นคนที่ทัศนีตา่ทันี ปฐุมใช่มซึงบบง่งนสบีเน่จากปทุมธานี้าค่ะอ า, า, าจารย์คะวันนี้จะกลับเยนพระอาจารย์ว่าหนูไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไนทินเช็บใช่ค่ะเข็มที่สองเจ้าค่ะอาการปกติดีนะคะอาจารย์ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยเจ้าค่ะดูเหยวสอกไปหน่อยคนหน่อยก็จะได้ ไม่น่าไม่ากลัวไม่มีผลข้างเคียงเลยสำหรับหนูนะคะแต่ก็เตรียมตัวไปก่อนก็จะดีค่ะระจารยรยมน้ำเยอะๆนอนหลับเยอะใช่เจ้าค่ะแล้วก็งดชากาแฟด้วยค่ะค่ะอาจารย์ค่ะมีคำถามคำถามหนึ่งเจ้าค่ะการท่องอาการ32เป็นการเจริญสติ จากเดียวหรือเจริญปัญญาไปด้วย เ, เจา้าคะเจริญปัญญาด้วยจะได้รู้จักร่างกายบันดีขึ้นร่าเราไม่ใช่มีใครเฉพาะส่วนที่เราเห็นนันส่วนี้ไม่เห็นมนมีโยน์อยอะแ่ทั้งนันค่ะตอนนี้ฝึกท่องอาจารย์สามสิบสอง่ย่อไปต่อไปนัดข้าวตอนเราท่องชื่อไปต่อแล้ ว, ว <ๆ S 2> ต่อไปเราเน้นาวว่ามันต้องใช้ตดูเป็นใช้ดูแะนนด กกโปรคดูเนอย่างรมีในตัวเราหรืปลาใช่ไหมมีแต่เรามองไม่เห็นกันใช่เวลาเรามองร่างกายเราใหเราเป็นแท่งแท่ข้างในมันไม่่ดนมันอยู่้างในตัวมันมียัดไส้อยู่อยงนี้นมีทำไส้มีตับในไตมีอะไรอหู่ข้างในแค่เราไม่ชิดถึงมันก็มันไม่มีู่ีแล้วก็ปัญญาเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่สวยไมนางเลย เป็นไปได้ของพม่จา้างมีประการต่างๆห่ักที่เรต้องเรียนสารลงมาเราียกษาคือผมทั้งหลายคือมาคือผมทั้งหลายต้องได้ก็จะจะได้มีทางความรู้กระจ่างเป็นเกี่ยวกับร่างกายน้อของคนหนึ่งจะได้ไปเรียนเมืองไทยสอนไปนะค่ะประกาศยนพระอาจารย์ว่าคำสอนของพระอาจารย์ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากเลยเจ้าคะ่ะอย่างเช่นกรณีฉีดบัคตีนี่คะ่ะก็ก็มันคลายความกลัวความวิตกกังวลไปได้หมดเลยคะ่ะแทบจะไม่มีความกังวลเลยตอนไปฉีด น, น ะ, ะเจ้าค่ะคนะ่ะเวลาต้องไปฉีดเ้วจะรู้ว่าจะต้องกังวลหรือเปล่าสค้่ะอาจารเป็นวันไหนเจ้าค่ะเดือนหน้าวันที่ <c oughs> เจ็เดือนหน้าต้องรอแอสตาต้องรอยาแอสตาเป็นอีกค<ะ>่ะ ขอให้ฟ้าชันแต่ค่าปัดใช้ก็ค่ะคาะหนูไม่มีอะไรแล้วก็ขาดขอบคุณค่ะพรเจ้าพ่อรันบัสุจัเฟ็ดาเดียวกักบน้ำมัสการเจ้าค่าหลวงพ่อมีไรไเลย อ่าหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าลูกก็เจริญสติอยู่ตลอดเวลานะคะทุกสุกวันแล้วก็ลูกมีอาคําถามของสามีเจ้าค่พะพอดีแมวป่วยแล้วเขาทุกข์ใจมากอะ่ะเจ้าค่ะแล้วลูกอะ่ะก็เมื่อคันสอบที่แล้วลูกก็เอาธรรมาหลวงพ่อให้เขาฟังว่าที่เป็นคลิปสั้นๆกษาอังกินะกนะโซย่ะ ใ, ให้เขาฟังแล้วก็ เขาก็ก็ฟังเขาก็โอเคอัพขึ้นมานิดนึงแต่ก็ก็ไม่แล้วลูกควรจะจะจพูดยังไงเพื่อที่จะให้เขาแบบคลายตรงเนี้ยค่ะคือแมวป่วยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลผ่าตัดอย่างเงี้ยแต่ลูกเนี่ยสมัยก่อนลูกจะทุกข์จะตอนเนี้ยลูกคือลูกลูกเฉยลูกเบียขาได้แต่เขาคือก็เป็นเรื่องธรรมดาเจอแก่ปวตายเป็นเรื่องธรรมดา กับทุกคนทุกสัตว์ทุกค่ลในาระขายอัตร์ต่อไปก็เป็นคิวเราเต่อไปแล้วก็จะเป็นเหมือนแนวจนเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกก็บอกจังหวะลูกก็บอกแล้วลูกก็เอาธรรมะหลวงพ่อให้ให้เขฟังขอเวลาขอเวลาสีทีท่ า, <c oughs> าก็าไม่ทำท่านก็ไม่ทาใจก็ช่วนไม่ได้เจ้าค่ะลูกก็เขาก็บอกโอเคโอเคอะอย่างเงี้ยพอลูกเอา พมาหลวงพ่อให้เขาฟังว่าเขาอาจจะไม่ฟังไปและ้ะไม่อาจจะไม่ฟังที่จะรับธรรมะนะเจ้าค่ะเขาก็เขาเขาเขาก็บอกโอเค เ, เขาเข้าใจแต่ก็เขาก็ออยังทาใจไม่ง่ายทำใจไม่งายเ จ, จ้งค่ะก็ต้องหยุดคิดถึงแมวถึงยาทำใจได้อย่าไปคิดถึงมันคิดแต่ ว, ว่ามันตายไปแล้วเพราะว่า ย, ยังยังไม่ตายเขายังอยู่ที่โรงพยาบาลผ่าตัดอยู่ใช่ไหมหลวงพ<ต>่อก็เลย <ง S 1> <จะ S 2> สื่อไว้ก่อนท<ง>ี่ว่ามันตายแล้วนะจะได้มันจะดูดีหน่อยขอบค่าหลวงพ่อขอบคะเจ้าค่าถ้ามัอนหยุดคิดเนี่ยถ้ามันยังไม่หยุดคิดมันก็ยังทําจามได้แต่พอมันหยุดคิดแล้วมันก็จะทำใจได้ขอบค่าหลวงพ่อลูกก็บ อ, อบกเขาว่า ไอัสมาธอ้ก็นั่งสมาธินั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เขาก็ซึมเศร้าไม่ไม่ไม่ไม่หยุดทำงานไปเลยเจ้าค่ะแล้วก็แบบว่าอย่บเตียงอะไรเงี้ยลูกก็พยายามอย่างเป็นอานนี้ของสี่นาทีนะคลิปหลวงพอ่อสัส้นๆภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนโอเคโอเคอัพ okay, okay, ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ พอหมอวันนี้หมอโทวมาแจ้งอะไร ก, ก็ก่อน็หยุดทํางานเขา้าห้องซึมเศร้าอยนะ่างเนี้ยก็ช่วยอะไรก็ไม่ได้ก็ ป, กปล่อยเขากันเราก็ทําหน้าที่ของเรานี้ยเราก็อย่าไปเศร้าขเขาด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกพยายามพยายามพยายามที่จะเบีเ่ยงเบนเขาเจ้าค่ ะ, คะลูกก็บอกว่าเออเนี้ยก็ช่วยเขา เล็กน้อยแต่ว่ารู้ว่ามันมันไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาก็ก็โอเคก็ได้ระดับหนึ่งของเขาเจ้าค่ะแต่ลูกแต่ลูกก็รู้ตัวเองว่าเออโอเคลูกลูกวางเฉยได้วางเฉยได้มาก่อนจะเป็นเยอะจ้ะค่ะถือว่าเราทําหน้าที่ของเรานะช่วยเราหนะ้าถ้าช่วย ไ, ได้ก็ช่วยไม่ไนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะ หลวงพ่อเจ้าค่ะเราอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นหลายๆายคนบอกว่าจะฝันอย่างนี้ยอย่างลูกเนี่ยลูกไม่ไม่เคยฝันเลยเจ้าค่ะเพราะว่าหรือว่าลูกเจริญสติทั้งวันแล้วพอเนี่ยพอเราล้มหัวนอนแล้วมันมันจะมันจะไปเลยเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าฝันแล้ว ฝันลูกจะเป็นเรื่องจริงเลยอ่ะเจ้าค่ะเวลาที่ลูกฝันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็คอยสังเกว่ามันจริงทุกวครั้งเ็แบบถ้ามันจริงชั่ครั้งแสดงว่าเราแม่ไม่่ายหวยไม่มีเรื่องหวยอ่ะเจ้าค่ะจะ <c oughs> จะมีอย่างอย่างสมมุติว่าอย่างน้อยอีกคนหนึ่งเขาอยู่โตลอนโตแล้วลูกก็ฝันว่าเขาทำรองเท้าหาวเลยลูกก็โทรหาเขาเขาบอก รู้ได้ยังไงว่าเขาทํารองเท้าหายเขาบอกเขาลืมรองเท้าไปหมนซื้อใหม่แล้วลืมไม่หมดรถเมลแล้วเขาก็คิดถึงถึงคิดถึงถึงคิดถึงกี่เจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าทํายังไงอ่ะสามีเขาต้องดุเขาแน่เลยว่าวิอะไรเนี่ยอยู่อะไรยนี่ยคือแบบเหมือนส่งจิตมาที่ลูกแล้วแล้วตอนลูกฝันแล้วลูกก็โทรหาเขาเขาบอกรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงเขาคิดถึงอยู่เขาจะทํายังไงเขาลืมรองเท้ารองเท้าหายเนี่ยเจ้าค่ะ แล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งสามีไปประชุมที่ลอนดอนใช่ไหมเจ้าคะ่ะเขาบินไปคืนนี้เราพอตอนเช้าอ่ะตอนคืนลูกฝนันแล้วลูกก็บอกกำลังขับรถไปส่งน้องริวช่วงนี้ก็บอกน้องริวต่อโทรศัพท์หาแ ด, ดเดี๋ยวนี้เลยแล้วยกลูกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวยูจะมีเรื่องให้ระวังนะเรื่องผู้หญิงอะไรแล้วเขาบอกโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพอตอนบ่ายเขาก็โทรกลับมายูรู้ได้ไงวะเขากาลังประชุมแล้วก็ อยู่ดีพนักงานสติแตกอะค่ะโวยโวยขึ้นมาการที่ประชุมว่าเป็นพนักงานใหม่ว่าเข้ามาทํางานแล้วเขาไมา่ได้แจ้งว่าเขาป่วยป่วยนี่นะครับเขาก็เลยเขาก็เฮ้ยลูกก็เลยเอ๊ะก็ก็เลยเนี่ยอย่างนี้มันคือเนเรื่องที่เราต้องระวังถ้าไปพูดมันนี่ะมันเป็นเหมือนดาบสองคมชูกไหมครับก็ จะทำให้คน้องดีใจเลยหืออาจจะทาให้ท เ, เสียใจนะนะถ้าไม่ได้เไม่คนที่เาจะดีฝาเก็บไว้ดีเฉยๆจะคาะโอเคจะล้วบางทีก็อาจจะไม่เชื่อเราก็ได้ค่ะมันกาจะเข้าถ้าพูดมากหรือมันการเป็ น, นคนบ้าไปใี่ค่ะ ใช่จ้ะค่ะสมัยก่อนสามีกับน้องกเอาอีกแล้วแม่เธออีกแล้วอเงี้ยแต่ว่าอย่างตอนเนีนเเ้เขาโอเคเขาเขาเารู้แล้วเขาก็เลยสมัยก่อนพอลูกเอาอีกละเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยจ้ะค่ะก็รู้เขาเข้าใจเขาพูดได้แต่คนที่เขาไม่รู้เร า, าจะเชื่อหรือเปล่านะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเพราะจากท่านก็บอกเข้าไปเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ว่าลูกส่วนมากก็จะไม่ไม่พูดแต่ว่าถ้าเป็น กับสามีกับลูกหรือคนสนิทเฉพาะในครอบครัวลูกจะบอกแต่ถ้าเป็นคนอื่นเงี้ยลูกจะไม่พูดบางทีบางทีไม่ไม่ทราบยค่ะลูกก็จะไม่ไม่ไม่ไม่พูดจะพูดแต่กับสามีกับลูกกับกับครอบครัวเฉยๆเองจังค่ะรูไว้ใช่ว่าใส่บาตรแต่งงานะไม่เิยๆ ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรใช่มไ้อไ้อัอะไรจะเกิดต้อง okay. เกิดแล้วก็หามมันไม่ได้จ๊กค่ะจ้าค่ะจ้าค่ะมีคนี้นค่ะไสุดให้สบายนะสาธุสาธุจ๊กค่ะสาธุสาธุไม่ชิลล์สิ่นัใช่ไมไม่ฉีลล์สิ่งนั้นใช่ไหมยังจ๊กค่ะอเคค่ะไม่ไม่ชิลล์ก็ไม่ไม่อยากชิ ยังยังไม่ถึงคิวเราแต่จริงๆแล้วที่บ้านเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้พีิอาพีปสิบไปไปฉีตอนแต่ลราบ้านเราไม่เอา เ, ออเราบอกว่าเราจะตามคิวน้องยิ่งริวเขาบอกไม่เลยริวจะไม่แซงคิวเด็ดค่ะเราก็อุตส่าห์ทรนโมทนาบุญขลุกโอเคอ่า <c oughs> โอเคนะ <c oughs> ขอให้เขาการปลอดภัยนะ สาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุขอใหหลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเจ้าค่ะคุัจันที่อได้ไหมอยู่ที่ไหนจันมือพอยู่ามากกราบนมัสการผู้อาจารย์ค่ะอยู่บางกอกนนทบุรีค่ะพู้อาจารย์อะไรออจะถามพ้อาจารย์ข้อหนึ่งอ่ะค่ะ คือเวลาเราทำสมาธิอะค่ะนั่งนั่งหลักการแล้วดูลมหายใจแล้วก็ดูพุโทโธพุธโทโธสักพักหนึ่งมันเหมือนจะมีอะไรน่วงนวงอยู่บริเวณกลางหน้าผากเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจไม่เป็นไรไม่ใชอะไ ร, ไ อ, ะไรอย่าไปอย่าเจ็ลงเข้าดูลมต่อครับเราก็พยายามดึงกลับมาที่ลมเหมือนเดิมอย่างเนี้ยใช่ไหมใช่อยู่กับลมอย่างเดียวอย่าอย่าไปตามรู<อ>้เรื่องให้รู้อยู่กับเรื่อง่มเนียวให้อยู่ที่รู้อยู่ที่จุดเดียวด้วยไหม ที่ปลายจนถึงต้แล้วลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราเราให้มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปบใช่ใช่ใช่ไม่ต้องไปบังคับแล้วก็แล้วอันที่สองค่ะอาจารย์คือมันมีความรู้สึกทุกข์ข้างในมากแต่มันบอกไม่ถูกว่าความทุกข์นั้นมันคือทุกข์อะไรมันมันรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกทุกข์แล้วก็เบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของจิตที่มันไม่ได้มันไม่ไปตามเสด็จมันก็เลย ถ้าจิตถ้าจิตสงบแล้วความทุกข์มันก็จะหายไปพยายามทําไปเรื่อยๆค่ะอ่ามีแค่สองข้อแค่นี้ก็กับควาควบคุมใจอนนี้มันทุกข์ก็ตอนนี้มันทุกข์ก็ต้องทนอยู่กับมันไปเราพยายามทําใจให้สงบทำนั่งสมาธิถ้าใจสงบแล้วทุกข์มันก็จะหายไปค่ะค่ะโอเคให้เรื่องก็จบไป คุณอนุมารเหรอแก้วบัวเชิญอนุมกามาส ก, การพระอ า, าจารย์เจ้าค่ะพอดีเพ่งไม่มีจ้ค่ะร่วมฟังธรรมจค่ะโอเคอเน้นก็อ่านนี้นะถ้าไม่มีอะไร<า>คุณนันนันพัฒน์เชิญคุณนันพัค่ะาสตรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหน อยู่กรุงเทพเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เข้ามาจอยทางซูมเจ้าค่ะมีการรับมีอะไรไหมมีมีคำถามเจ้าค่ะพอดีลูกอ่ะปฏิบัติกับครูบาอาจารย์มาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วเจ้าค่ะก็ก็ได้ผลปฏิบัติมาลำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะกับกับเรียนพระอาจารย์ถึงผลนะเจ้าค่ะไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าก็คือลูกเป็นคนนั่งสมาธิไม่ค่อยได้แต่ลูกชอบ สวดมนต์ยาวๆค่ะลูกก็เลยใช้วิธีการเวลานั่งรถไฟฟ้าก็เอาบทสวดมนต์ยาวๆนั้นมาสวดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเวลาเดินงานหรือว่าเวลาว่างๆก็จะสวดมนต์ไปด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะผลที่เห็นก็คือลูกอาจจะทํางานหนักมากบางทีถึงเที่ยงคืนบาง ท, บางทีบางทีปฏิบัติธรรมอยู่ก็มีโทรศัพท์มาเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วิธีการที่สิ่งที่เห็นการพัฒนาของตัวเองขึ้นมาก็คือว่าความลาคาญเราจะน้อยลงอย่างเงี้ยเจ้าค่ ะ, คะพระอาจารย์ก็ เวลามีงานหลายๆอย่างเข้ามาเราก็จะสามารถตั้งสติแล้วก็จัดการกับมันได้มากมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้ราคาญหรือว่าโทษใครอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่แต่การนั่งสมาธิจะดูลมหายใจไม่ค่อยได้เจ้าค่ะแล้วก็เวลานั่งพอสงบมันก็จะมีความว่างแล้วบางทีก็มีความคิดขึ้นมาลูกก็เลยไม่มั่นใจว่าเวลามันสงบแล้วเราต้องทำยังไงต่อเจ้าค่ะเราพยายามประกองให้มันสงบเป็นนานๆอย่าให้มันคิดอะไรอยเ ถ้าถ้ามันคิดนี่ให้มาหาลมหายใจกับพุโทโธอยงนี้เหรอเจ้าคะถูกต้องดูลมไปก็ได้เ่องพุโทโธไปก็ได้โอเจา้าค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วการที่เราสามารถวางจิตให้เราหุดจิตน้อยลงหรือว่าการกับการางานได้มากขึ้นแสดงว่าการปฏิบัติของเรามีผลใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องมีสติมากขึ้ น, จนใจปล่อยวางใจไม่ไปปริแตงมากขึ้นก็เลยเฉยๆมากขึ้น ค่ะแล้วก็ลูกลูกได้ฟังพาร์ตการที่บอกว่าความอยากของลูกมันก็จริงด้วยเจ้าค่ะพอดีตอนนี้ยิ่งโควิดเวิร์กฟอร์มโมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะการที่จะไปซื้ออะไรหรืออยากซื้ออะไรเพิ่มที่ไม่จําเป็นมันน้อยลงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะต้องแสดงว่าแล้วเจ้าศัยพันธุ์มันมาทํามาสอนให้เรารู้ว่าความอยากของเราเที่มันไม่ไม่จะเป็นสิ่งที่จําเป็นเลยค่ะ แล้วก็เรื่องความฝันเหมือนกันเจ้าค่ะลูกสงสัยลูกมีความฝันบ้างแต่ไม่ได้เป็นความฝันที่เป็นมงคลหรือเป็นอ่ามงคลอย่างเนี้เจ้าค่ะแต่อาจจะเห็นว่าเกิดอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้เจ้าค่ะแสดงว่าจิตยังไม่สงบพอใช่ไหมเจ้าค่ะที่มีความฝันใช่จิตเราจะช่วยปรุงแต่งก็เป็นธรรมดาทุกคนฝันมากแต่ฝันมากฝันน้อยอยู่ที่ว่าจิตเราสงบมากสงบน้อยถ้าสงบมากก็จะฝันน้อย สงสารหนักก็อยากั ง, กงค่ะกลับเรียนถาม น, นิดนึงเจ้าค่ะถ้าระหว่างที่ลูกจิตยังไม่สงบก่อนภาวนาลูกสามารถสวดมนต์สวดมนต์ไปให้ให้จิตสงบนได้เจ้าค่ะเพราะว่าทีทาได้ทํางา น, นทํางานมาเยอะๆ อ, อ, อย่างเงี้ยเจ้าค่ะกว่าจะสงบถึงจะฟุถ้าไม่ฟุ้งทำเรื่องงานก็สวดมนต์ไปก่อนลดลดความรุนแรง คุณป๋าจะสามารถมาดูลมแลพุทโทได้ถ้าดูลมพุทธโทค่ะหลักการก็คือถ้าถ้าสวดมนต์เสร็จจิตเริ่มสงบให้เข้ามาดูลมหายใจหรือพุโทโธสมมติว่าอ่จิตออกไปจากพุทธโทรหรือลมหายใจก็กลับเข้ามาหาพุทธโทกับลมหายใจแล้วถ้าจิตมันสงบและมีความว่างก็ให้ดูความสงบแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องสนใจใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เป็นเชื่อใจอย่ให้ดูเฉยเฉย ให้ให้เหมือนรู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างนี้นใช่ไห ม, ไมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าถ้ามีความคิดก็กลับมาหากรุงภาวานาก็คือเป็นลมหายใจหรือพูดโธยอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ต้องอ๋อเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็บางครั้งลูกทํางานมากเที่ยงคืนตีหนึ่งลูกสวดมนต์นิดหน่อยก่อนนอนอย่างเงี้ยพอพอได้ไหมเจ้าคะคือบางทีมันงานมันเยอะมากจริงๆเจ้าค่ะแล้วได้ไม่ส่วนอะไรก็ได้ถ้าไม่ได้ร้าก็นอนไป่าี้ ค่ะ <C hh> เอาเอาให้แต่แต่ระหว่างวันลูกลูกว่างจากการหยุดงานพักพักจากการบางช่วงมันตั้งสวดมนต์เล็กๆอย่างนี้จะค่ะพระอาจารย์เป็นขั้นเวลาการทํางานอย่างนี้ค่ะให้มันเข้าท้องที่เราก็ดีโจมันจะได้สติได้ตามธรรมะแต่ก็เดินไปเลยมันไม่รู้เวลาไม่รี้กำลังมันจะนอนก็นอนอย่างนั้นนะคะ้ะคจะ เจ้าค่ะแล้วลูกบางทีลูกเดี๋ยวนี้คือลูกทํางานดึกปฏิบัติก็ดึกบ้างอย่างเงี้ยค่ะลูกไม่ได้ตื่นใส่บาตเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ลูกทําบุญแบบเป็นค่าพัฒนาหานค่าสังกทานทิปอะไรเงี้ยก็แทนอย่างเงี้ยค่ะใช่ทำใจได้ไม่ต้องใส่บาตนะครับอแล้วอีกเรื่องหนึง่งเคยเคยมีคําถามนี้ถามพระอาจารย์ไปเบื้องต้นแต่ได้คําตอบแล้วแต่รีรีคอมเมนต์อีกทีหนึ่งเจ้าค่ะคือตอนแรกอะ่ะลูกมีความรู้สึกว่า คือลูก่ยังเป็นหลักของพ่อกับแม่คือยังทํางานแล้วก็ส่งเงินให้ที่บ้านใช้อ่ะค่ะช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าทุกอย่างค่าชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความคิดว่าหรือเราจะเอาเงินสักก้อนให้เขาแล้วเราออกไปปฏิบัติเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พระอาจารย์บอกว่าให้ทําหน้าที่ก่อนก็คือยืนยันว่าถ้าตอนนี้พ่อแม่ยังพึ่งเราอยู่เราก็ต้องอยู่ในหน้าที่การงานทําปฏิบัติเท่าที่เราทําได้นปัจจุบันที่บ้านไปก่อนใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ไม่ด้เหว่ยวาถ้าเราไปปฏิบัติได้เราก็ให้มีก้อนเข้าไปสักะ ก็อยู่ที่ว่าทําให้เขาเดือดไหมใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ใช่ไม่ทอดซึ้งแต่ให้น้องอยู่อย่างสบายก็มีมีหมดคําถามเท่านี้เจ้าค่ะเอกราบเรียนถามเจ้าค่ะพระอาจารย์เริ่ม z ู o วันวันพุธนี้เวลากี่โมงนะเจ้าคะเผื่อลูกจะได้เร็วสิดตันสองเริ่มสองชั่วโมงใช่ไหมเจ้าครับพอพอพระรู้ทํางานเสร็จ จะได้เข้ามาก่เิค่ะกับขอบาคุณพระจัดค่ันต่อไปคุณนักชุสิจันอันเกันมควนามัการค่ะได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินเชิญอ๋อเอออยากจะถามค่ะอาจารย์ว่าเวลาที่เราเอ่อเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ว่าการพิจารณา ออสุภะอะไรแบบนี้ค่ะคื อ, อเกษารมานะขาทันตาตะโจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทีนี้ยมอยากจะถามว่าเราเราเรา err, เริ่มแรกนี่เราจะทำยังไงคะก็กระทำาชื่อมันเป็นต่อเนี่อเกสาคือผมทั้หลายน้าขาคือเล็บทัางหลายธันต์คือฟันทั้งหลายไปจะยังครบอาการสามสิบสองคือแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวะค่ะอาจารย์ รล้วทีนี้ยมก็ทําแบบภาจาันในทีนี้ยมก็แบบว่าอพอพิจารณาเกสาเนะี่ยยมก็จะไปดูที่ผมใช่ไหมคะก็คือเหมือนกันเอเราอาจจะเป็นอาจอาจจะเป็นการมโนขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมได้ได้ค่ะและทีนี้ยมก็พิจารณาไปเรื่อยๆแต่ตอนแรกเนี่ยคือที่ยมปฏิบัตินี่คืออดูจิตเราจะดูแบบว่าทีนี้มันมาซ้อนกันอนะภาจาันก็คือพอพิจารณาไปแล้ว พอเราพิจารณาเกสาลมานะคะไปเรื่อยๆโยมก็จะไล่ไปตามทุกอย่างในร่างกายใช่ไหมคะแล้วทีนี้บางทีมันจะมีอาการของจิตเกิดขึ้นก็คือว่าบางทีจิตก็ไปคิดอะไรแบบนี้อาจารย์คือมันมั น, ม, นมันแบ่งกันทีเนี้ยทีเนี้ยโยมอยากจะถามอาจารย์ว่าเออเราจะทํำยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ให้อยู่กับรากายสาิสองไปถ้าเราจะพิจารณาร่างกายแล้วเราไม่อยู่กับร่ากายสาสอง มันจะไปก็อย่าปล่อยนแล้วจะตามมันไปแําอยู่กับอาจารย์จไมแล้วเวลาที่เดินเดินจงกรมอะค่ะเอ่ยยืนค่ะยืนยืนจงกรมอย้โยมที่จะยืนอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันมันจะลอยอะอาจารย์ไม่เป็นไรนะรูเสึกมันไม่ลอยหรอกมันไม่ลอยใช่ไมเพราะว่ามันไม่เคยอะยืน ยืนยืนไปยืนไปนี้จะลอยแล้วยืนเๆอย่ายืนเฉยๆมันต้องให้มีอะไรดึงใจไว้ดึงใจไว้อย่างเดียวเลือดูลงอย่าต้องต้องมีบริกรรมใช่ไหมคะบริกรรมพุทธทก็ได้ถ้าดูลงหายใจเข้เพราะว่าปกติแบบเวลาที่ยมยืนหรือว่าเดินอะไรอย่างนี้ยมจะดูแบบว่าสังเกตร่างกายคือมันมันจะเห็นหมดเลยอาจารย์มันจะเห็นความเคลื่อนไหวของร่างกายหูได้ยินอะไรคือมัน คือเวทนามันจะเข้ามาหมดเลยอย่างเงี้ยเวลาเดนนนินก็ดูาการเคลื่อนไหวของน่างกายนะแต่พอมันอยู่ในเส้มันม่เคลื่อนไหวก็ต้องดูได้ดูลงก็ดูทุโทไปต้องดูอะไรห ไ, ไหมยึดยึดเหนี่ยวจิตใจว่าหายใจมันไม่มีอะไรนะแล้วมันจะสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกหลอนอาจารย์คะแล้ว เ, เคยก็คือไม่ได้ไม่เคยได้ถามแต่จะถามสักครั้งนึ่งว่าเ อ, อ โยมเคยพิจารณานั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้อืพอจิตมันรวมใช่ไหมคะจิตรวมมันก็มันสว่างขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเราไปเห็นตรงที่ว่าจิตเนี่ยมันไปเห็นก็อยู่ๆก็มีออ่ลมหายใจเนี่ยปรากฏขึ้นมาเป็นเป็นขั้นเป็นท่อท่อเป็นขั้นๆอย่างเงี้ยอาจารย์ให้รู้เฉยๆไปให้รู้เฉยๆไปใช่ไหมคะ ไม่อะไรแล้วค่ะอตอบก็คุณอาจารย์มันเกิดก็เกระดับขึ้ไป อ, อย่ายุ่มเราเราไม่ต้องไปไ ม, งไม่ต้องไ ป, ไงไปค่ะไม่ต้องไปอะไรก็คือให้เขาเกิดไปเรื่อยๆเขาเจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ดูไปเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าที่ดีอย่าไปตามรน้ตดูลักลับมาดูลมกลับมาที่ทุกคนอบางทีมันเป็นภาพลวงตาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มันจะหลอกเราได้ถ้าไม่ปิดไม่เสมอ กัมาที่ทุกโตกลับม่อ่าเข้าใจนะเข้าใจ อ, ะอ่ะพอไปที่ด้านตอบไปอ่าคุณแพทย์แพที์นิดนสวัสดีครับอ่านมัส ก, การครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาผมชื่อพักพงนะครับพอดีอเขียนสั้นนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเข้าซูมกับท่านอาจารย์ อดีว่าฟังคลิปท่านอาจารย์อยู่หลายครั้งนะครับทีนี้เริ่มจากสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มเหมือนเล่นเกมกับตัวเองว่าจะกลับมาลองฝึกสติอีกครั้งหนึ่งโดยที่ใช้คําภาวนาคือพุโทโธที่ท่านอาจารย์ได้ไไดได้้สอนทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่ผมทําอยู่เนี่ยมันมั น, ม, นมันใช่ที่ควรจะเป็นหรือเปล่าโดยที่ตั้งแต่พอลืมตาขึ้นมาผมก็จะนึกคําว่าพุโทโธ แล้วก็ผมรู้ว่าผมกาลังจะขยับตัวไปเข้าห้องน้ำผมก็จะบอกว่าพุทธโธกาลังจะไปเข้าห้องน้ำาราเดินไปเข้าห้องน้ำผมจะจับแปลงสีฟันผมก็นึกถึงพุทธโธแล้วก็บอกจับแปลงสีฟันผมไม่แน่ใจว่ามันควรจะเป็นแบบไหนนะครับทีนี้อ๋อไม่ไม่ต้องพูดโจก็ได้ถ้าเราดูร่างกายก็ดูกับร่าเกายครับอาจารย์่องพูดโจแปลงฟันก็แปลงฟันเดินก็เดิน นะสาบน้ํานักหนะครับน้ำานัให้รู้อยู่กับการที่เราทำเยอะแยะยอะมาครับถ้าเกิดอย่างนั้น อ, อุบายที่จะสอนตัวเองต่อก็คือว่าหาผมหลุดจากการที่อยู่กับปัจจุบันให้ผมนึกพุโทโธทันทีใช่ไหมครับเพื่อจะได้บอกพุโทโธและขพระเจ้ามาอยู่ปัจจุบันจะยังจำได้อยู่ปัจจุบันสอบครับเพราะฉะนั้นเวลาผมกับวันนี้ผมก็ไปทํางานนะครับไปทํางานขณะที่ดูงานของตัวเอง แก็ผมก็จะไม่มีคําว่าพุโทโธอยู่นะครับแต่ผมก็ควรจะต้องมีสมาธิอยู่กับงานและขณะที่เมื่อตัดสินบนงานหรือพิจารณาบนงานเรียบร้อยหมดแล้วจิตที่จะคิดไปเรื่องอื่นผมจะควรจะต้องดึงคํามาที่เป็นพุโทโธอีกครั้งใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่เตลิดไปที่เรื่องอื่นนะอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ต้องใช้พุทธโธเป็นสาธครับเพราะฉะนั้นคือผมจะเอาอุบายพุโทโธตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนนะครับและหากไปทํา อสิ่งใดที่จะต้องใช้ความอ่สติสัพชัญญาก้ไปอยู่บสิ่งนั้นพุทโธก็หายไปได้เลยนะครับใช่ครับชื่อค่าวครับจำเป็้อนองแล้วเมื่อเมื่อไปทำเสร็จก็กลับมาที่พุทโธครับผมถ้าถ้าเกิดงั้นผมก็คิดว่าคิดว่าน่าจะไปทางนี้ครับก็ตอนนี้ก็คืออทำสองวันแล้วนะครับแล้วก็ทําให้การกลับเข้าไปนั่งสมาธิผมเป็นคนที่ล็อกวอล์กแว๊กนะครับชอบทําอะไรเร็วๆแล้วก็ไปนั่งสมาธิก็ไม่ ไม่ได้นานแล้วก็รู้สึกไม่สนุกอ่ารู้สึกเหมืออทํามาสองวันนี้ทําให้การเข้าไปนั่งสมาธิในห้องพระนะครับมันรู้สึกอ่าสัทธิ์ยันขึ้นอันนี้ผมผมพยายามดูตัวเองอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าที่ทําอยู่ถูกหรือไม่ก็มีความชัดเจนแล้วลครับเดี๋ยวจะได้ตอบครับได้เป็นผลจากการมีสติถ้าเวลานั่งมันจุดชัดเจนไม่ด้นานยืดเล่นไม่นานเวลานั่งถ้ามันยังไม่ยอมนุ่มกม็ต้องพูดโทไปแล้วสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ครับ ครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นเรียกว่าโควินซีเดนดีกว่าครับเพราะว่าผมเนี่ยฟังดูคลิปอาจารย์มาสักประมาณช่วงหนึ่งแล้วผมรู้สึกผมอยากจะจะไปกราบท่านีวันนี้มันก็โดยบังเอิญที่ผมเปิดมาดูแล้วก็เจอเจอซูมนั่นก็คือจะได้ได้มาได้มาสนทนากับอาจารย์ทางทางทางไลน์เนี่ยครับก็คือมันรู้สึกเหมือนกับ คนซิเด่นนิดหนึ่งคือคือมันประจบเหมาะ ก, กับสิ่งที่อยากจะได้เจอและก็ได้ถามในข้อข้องใจเดี๋ยวก็จะไปดําเนินการต่อครับผม uh, อยู่กรุงเทพครับอยู่พุทธมณฑลแล้วก็ทํางานอยู่ที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งวันนี้ก็ไปฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับคุณบนะ่าไว้เก้าท่านปลอดภัยคุณก๊อฟต์ก็คุณกอก๊ อ, อ, กอฟซูก๊อฟาอาห์กลับนมัสการครับ วันโน้นนี้ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมตั้งใจว่าจะทวนพระคือนั่งสมาธิครับแล้วก็วันนี้พอดีเพื่อนไม่ได้ไปสบายพระจารย์นะครับก็เลยไม่ไม่ได้ฝากไปอ่าแล้วก็เรื่องก็จะมีที่จะคุยก็คือว่าเรื่องผมต้องดูแลน้องๆเด็กๆที่ในร้านนะครับมันจะแบบวันหนึ่งต้องคิดมีความวุ่นวายมากแล้วก็กลังคืนก็จะฝันฝันร้ายฝันร้ายแต่ว่าเราก็ไม่ได้จําว่าฝันอะไรแต่ว่า เราไม่ได้ไปนสนใจมานะครับแบบนี้มันเป็นปัญหาเลยเปล่าครับก็รารอทุบ ก, กับมันหรือบปล่าาไม่ทุบกับมันก็เป็นปัญหาครับแล้วก็แล้วก็ผมจะมีเรื่องบางอย่างมากๆมันปีสองปีที่แล้วครับผมกเกเรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็มันเหมือนคําภาวนาหรือคาถาเนี่ยครับมันจะเป็นคาถาทาง ทางภัตตาอีโดครับเรื่องอุอากาศาอะไรเงี้ยครับมันจะมันจะเล่นเข้ามาในหัวแล้วก็ผมว่าจดเอาไว้แล้วก็คาถาเนี้ยมันมาเตือนตนว่าเออต้องเลิกคบเพื่อนไม่ดีอะไรเงี้ยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ประหลาดครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบอยู่เรานั่งทํางานอยู่มันก็ลอยเข้ามาแล้วก็จดไว้แล้วก็ไปแปรแล้วมันก็มันมันเป็นอะไรที่มาเตือนนะครับผม กดีคืออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีมาสอนใจแล้วก็รับเอาไว้ถ้าสอนไม่ดีเราก็อย่าไปไอย่าไปรับถ้าสอให้เราไปทาบาตทํากรรมเราก็อย่าไปแล้วแล้วทีนี้มันจะทําให้ผมรู้สึกว่าแบบมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมปฏิบัติสมาธิอะไรเงี้ยที่ผมเคยได้มันก็มีจริงก็เราเอาไปใช้ว่าแบบว่ามันมีจริงแต่ว่าผมยังติดว่าแบบว่าเออถ้าผมจะละลึกชาติได้ เนี่ยครับผมก็ผมเข้าใจย่สัตดิ์ศรีในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าคิดว่าหรือถ้าเรารึกชาติได้เราจะแบบแบบผ ม, มทำงานแล้วผมจะเอาไปปฏิบัติเลยครับอาจารก็ไม่จําเป็นหรอกเมื่อเราลึกชาติได้มันก็ไม่ได้ทำให้เราประหยักจะได้หรือไงมันต้องเห็นทุกเห็นสมุทัยเห็นรอดมากมันจะทําทให้เราประหยัดใช่ไหมมันก็เห็นตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังเป็นเด็กหน้าที่การงานมันก็ต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องทําไปครับผมก็ อยาขอปฏิบัติแล้วครอบพูดกันไปแล้วก็ได้ตั้งใจอย่างที่ทําแล้วก็ทําไปเรื่อยๆก่อนนะคะรับพิจารณ์ก็ดีทําไปเท่าที่เราทําได้แล้วกันแล้วก็นน อ, อยากไปอยาเกเนความสามารถจะได้ไม่ทุกครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้รอนานมากเลยครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับสองจำนวนสีสินาทีแลนะ ค, คุณจอยเชิญคุณจอยก่อนเป็นยังไงพี่เจ สะบอกไมุ่่นไม่ไมได้ได้แล้วค่ะได้อะไรแต่ว่าเอาเอาอยู่ค่ะเอาใจอยู่อ่าอ่าดีเอาโลกอยู่แบบเอาใจอยู่แต่นูกนนี่เอาอยากกว่านะใช่ค่ะลุงเราบังคับมัน ไ, ได้ใจเราเราบังคับมันได้นะใช่ค่ะปักไปนอนได้แล้ว คือเขาเขาเข้เขาจะวุ่นมากเลยค่ะไฟเขาวุ่นไฟอะไรกันไปวุ่นกับเขาแล้วกันหนูก็พยายาอยู่ว่ายังคินอยู่ว่าถือศีลจะตีลูกนี่บาปหรือเปล่าไม่ถ้าถ้าสอนมันไม่บาปแต่ถ้าตีด้วยความโกรธก็บาปนะอ๋อไม่ไม่โกรธหรอค่ะแต่ อ, อยากให้เขาต้องสอนมันก็ต้องตีบ้างเรียกลูกให้ตีเสียงวัวให้ถูกนะววลายเพราะว่าถ้าถ้าตีด้วยด้วยด้วยปัญญาด้วยสติไม่เป็นไร ถ้าตีด้วยเราไม่ไม่ดีไม่ควรอ่าก็อาทิตย์นี้ไม่เป็นอะไรค่ะเอาใจวางใจได้ค่ะอะอย่าพยายามรักษาใจให้ดี้เอย่าไปวุ่นวายกันเรื่องของคนอื่นแล้วนะใครจะเป็นไงก็เรื่องของเขาพยายามคิดแต่ว่าสัตว์แต่ว่ารู้รู้อย่างเดียวพอดีแพูดโชว์แปลว่าพูดโชว์แปลว่ารู้รู้เนี่ยรู้รฮะเฮ้เฮ้ยเป็นยังไงว้เฮ้ ไปอยู่ที่แทสนุกไหมดีไหมคิดถึงน้องตาไหมคิดถึงใส่บาตรหรือเปล่าได้ได้ใส่บาตรหรือเปล่าอยู่ที่นั่นใส่บาตรหน้าบ้านเลยค่ะพ้าบาตรหน้าอ่าดีใส่เผื่อเฉยนะที่ไหนก็ได้ได้บุญนั้งนั้นอ่ะแต่บุญเหมืกันเดี๋ยวรอถ้าไปหาแม่แม่อยากไปใส่แบบไม่มีใครพาแม่ไปใส่เลยอแม่อยู่พัทยาอยู่เลยค่ะ ก็ว่างๆก็แวะมาใส่กันบ้างก็ได้นานๆไปอยู่แล้วค่ะโ <Okay. S 2> อเคเออวันนี้ <พอ S 2> ไม่มี<ล>อะไรนะในประเทศคุณไฟโฟนของคุณยงุงคุณยุงหรือคุณยงัณยงเปิดเิดไมโครโฟนก่อนคุณยุงก่อนอคุณยุงยังกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์อยู่ทีอยุง ปกตินี่เป็นคนสงขาค่ะอําเภอสระดา mm hmm. แต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยมามาอยู่อยุธยาเกือบอ่20วันแล้วค่ะมาดูแลแม่สามีค่ะมาฟื้นฟูไต mm hmm. ตอนนี้อยู่อยุธยาค่ะเลยเข้ามาที่ซูมมาอ่ามาฟังค่ะมาฟังเพื่อนๆนแล้วก็มีข้อสงสัยนิด น, นึงค่ะอาจารย์พอดีเหมือนแม่สามีเขาป่วยใช่ไหมคะปกติเนี่ยโยมจะจะเปิด ธรรมมของพระอาจารย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ฟังแต่ทีนี้แบบเหมือนเหมือนอเหมือนสามีแบบว่าพอฟังพอเห็นเราเปิดอะไรเงี้ยก็คือคือเขาบอกว่าลำคาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊แต่ว่าเราก็ไม่ได้โกรธนะคะก็คืออยากรู้ว่าเราจะมีการเอ่อพูดหรือว่ายังไงให้เขาแบบให้ให้ให้ใหันเข้ามี คือฟังธรรมะฟังคลิปอะไรพวกเนี้ยให้เข้าไปในหัวหรือว่าให้มีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าว่ า, วามันเป็นสิ่งที่ดีนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจเรื่องการที่แบบเราสนทนาทางซูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกที่เขาไม่ไม่โอเคอะไรเงีย้ยค่ะเลยจะถามประจําเาต้อยอมรับว่ามันเขายังไม่พ ร, อพรอ้อมแล้วแต่เราต้องมีงที่ความพร้อมใช่ถ้าไ ม, ม่พร้อมก็อย่าไปยั่วยุ คให้เขายินดีเมื่อเขาพร้อมแล้วก็ยินดีแต่ที่เขายังไม่ต้องการก็อยากไปบังคับเขายิยินยิงไปบังคับเราก็ยินต่อสั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะถ้าถ้าเหมือนตอนนี้คือคือแม่สามีเขาเขาตอนนี้การฟื้นฟูไตเนี่ยคือเขาให้ทานแต่ผักอย่างเดียวไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะ่ะทีนี้เขายังทําใจไม่ได้คือ พอเห็นผักเนี่เขาก็จะแบบไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเขาว่าอย่าพยายามยุดติดนี่ถูกต้องไหมคะพระอาจารย์ไม่ควรไม่ควรไม่บังคับขอาป่วยไปตามที่เราใช้ของเมาร่างกายของชีาชีวิของเขาถ้าเขาไม่ยอมละเขาไม่ยินดีจะรักษาก็ไม่หวังเขาไปเราเป็นหน้าที่บอกเขาแล้วก็พอแเ้าก็จะทําตามหรือไา่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอืมค่ะ ไม่งั้นดี๋ยวจะโกรธกันจะโกรธกันแล้วก็อยากให้เขาห<ช>ยายใไป<ว>เขาขาดไปบังเข้าให้เขากินใหเขาที่เขาไม่อยากกินมันก็เลยเดี๋ยวก็โกรธกันไปเปล่าอือก็ทําเท่าที่ทําได้เต็มที่นะคะใช่เออ่อยก็ตามอัทยาศาสตร์ถ้า แ, แม่ไม่ชอบกินผักจะกินเนื้อ ก, กไปเนื้อของแม่ชีวิตของแม่มแต่มันอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะปวดนะถ้อแม่แม่แม่กินเนื้อก็โอเคจก ลองเราลองประชดหน่เนี๋ยวน้าอยากกินอะไรนะหนูจะหามาให้เลยตอนนี้คือหมอเขาห้ามกินเนื้อเลยถ้ากิน<ม>นี่คือขีขอยเยอะใช่หมอหมอเขพูดตามเรื่องของหมอไปแต่คนไข้เขาจะกินเนื้อจะไปว่านยังไงแล้วก็ต้องฟังคนไข้คนนึกแต่เนื้อของกินอร่อยอร่อยอะค่ะอาจารย์ไปก็กินไปเถิดเยอก็ตายแล้วล่ะกินปก็ตายกินเนื้อกระตายอ๋ออย่างน้อยก็มีความสุขในการให้เขอยู่ดีกว่า อย่าไปบงังคับให้เขาทุกข์เลยอืมค่ะได้ค่ะค่ะนะมีวันนี้มีเท่านี้ค่ะพระจานทร์โอเคนะอบมาค่ะสาธุทุกค่ะใครต่อเลยคุณวนทาครับคุณวนทาเชิญคุณวนทากาวนามสการพระจานทร์ค่ะ อาทิตย์หนึ่งานไปอย่างรวดเร็วนะครับเร็วที่เราเพิง่งเพิ่งคุยกันว่าเมื่อวานนี่หยบหยบไงใค่ะก็กลับมาจากการไปวิเวกมาค่ะพระอาจารย์ก็อยากจะขอคำแนะนำเป็นการว่าเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าตัวเองใคร่ครวญอย่างนี้หรือว่าพิจารณาอย่างนี้ถูกต้องถูกทางไหมอยากให้พระอาจารย์แนะนํานะคะพอเราได้กลับมาอยู่ในความสงบค่ะไปอยู่ในความสงบขอ ว, บวิเวกตอนนั้นไปได้แปดวันนะคะก็รู้สึกว่า จิตสงบดีค่ะได้รู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเองนะคะแต่พอเรานั่งปฏิบัติเนี่ยสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นคือเราเห็นความคิดเป็นเหมือนลักษณะเหมือนน้ําไหลมันไหลออกมาเป็นแบบทางไหลค่ะแต่เราอ่ะไม่เข้าไปปรุงในความคิดนั้นนะคะแต่เห็นแค่ว่าเราเป็นผู้รู้ความคิดนั้นแต่ไม่เห็นว่ามันคิดอะไรหนูจะไม่เอาความคิดเอาความรู้สึกหรืออะไรไปปรุงแต่งไปจับอะไรนี่กลับมาอยู่กับตัวผู้รู้ กับความรับรู้ว่าเรารับรู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นแต่มันเป็นเหมือนภาพอะค่ะให้เห็นไหมหนูจะเปรียบเทียบว่ามันเป็นภาพแบบเปิดน้ําแล้วน้ําไหลออกมาแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของน้ำนั้นแต่เราไม่เข้าไปรู้ว่าน้ํามันเย็นมันร้อนมันเป็นอะไรแต่รู้แล้วรู้ได้ว่ามันถูกความคิดทั้งหมดขึ้นมาแต่ว่าก็ดึงจิตของตัวเองกลับมาอยู่ในตัวผู้รู้ให้อยู่กับความสงบ อันนี้หนูวางจิตได้ถูกต้องแล้วหรือไม่คะขอคําแ น, นาะนําจากพระอาจารย์ก็จบแในระดับหนึ่งนะแต่ต้องรู้ว่าความคิดนี้มันสามารถคิดไปในทางที่ทําให้เราทุกขก็ไ ด, ด้ทาให้เราสุขก็ได้เก็ต้องคอยกันอย่าให้มันคิดไปในทางที่ทําให้เราทุกข์ทางที่ทําให้เราทุกขคืออะไรคิดคิดอยากต่างๆอยากได้นื่นอยากมีนี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่ความคิดที่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ เราอยากปล่ายห้มันคิดไปในทางนั้นใา้มันคิดไปในทางขอความคิดคิดเปในทางการการไม่ต้องการอะไรการต้องการอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวเนี้ยต้องต้องดูด้วย่อมันคิดเป็นทางไหนมันมันไม่มีความแต่มันเหมือนแบบว่าเป็นความคิดคือมันเป็นเหมือนภาพว่ามันเป็นความคิดที่ไหลออกมาแต่มันไม่มันไม่สามารถบอกว่ามันเป็นความคิดก่อห่อฮองอหนูก็จะดึงกลับมาอยู่กับความสงบ แต่มันเห็นเปนภาพอยู่กับผู้รู้แล้วกันถ้าอยู่กับผู้รู้ให้รู้เฉยๆไปใช่คะค่ะอันนี้วางจิตถูกแล้วใช่ไหมอาจารย์แล้วให้สักแต่ว่ารู้ค่ะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นออกมาข้างนอกเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไปเสียงชมก็ว่าก็ได้ยินว่าเพาชมเราเสียงด่าก็ได้ยินมาเพาด่าแต่อย่ไปมีปฏิกิริยากับเสียงที่เราได้ยิน กับภาพที่เราเห็นให้รู้เฉยเฉยคือพระอาจกํากำลังแนะนำว่าหลังจากที่เราต้องออกมาจากการทำสมาธิเราต้องเอาวิชาหรือไอความฉงงนั้นมาใช้มาใช้กับกับสัมผัสต่างๆที่เรารับรู้สําโลกเฉยเฉมนกลับะแต่คราวนี้ถ้าเรากำลังไม่พอเราไปรับรู้ข้างนอก ตัวที่จะทําให้เรากลับมาได้เร็วกับผู้รู้ได้สุคือต้องกลับมาดึงมาอยู่กับผู้รู้เราแล้วก็อยู่กับผู้โทรใช่ไหมคะใช่ใช่ใ่ผู้โทรดินกลับมาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแค่กํากับใจไปเรื่อย <S <S ๆ, ๆแค่นี้พยายามรักาษาใจให้เป็นผู้รู้อย่างเดีวยวอย่าไปเป็นผู้กระทำํำอย่าไปเป็นผู้คิดผู้ผู้ตอบโตตอบอะไรทั้งหมดถ้าไม่จำเป็นจะต้องตอบโตก็ไม่ต้องบางทีมันจะมีหลุดพระอาจารย์บางทีหนูก็ใช้วิธีนี้ไม่ไม่แน่ใจว่า ถูกต้องหรือควรไหมนะคะว่าบางทีเราเร า, เราไปกระทบกับสิ่งที่เราต้องไปรับรู้ในสภาวะกับสังคมโลกเนี่ยเรากลับมาพูดรู้ได้แต่ว่าบางทีมันมันแบบมันแบบเหมือ น, แบบนจิกไปแล้วบางทีหนูต้องกลับมาใช้คําด่าตัวเองอะอันนี้อันนี้ถูกก็แสดงว่าสติของเาบางทีมันเผลอไปปล่อยให้กิเมันออกมาเล่นแล้วด่าเนี่ยใช้ได้นะคะบางทีแบบด่าเล็กับตัวถ้าด่าตัวเราเนี่ไม่เป็นไรถาด่าตัวเอง ดาแล้วดาแล้วทําให้มันกลัวทําให้มันหยุดกระดาไปเลยค่ะก็ค่ะก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแบบการวางพกการวางจิตนะคะใช่ค่ะวันนี้ความสุตให้เป็นผู้รู้เอี่าให้เป็นผู้ผู้กระทำให้เป็นผู้รู้เฉยเฉยปรจัยนะขอบคุณค่ะโอเคประจัยค่ะขอบคุณค่ะใช่เลยท่านตอไปคุณสลียอนค ยาวหน่อยนะวันี้รอนมากเเพิ่งเข้ามานวัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอาทิตย์ที่แล้วยมไม่ได้เข้ามาก็เลยต้องมากราบซะหน่อยเลยยมไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาก็ขากับพระอาจารย์เมยมอาจจะมีนิดนึงอะคะ่ะเรื่องการวางอุเบกขานี่ชีพ ป, ประจําวันนะคะพระอาจารย์ถ้าในกรณีที่คนในครอบครัวทะเลาะกันโดยที่เอ เราเป็นคนคนเดียวที่สามารถไก่เกียให้ให้ให้เขาสองคนกลับมาคุยกันได้อะคะ่ะอาจารย์แต่แต่ถ้าเราวางอุเบกขาแล้วเราก็คือยมบอกเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นการทะเลาะกันของทั้งสองคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วด้วยความไม่เข้าใจกันยอมบอกคนคนหนึ่งบอกว่า ให้ยอมรับเชว่าความเป็นจริงก็คือสิ่งที่เธอทําให้อีกคนหนึ่งเนี่ยนี่คือผลนี่คือกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เธอทําแล้วก็จงยอมรับความเป็นจริงแล้วยอมก็ไปบอกอีกคนหนึ่งว่าให้รู้จักความให้อภัยให้รู้จักการให้อภัยมีความเมตตาแล้วก็จงยอมรับความเป็นจริงว่าเขาก็จะเป็นอย่างนี้ปีที่แล้วเขาเป็นอย่างนี้ปีนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้ปีหน้าเขาก็จะได้เปลี่ยนการทะเลาะกันของคนสองคนเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกับโยมเลยแล้วยมก็ไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นที่เขาทะเลาะกันคือโยมไม่แน่ใจว่าการที่โยมพูดอย่างนี้ออไปคือมันเป็นการวางอุเบกขาไหมหรือว่าหากโยมต้องการมีความเมตตาทางขอ ง, งทั้งสองคนโยมก็ได้อธิบายให้เขาฟังไปแล้วว่าอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วเราแก้ไขกันอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามันไม่ดีขึ้นโยมก็ต้องปล่อยเพราะโยมทําอะไรนี้ได้ แต่เวลาที่เข้านั่งสมาธิอะค่ะมันก็ความกังวลใจตรงเนี้ยมันก็ทําให้โยมไม่สามารถนั่งได้สงบพอโยมยังรู้สึกว่ามันมันไม่ถูกต้องมันน่าจะแก้ไขได้มันน่าจะดีกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โยมควรจะวางใจยังไงคะเออโยที่าสามารถนังนั่งสามาธิได้แล้วก็ท่าน มันความอยากของเรานเกิดามสามารถของเราว่าเาต้องลความอยากาให้อยู่ในระดับความสามารถของเราถ้าเราในทาเราก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมคะว่ายอมคือช่วยแต่ว่าเาขาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเช่นกันก็จะรับไรับอย่างไรใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าเหมือนกับว่าการทะเลาะกันของเขาสองคนมันทาให เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาของทั้งคู่คือมันไม่ดีกับทั้งคู่อะค่ะพระอาจารย์แต่เขาไม่ยอมรับความเป็นจริงกันทั้งคเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับเไม่เห็นว่าความซึมเศร้าเกิดจากความดความเกลียดใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์เราโยมก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะยมรู้สึกว่าพเราไปอยากเราไปอยากน้อมดีันเราไม่นการูกาเอามาใช้เล้วแล้ไปอยากไปอยาก ทำหน้าที่เราก็จะดีทั้ี่ไม่ดีกั้าที่ของเขาละก็เลือกเขาใช่ไหมคะค่ะงั้นก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วเราไม่ได้แม่ได้เศร้าเราไม่วางใจขาได้โยงไม่สุขโยงกินอิ่มนอนหลับเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิไปรวมไม่รวมหลับไม่หลับก็แล้วมันมีตามมีตามเกิดบางทีเดินจงกรมสามทุ่มนั่งแล้วก็ไปนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมานั่งสมาธิตีสี่แทนอย่างเงี้ยมัน เอาตามที่เวลานี้ทำได้กับวัดโอเควันนี้อาท่านนี้ก่อนะเพราะจะใกล้สามชั่วโมงเลนะหรือต้องไปเรวหน่อยนะคุณมาลีเชิญคุณมารีต่อวันนี้มามาที่หับต้องเับสั้นๆหน่อยนะเพราะจะห้าทุนนะถ้เปิดไม่่อนคุณมารีอันนี้กอันนี้ไม่ครบ กลับหลวงพ่อค่ะพอดีหนูเพิ่งกลับมาเนี่ยค่ะหลวงพ่ออันนี้ทํางานบุตรนะใช่ค่ะวันนี้เขา work work from home ใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ก็คือเพิ่งเข้าไปวันวันหนึ่งอะค่ะอาทิตย์เดียวค่ะพูดดังวันนี้หน่อยแล้วตอนนี้ฝนตกด้วยได้ยินได้ยินไหมค ะ, ะได้ยินคนะ่ะว่ า, าก็คือว่าเอาเอาสั้นๆเลยนะคะหลวงพ่อคื อ, อหนูไปฟังเทป เก่าๆของหลวงพอ่อว่ามีบางคนถามว่าทำไมนั่งได้ตั้งสี่ห้าชั่วโมงแต่ว่ามันไม่สงบหลวงพ่อบอกว่าสติอ่ะมันไม่ไม่ต่อเนื่องใหให้บริกรรพูดโทรเร็วๆๆหนูก็ลองทำดูรู้สึกว่ามันปฏิบัติได้ดีขึ้นค่ะหลวงพ่ออันไหนอันนี้อันไหนใช้ประโยชน์ได้กะทำเป็นังไงค่ะหลวงพ่อก็นั่งได้ เกินชั่วโมงคึ้งอะค่ะหลวงพอ่อหมายถึงว่ามันมันนั่งแล้วมันดีอะค่ะตามตามตามที่หลวงพ่อแนะนําแล้วก็เหมือนถ้าเกิดคือช่วงที่เรากําลังแบบมันเครียดมันอะไรเนี้ยค่ะมันความคิดมันจะหลุดออกไปข้างนอกเนี้ยก็เลยมาภาวนาเร็วเร็วเร็วเ็วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นค่ะหลวงพอ่อสงบขึ้นค่ะสนใจการสวดมนต์ไปก็ได้ไดีการสวดมันมันช่วยได้ เน่ีาวคัค่ะวันนี้สั้นๆแค่นี้ค่ะหลวงพ่อบันดึกเงคค่ะเรียก่อนนะขอบคุณค่ะหลวงพ่อคุณคุณเจจะเลนจากรอแกลาร้ายหน้าฉัมีอะไรหมัดีารค่ะพระจังไม่มีอะไรเจ้าค่ะร่วมฟังทำเฉยเฉเจ้าค่ะเห็นเจ้าเฉยหรือยัง อเจ้าตื่นแล้วกจค่ะถ้าเป็นองะไรก็ขอชั้นสุดท้ายนะเจ้าค่ะสุดท้ายเลนะคุณจิ๊บกำลังขับรถเซนไหน้เลยคุณจิ๊บข <c oughs> อสกับวก า, าวันรมค่ว่าอาจยโยมเขาเข้าอบออบเพิ่งเลิกงานค่ะกาลังจะขับรถกลับไปหาหมอค่อะค่่อะรเลยชั้นวัอดีใช่คนะ่ะประจัเที่ยงพอ ด, ดีเลยโยมก็เลยขอตัวออกมา พักกันวันแล้วก็ไปหาหมอด้วยค่ะจะไปดูรายกับรายจ้างที่สำคันะใช่เจ้าค่ะพอดีดึกแล้วยมแค่เข้ามาทักทายเใชๆมาฟังต่อต่อเนื่องเข้ามาค่ะค่ะกราบน้ำสการเจ้าค่ะแล้วพอไปตอบตอบคำถามหอครับอาจารย์ใัดเด็กขอขออนุญาตนะครับมีคุณทักกลิกยกมืออยู่ข้างบนนะครับางช่ครับครับโอเคได้ขออนุญาตกราบน้ำสกัดท่านพระอาจารย์ คี่ครบอย่างสูงครับยังไอะไรก็ได้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ผมพูดจากบาร์เซโลนานะครับสเปนแล้วก็ขอญาตเรียนการศาสนรนัศการเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มเริ่มต้นการนั่งทำสมาธิคือผมมีเพื่อนฝรั่งชาวเยอรมันนะครับ เขามาเยี่ยมผมเมื่อวานนี้ก็เลยคุยกันแล้วพอดีลูกสาวที่อยู่ตัวเจียวเขาบอกว่าท่านอาจารย์กําลังไลฟ์สดอยู่ผมก็เลยสนใจก็เลยพึ่งเข้ามาเป็นค <lugar> รั้งแรกด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งผมก็เลยอยากจะเรียนถามท่านว่าเพื่อนของผมชาวฝรั่งชาวเยอรมันเขาอยากจะมาเอรับฟังกับท่านด้วยบางครั้งเขาจะสวนท่าน สนทนาภาษาของเขาเนี่คิดว่าอาจารย์คงให้คําตอบเขาได้ใช่ไหมครับเออเราไม่มีภาษานี่คือมันลังคาเคือมันลังคาที่พูดภาษาจีนครับผมให้เขาเข้ามาในเข้ามาในสื่อภาษาจิตแล้วก็ยังสามารถเจ้ามาเข้ามาฟังได้าานนครับผมแต่<อ>บางเอแต่ผมได้อบางอย่างที่อาจารย์ท่านอื่นๆได้อแนะนําไว้ในกูเกิลผมก็ได้เอา คำเหล่านั้นมาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาไปเหมือนกันก็น่าจะดีะดีขึ้นแล้วก็ทำให้เขาได้เพราะว่าอยู่ในวัยเดียวกันครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกกันแล้วครับเขาก็อยากว่าเขาก็มีความสนใจว่าพุทธศาสนาเรา่นั้นทำให้เห็นคำสอนที่แท้จริงแล้วก็ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องน่าจะเป็นทางทางออกที่ดีสำหรับ ชีวิตของเขาบ้านปลายครับผมใเลยขอเรียนการรับสุการเรียนท่านถามเท่านี้แหละครับนะครับก็อยากจะเข้ามาฟังภาษาอังกฤษให้เขเข้ามาคืนมาในคานนะครับเวลาเท่าไหร่ครับเวลาสองทุ่มนองไทยเช่นเดียวกันครับจเมีการแต่ต้องเข้าไปในเพจเพจภาษาอังกฤษนะในภาษาอังกฤษนะจะอาจารย์สุชาติภาษาอังกฤษมันจะเวลาสองทุ่มมัมีการถ่ายทอด ครับ <Five> ผมแล <Viol ent. S 1> ้วผมจะได้เอ่อเรียนให้เขาทราบนะครับแล้วก็ขอขอบนัมาตการท่านขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ด้วยอนุโมทนาบุญขอให้สมาชิกปริญนามิตรทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปราศจากโรคโควิดเราโดยเร็วนะครับท่านสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัีสวัสดีสวัสสวสัส มีทั้งหมดสิบสี่คำถามเจ้าคา่ะ ม, มีคำถามฝากถามผู้สูงอายุที่อยากปฏิบัติธรรมให้ได้พระโสดาบันในขณะที่กายถดถอยแต่ยังมีกำลังใจอยู่มีโอกาสไหมครับและควรทำอย่างไรครับก็ถ้าไม่ได้สเตรชก็ควรสิตรชให้ได้สมาธิก่อนให้ได้สมาธิได้ระเบิดพลังก็พันนานาล่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา เขถึงจะต้องตายจากไปในเรื่อนรื่อ ง, องา ด, ดาวันได้คุณถามต่อไปจากคุณต้องจะกําจัดตัวจิตตะสังขารได้อย่างไรเจ้าคะตอนเข้าสมาธิเห็นตัวนี้ขึ้นมาตลอดเจ้าคะ่ะเขากำจัดไม่ได้หรอใครหยุดมั น, น ไ, มได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อการใช้พุโทโธพุโทโธดูปัญหาใจาชอบ แล้วเจอเนทางคันเนี่ยไป อ, อยู่ทำงาไปช่วยครับคำถามต่อไปจากคนเพียงฝันการกราบไหวงูเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมครับหลวงพ่อก็ไม่ถูกไม่ถูกนะแต่เราเนี่ยเราย่างไรกับอะไรกับม้าก็กราบได้ด้วยใจเพราะว่าเลยแต่ต้องถามว่าเรากราบเพื่ออะไรถ้ากราบเพื่อให้เขาเป็นอาจารย์เนระาเพือย่าไปกราบเพื่เสียเวลาเอามา้างูมาเป็นอาจารย์ ชัวว่าพวกก็ามเรื่องสองมาเป็นก า, ารงานดีกว่าคําถามต่อไปจากคุณสุริยงกราบนรมาสการพระคุณท่านเวลาผมกําหนดสมาธิจิตจะทะลุขึ้นไปบนอากาศถูกหรือผิดครับถูกแล้วจิตมันต้เข้าท้างใถ้าเป็นสมาธิมันต้องเข้าขางหนถ้ามันพุ่งออกไปแสดงว่าไม่ใช่สมาธิคําถามต่อไปจากคุณร้องเหมียวเหมียวหลวงพ่อครับ เวลานั่งสมาธินิ่งแล้ววูบแต่ยังไม่ออกจากสมาธิสักพเกิดการวูบอี่เกิดจากอะไรเจ้าคะวูบแบบั้นวูบแบบสลับก็พวกสติหมดหลับตาสับสนถ้ามันวูบแล้วเฉยมันรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้ามีความสงบจิตนั้นเข้าสู่สมาธิคำถามต่อไปจากคุณชวรส กลับนมัสการครับหลวงพ่อคําว่าเห็นกายในกายคืออย่างไรครับต้องทําอย่างไรครับถึงจะเห็นกายในกายกายที่เห็นในกายคือกายอะไรครับก็ร่างกายของเรานี่แหละคือกายอในกายให้เห็นว่ามันไม่มันมีอาการสามจุดสองมันเป็นเลืนน้แน่นมาไม่ได้เป็นแท่งยันื้นชื้นเหมือนอย่างที่เราคิดกันร่างกายเรา ไายใต้ผหนังใต้ผิอภายใต้เนี้อก็ยางมีโครงระดูกมีตับมีไตมีปอดมีหัวใจในแต่ละส่วนไม่ว่าเหงื่อายลมกายแล้วก็ไม่ใช่กายของเราอย่างเดียวกล้ของคนอื่นก็เหมือนทั้งเขาทั้งเรามีร่างกายเหมือนกัหมแล้วก็เห็นว่ามันแกมันจะต้องแกมันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายมันจะกลายเป็นน้ำกลาฟเป็นพิษอย่างนี้ไม่ว่าเหงื่อายลมกาย คำถามต่อไปจากคุณวางได้จึงเบามีญาติธรรมฝากถามเจ้าคะ่ะเขานั่งสมาธิเลยไปถึงอะลูปชาญแต่อยากให้หยุดเพียงแค่ชาญสี่จะทำอย่างไรดีเจ้าคะ่ะน้อมกราบในความเมตตาเจ้าคะ่ะโยมหนิงสุขโขทยัยนายอานแบบนีชาเขานั่งสมาธิเลยไปถึงอรลูปชาญแต่อยากให้หยุดเพียงแค่ชาญสี่ จะทําอย่างไรดีเจ้าคะขอไม่เป็นไรไปเอาลูกประชานก็ได้ชานสอาลูกประชานนี่นก็มีดอกขาวเหมือนกันให้เป็นประชาค่ะคำถามต่อไปจากคุณไอรีนมีทั้งหมดห้าคำถามเจ้าคะ่ะคําถามที่หนึ่งจะทําอย่างไรให้สติแนบสนิทกับจิตคะบางครั้งก็แนบบางครั้งก็ไม่แนบวันที่อดนอนเพื่อปฏิบัติเหมือนพุทโธลอยๆอย ไม่ค่อยรู้ตัวว่าพุโทโธเหมือนเวลาที่คนอดนอนแล้วอ่านหนังสือได้แต่อ่านแต่ไม่มีอะไรเข้าสมองเจ้าค่ะก็ต้องพยายามหาที่บังคับใ ห, ให้มันให้มันได้เชนไปอยู่ที่หน้าตัวมีอยู่ตามป่าตามเขามีสูมีภายรอบด้านมันก็จะสติมัมนก็จะแ น, นบปักใจแต่ถ้ามันอยู่ในทีดปลอดภัยมันก็จะ มันจะไม่ไม่ไมนแน่เพราะไม่มีอะไรบังคับมันบางทีทำไปอยู่ที่น่ากลัวเช่นเป็นอยู่ปา่าช้าทำในปฏิบัติในป่าช้าหรือเป็นปฏิบัติในป่านั่นมันก็จะบังคับแม่จะเปลี่ยนที่ได้ตกใจคำถามข้อที่สองเวลาพุโทโธรู้สึกว่าต้องบังคับมันอย่างมากเพื่อให้อยู่กับพุโทโธได้ตลอดรู้สึกเครียดปวดหัวและทุกข์มาก แต่ถ้าปล่อยตัวทาสบายๆมันก็ไม่ยอมอยู่กับพุทโธพอทำแล้วมันชอบแวบไปคิดบ่อยๆบางทีไม่อยู่กับพุทโธความง่วงก็เข้ามาแทกทำให้ต้องเร่งพุทโธขึ้นไปอีกควรบังคับหรือไม่บังคับดีคะควรจะบังคับเพราะว่าถ้าไม่บังคับมันก็จะไม่ทันให้มันเลยสงบได้เห็นตอนนี้เนีต้องต้องยอบทน บทคนหยุดางทุกข์เกิดจากการบังคับแต่ต่อไปพอมันสงบแล้วมันก็จะมันก็จะเบามันก็จะสบายคำถามที่สามมัชฌิมาของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมคะกำลังของแต่ละคนไม่ไม่เท่ากันบางพอดีในการปฏิบัติของแต่ละคนก็ต้องหยุดที่กำลังหรือกำลังสามารถมันก็ปฏิบัติได้มากมัปฏิบัติ คำถามต่อไปเวลานั่งพุทโธถ้านึกถึงพุทโธเฉยๆมันไม่อยู่ต้องขยับปากหรือขยับหัวขึ้นลงเบาๆแล้วจับความเคลื่อนไหวนั้นหรือต้องพูดออกเสียงถึงจะรู้ตัวชัดว่าพุทโธอย่างนี้แปลว่าจลิตเหมาะกับการเคลื่อนไหวการเดินมากกว่าการนั่งใช่ไหมคะมีวิธีอื่นที่จะทำให้พุทโธชัดมากๆเวลานั่งไหมคะ ก็เวลาเริ่มต <need to> <ain> really ้นอาจจะขยับสภาพร่าไปก่อนก็ได้แต่พอมันเริ่มเริ่มอยู่ติดกับจิตแล้วก็ก็อย่าไปขยับร่างกายมาให้ร่างกายยู่งเฉยแต่เบื้องต้นถ้าถ้าใช้ใช้มันเพื่อให้มันมีสติอยู่สตบจิตก็จะใช้ได้แต่อย่าไปใช้มันสำหรับให้มันเพื่อให้มีเป็นเป็นการเดินจิตให้เข้าเดินสติให้อยู่สติ พอมันอยู่กับจิตน้าคูดล้วก็ยดขึ้ื่อนหมันถามต่อไปถ้าพุทโธไปแล้วมันเริ่มสว่างนิ่งแต่สักพักก็มีความคิดเข้ามาปล่อยพุทโธยังไม่ได้นี่ถือว่าเป็นการถึงคณิกะหรือยังคะยังไม่ถึงาะถ้ามันเึงว่ามันจะร่งมันจมันจะว่างอันต่อไปจากคุณใดยนาขอโอกาสถามค่ะพระอาจารย์ จำบทสวดมนต์ไม่ได้ต้องเปิดหนังสือตลอดสวดประจําหลายเดือนก็ยังจําไม่ได้เป็นเพราะอะไรเจ้าคะขอคําแนะนําเจ้าคะ่ะเพราะไม่บางครั้งมันจำไม่ได้น้องสวดสั้นๆไปก่อนเอาเอาบทสั้นๆไม่ต้องไม่ต้องสวดบทยาวพนะยเช่นสวดอินทรีโสแค่นี้เองก็พอแต่แล้วเราก็สามารถสวดจำได้สวดมาหลายรอบนะไม่จําเป็นจะต้องสวดบทยาว ถ้าฟังจำเราไม่ได้ดีเราเอาหมดสัด้นๆแต่เราสวดหลายรอบก็ได้เหมือนกันคถามต่อไปจากคุณเล็กกราบเรียนถามว่าถ้าเรานอนสวดมนต์หรือนอนฟังธรรมหรือนอนสมาธิสมควรไหมคะมันจะไม่ได้ผลดีเพราะมันจะหลับลก่อนมันจะไม่ได้ผลที่เราควรจะได้ถ้าเราเรียนนี้เราจะได้ผลมากกว่า คำถามต่อไปจากคุณจาตุลน์กราบนมัส ก, การถามหลวงปู่ครับขณะภาวนาถ้านอกเหนือจากคําบริการพุทโธแล้วเป็นอาการของจิตที่เราไม่ควรไปสนใจทั้งนั้นใช่ไหมครับได้ใช่เราอยู่กับพุทโธอย่างเดียวอะไจะเกิดขึ้นมาอย่าไปสนใจเพราะมันจะทําให้เราขาดสติทําให้เราไม่สมทําให้จิตไม่สงบให้อยู่กับพุทโธไปเอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณเล็กการนอนสมาธิสามารถเข้าถึงสภาวะธรรมได้ไหมเจ้าคะเพราะจะสงบช่วงก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายเจ้าคะไม่ได้หรอกเพราะมันจะหลับคำถามต่อไปจากคุณขนมหวานขออนุญาตถามนะคะนั่งสมาธิตามรู้ลมหายใจจน จ, นจิตสงบนิ่งจนถึงไม่มีลมหายใจคือเลยจับไม่ได้เหมือนไม่เจอ ตอนนั้นตกใจถ้าหากทําอีกเจออีกแบบนี้จะทําอย่างไรเจ้าคะก็จับความว่างแบบอย่าไปจับถ้าไม่ได้โน้มไม่จับก็จับความว่างคำถามต่อไปจากคุณสุนทรนั่งทําสมาธิแล้วเกิดอาการง่วงนอนแล้วเราต้องฝึกฝนบังคับต่อไปหรือต้องนอนเลยครับถ้าฝืนได้ก็ฝืนนั่งต่อไปครับฝืนนั่งไม่ได้ก็ลองเลีขึ้นมาเลย ถ้าเดิไม่ไหวแล้นไม่ไหวก็นอนคาถามต่อไปจากคุณปาหนั้นหยุดคิดถึงรู้คืออะไรเจ้าค่ะหลวงตาเดอนความคิดนี่มันจะบางความรู้ตัวรู้ไว้นะพเราหยุดความคิดรับตัวรู้ก็จะชัดเจนขึ้นมาคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคหมดแล้วนนวันนี้จะคิดว่าถ้านี้กอนนะไม่มีรอบสองนะเพราะว่ามันจบแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจำนำมังสุที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปไเชิดพนะุทธนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมไม่ยื่ น, นขึ้นไปเออ